เรจเริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายว น, นี้มีความสนใจในธรรมะคาสอนของพระพุทธเจ้าอาก็จะขอต้อนรับอาจารย์พรวไิไลก่อนเป็นยังอาจารย์สบายดีเหรอรค่ะพระอาจารย์ค่ะสบายดีค่ะพระอาจารย์สบายดีนะค ะ, ะค่ะพระอาจารย์ครับอ่สวัสดี สบายดีนะโอเคสบายดีครับมีอะไรอยากจะถามไหยวันนี้ไม่มีค่ะรับฟังค่ะค่ะเดี๋ยวไมได้ไปทีท่านต่อไปเลยนะค่ะจ้าค่ะจ้าสวัสดีครับดีคุณนันทภัทเชิญน้ำสกาดเจ้าข้าพาจารย์ค่ะจาก ซูเมื่อคืนเจ้าค่ะพระอาจารย์คุณคุณที่อยู่ลอนดอนเขาเทคมาบอกว่าที่ท่านอาจารย์นี่ปุ่ไม่มีแม่ชีอะค่ะพระอาจารย์ก็ไม่ต้องเป็นแม่ชีก็ได้นุ่งอ๋ไม่ไม่ต้องเป็นโกนก็ได้ใช่ไหมเจ้าใช่ก็ถืศีลแปดเป็นนุ่งดำนุ่งขาวไปแล้วนุ่งขาวนุ่งดำนผ่ขาวไปนะส่วนให ญ, ญ่เขาจะนิยมทงทงนั้น ทางอีสานใช่ไหมเจ้าคะที่ถ้าถุงดําแล้วก็เริ่มต้นการจะทําอย่านก่อนถ้าคิดว่าอยากจะเป็นแม่ชีก็ถ้าท่าไม่ก็ไปปรึกษาท่านว่าจะเป็นแม่ชีได้หรือเปล่าก็ไม่ได้ก็ก็ต้องเลือกเ่าระวังมันไม่สำคัญหรอกเป็นแม่ชีไม่เสียใจมันก็เหมือนเนี่ยค่ะแล้วก็ตัดผมไม่สั้นๆก็ได้ไม่ต้องโกนแล้วก็เพ่งแต่ค่ะค่ะราคาเลื้อ ถ้าขออนุ ญ, ญาตพระอาจารย์อีกที่หนึ่งที่วัดหนองปากคงอุบลจะได้ไหมเจ้าค่ะได้ไปดูหลายหลายที่ได้ที่จังหวัดชลบุรก็มีในลูกศิษย์สายของหลวงพ่หลวงปู่ชาวัดดุญญาว่าเนทางคุณหมอทัศนาก็ได้คุณหมอทัศนาในข้อมูลเจ้าค่ะแล้วแล้วท่านอาจารย์นิพนธ์นี้เป็นลูกศิษย์องตามมหาบัวด้วยปะครับพระอาจารย์ ก็สายเดียวกันนุสเซอร์ท่านไม่แน่ใจว่าท่านเป็นนักศึกษ์ของงัปภูเขาวเรื่องของของใครอยู่แต่แต่ถือว่าเป็นสายเดียวกันเจ้าขาพอดีลูกไม่เคยได้ยินชื่อท่านวันได้ยินจากอาจารย์จ้ะก็ลองลองเสิร์ชดูก็ได้่ใช่ไหมค่ะลองเสิร์ชดูแล้วคุณหล้าขอพอบคุณค่ะแล้วคุณหล้าส่งส่งที่ไปเสิร์ชมาให้แล้วเจ้าขาาเอ แล้วก็วันนี้ลูกมีคําถามเจ้าค่ะพรอาจารย์กลางเดือนตุลากลางเดือนหน้าเจา้าค่ะลูกจะไปที่เขาชีโอนเรียนปรึกษาพระอาจารย์เจา้าค่ะว่าวิธีการปฏิบัติตอของลูกอะนะเจา้าค่ะลู ก, ล, ก, ล, กลูกวางแผนว่าจะจะลองพยายามนั่งให้ได้ยาวขึ้นแล้วก็ด้วยความที่ไม่มีอะไรรบกวนใช่ไหมเจา้าค่ะพระอาจารย์ลองนั่งให้ยาวขึ้นให้ได้ความสงบก่อนหรือว่าจะเพิ่มแบบการ เข้มอย่างอื่นด้วยหรือเปล่าจ๊ะคะหรือว่าลองให้มันได้เบื้องต้นก่อนเจ้าคะ่ะอาจารย์คือมันก็ต้องเข้มที่สติก่อนนั่งนั่งถ้าสติมันไม่มีกําลังมันก็จะนั่งไม่ได้นานถ้ามันนั่งไม่ได้นานก็เริขึ้นมาเดินจงกรมหลายหลายชั่วโมงก็ได้การเดินเจงกรมนี่เป็นวิธีเจริญสตินแล้วก็เดินยจงกระทั่งรู้สึกเดินไม่ไหวก็ลองมานั่งต่อสลับสองท่านี้เดินกับนั่งคือคืนเหมือนที่อาจารย์ อาจารย์ได้ให้การบ้านไว้ก็คือในเรื่องสติไปก่อนใช่ไหมเจ้าคะใช่สติไม่มีอะไรมันก็มันก็เกิดไม่ได้ส<ช>มาธิมันก็ไม่ได้ปัญญามันไม่ยิงไกลไปนตอนนี้ต้องให้มีสติคอยควบคุมความคิดในขณะที่เรายังไม่ได้นั่งสมาธิต้องควบคุมมันไว้ก่อนอย่าป่อให้มันคิ ด, ดเรื่อยเบื่อคิดถึงอดีตคิดถึงอนาคตให้อยู่ในปัจจุบนัน ให้รู้อยู่ว่าเรากําลังทําอะไรอยู่เดินน้ำค้มว่ารู้ว่าเรากําลังเดินก้าวทางซ้ายขวาไปเท่านั้นให้สั่งแต่ว่ารู้ไปถ้ามาคิดก็ใช้พุโทโธพุโทโธหยุดมันด้วยว่าเรากำลังทําอะไรอยู่อาบน้ำางหน้าแต่งปันก็ให้มีสติของงานที่เราทำห<อ>รือพุโทโธพุทโธไปก็ได้อันนี้เป็นขั้นแรกของการปฏิบัติคือเจริญสติให้มากๆ แล้วพอเราพอที่จะนั่งก็เรานั่งดูเดอะดูจะนั่งแล้วจะสงบไหมถ้าสติดีๆมันก็สงบง่ายสงบเร็วถ้งไม่ดีก็นั่งแล้วก็เดินไปเดินมาระหว่างความคิดกับสติของเราก็าต้องลองปฏิบัติดูอันนี้ไม่ไม่มีสุดตายตัวต่เรี้ละโดยหลักก็คือต้องฝึกสติ น้ว เ, เวลานั่งมันเยอจะนั่งได้ผลดีพอไม่มีสติทํามะได้เปิดม า, า, ากอ่อนเจ้าคะหรือหรือต้องลองอดอาหารไหมเจา้าคะพระอาจารย์หรืออันนี้มันก็ช่วยบังคับให้เรามีสติมากขึ้นอ๋อมืนมันจะช่วยด้วยใช่ไหมเจา้าคะถ้าก็าาาเรานะฮะมันจะความหิวมันจะทําให้จิตปรุงแต่งเราก็ต้องใช้สติคอยระงับ ค, ความคิดปรุงแต่งเกี่ยวกับเรื่องอาหารแล้วแล้วควรออกไปข้างนอกแบบ ตอนกลางคืนอย่างนี้ไหมเจ้าคะเพื่อฝึกความกล้าอะไรเงี้ยหรือว่าเอาไว้ก่อนเจ้าคะก็แล้วแต่แล้วแต่คุณมันเป็นโจทย์ที่คุณจะต้องพิจารณาว่าความที่จะทำเมื่อไหร่อือฮะเจ้าคะเจ้าขอาขอาจารย์วันนี้มีเท่านี้เจ้าขา อ, อาจารย์กลับขอบพระคุณจากโอเคขนะั้นต่อไปคือคุณบิวตี้บิวตี้จากผู้เก็ยเป็นยังไงสบายดีนะ สบายดีค่ะกับนรัศการเจ้าค่ะอ่าวันนี้คุณยามาทำหน้าที่ช่วยงานค่ะทราบแล้วค่ะอนุโมทนาสาธุกับยาด้วยค่ะวันนี้ไม่มีคำถามเจ้าค่ะมาฟังเจ้าค่ะป๊ป๊ากับอ่าเออตอนอัจจันร์อ่าเชิญฟังต่อไปแล้วกันนะเดี๋ยวจะขอบคุณค่ะคุณมอทัศนา ค่กับนางพระอาจารย์ค่ะสวัสดีพี่จุ๊บคุณบอลคุณหลานะคะคุณญาติวลยก็มีคําถามสองข้อค่ะพระอาจารย์ค่ะอันแรกอะค่ะพระอาจารย์อยากเรียนถามพระอาจารย์ว่าวันสุดท้ายของที่ไปอยู่ที่เขาอะค่ะปกติเป็นคนที่ไม่ฝันนะพระอาจารย์คือนอนจะหลับสนิทแต่ว่าคืนนั้นอะพอมันจะฝันแบบเห็นมันจะเห็นตัวเองอยู่ในห้องกรองค่ะพระอาจารย์แต่มันไม่ใช่กรอาจารย์ใหญ่มันเป็นกรอสเหมือคนคนแต่ว่าแบบเหมือนเห็นสุภาษมันทําให้ ในในฝันนั้นอะมันทำให้เห็นเห็นถึงทุกข์เลยในการเกิดเลยแล้วก็เห็นไปลักของของร่างกายอ่ะก็จะเรียนถามพระอาจารย์ว่าอันเนี้ยเราควรจะเอามาเป็นนิมิตในการเดินจงกรมพิจารณาไหมคะพระอาจารย์หรือว่าไม่เป็นไรเพราะว่าแบคือไม่เคยฝันปกติคือแบบคืองงมากแต่ตื่นขึ้นมาก็ไม่กลัวนะคะก็นั่งสมาธิต่อตื่นมาตรีฐานก็นั่งต่อเห็นอะไรนะเห็นหรือว่าห้องกลอสเราโหเยอะมากเลยอะแต่ว่าปกติห้องกลอสของเราเนี่ยมันจะมีประมาณแค่สิบระจันใหญ่ใช่ไหมที่นอนอยู่บนเตียงแต่ว่าในในฝันเนี้ย เห็นแบบโอ้โหแบบเตียงสวยนะแต่เป็นห้องกรอสคนเป็นเป็นร้อยแต่ว่าในเตียงหนึ่งก็จะมีเงือบมือเป็นผิวแล้วก็เป็นเอ่อเป็นอะไรเป็นกล้ามเนื้อออกมาแล้วมีบางเตียงเนี่ยเป็นเป็นปอดกับหัวใจแล้วก็มีคนไม่รู้ใครข้างหลังอ่ะไปกระทุงปุ๊บกลายเป็นว่ามันหายใจได้เองมันเหมือนกับว่าเนี่ยร่างกายอ่ะมันมันมันเป็นอนัตตามันทําเองไม่ใช่รับของคือมันทําให้เห็นได้ขนาดนั้นเลยคระอาจารย์แล้วเห็นแต่ละเตียงไม่เหมือนกันเห็นเป็นอสุภาพระอาจารย์เห็นเป็นกอสแต่เป็นกอสเป็นๆนะคะ เป็นเหมือนเป็นเหมือนคนเป็นไปนะจ๊ะเหมือนว่ามเหมือนเราเป็นคนเป็นไปแล้วเห็นความทุกข์เพราะบางคนก็เป็นคนไข้เป็นอะไรแบบคือแบบมันฝันไงพระอาจารย์แต่รู้สึกว่าตื่นขึ้นมาก็ไม่ได้กลัวเลยนะพระอาจารย์ตื่นที่เขาชีโอไม่ได้กลัวแต่รู้สึกว่าเอ๊ะอันนี้ไม่เป็นนินเทนแล้วออกมาพเจารณาเผื่อว่าคือมันเห็นทุกในการเกิดแล้วก็เห็นใจรักณ์ของเรื่องร่างกายอพระอาจารย์คือมันก็ต้องอามาใช้กับร่างกายของเรากับร่างกายของคนทุกคนที่เราพบเห็น ถาเราต้องการที่จะเอามาสอนใจอภาที่เราเห็นนั้นก็เหมือนกับทุกคนไมว่าร่างกายของเราร่างกายของคนที่อยู่ในบ้านเราหรือก็ร่างกายของคนที่อยู่นอกบ้าน <Yeah. S 1> อย่ามองทุกร่างกายว่ามันก็เป็นอย่างนี้แหละถึงเวลามันก็จะหรือว่าถ้าเรามองเข้าไปข้างในมันก็จะเห็นอาการ กาอต่าคนอ่าที่เราไม่เห็นเพราะถูกผิวหนังมันปกปิดเอาไว้มันจะได้ทำให้เราไม่เป็นหลงรักข้างไครกับร่างกายของคนของไทยก็ตามของเราดของไทยเมื่อดูเห็นสุละเรามันก็มันก็รู้ว่ามันของแท้ของจริงมันไม่สวยมันสวยแต่ของของปลูกแต่งภายนอกของไม่อยู่เป็นผิว พุ่มอยอยู่ก็พิจารณาเพื่อให้เราปล่อยวางร่างกายในทางด้านการอารมณ์นะเห็นแล้วไม่เกิดการอารมณ์ดูงานประกวดนางงามนุชชัยงามประกวดไสเห็นอะไขึ้นมาแล้วก็ <c oughs> ในเวลาคนท้องบ้ากันเห็นออกมาเต้นวีดีโออะไรกันดูเ ต, นเต้นสวยอวย่างนั้นสวยอย่างนี้ แล้วก็ดูมันสวยอย่างที่สวยสวยยังไงสวยที่ตับสวยที่ไตวสวยที่ปอดสวยที่โคงกระดูกมันก็จชนะอยู่เรื่อยๆจนมันเป็นนิสัยเห็นร่างกายของใครก็เห็นทะลุเข้าไปข้างในแล้วมันจะคุมกามอารมณ์ได้ อันนี้หมายถึงว่าในเวลาที่เราเดินไปหรือเรามองหรือรั่างในห้องนี้ยเราก็มองแต่ละคนที่ขึ้นมาเรามองไปได้เลยใช่ไหมพระอาจารย์อ่าก็ใช่นถึงเมีไว้เพื่อมามองคนไม่ใช่มามองไม่มีไว้เพื่อเราดูออันนั้นอที่เราสึกไว้เพื่อที่จะามาใช้กับเวล า, าที่เราเจอคนเวลาไปเจอคนลึงไปเลยไม่มองเขาว่าเป็นคุณ<า>นั่น น, นี่มีตําแหน่งมียอดอย่างนั้นอย่างนี้เข้าใจแล้วค่ะ S <S ได้การพระอาจารย์แล้วก็อีกข้อหนึ่งอ่ะผู้อาจารย์ก็ที่เรียนผู้อาจารย์ได้ทําข้อสอบในที่แบบคือแบบไม่ได้รู้เลยเพราะว่าจริงๆแล้วมันคืออันแรกคือพอคอขากลับอ่ะพระอาจารย์ไปบันดับมันทําให้เราเดินออกไปแล้วก็คราวนี้คราวนี้มืดของจริงพระอาจารย์เพตีห้าครึ่งเนี่ยมองไม่เห็นข้างล่างแต่เราก็ไม่กลัวเลยนะผู้อาจารย์คราวนี้รู้สึกว่าดีอ่ะทุกๆครั้งคือมันไม่ได้เตรียมตัวไงผู้อาจารย์คือมันไม่ได้เตรียมตัวที่จะมืดขนาดนี้แต่ว่าก็กล้าเดินไปแต่ว่ามีข้อหนึ่งคือประมาทอ่ะเพราะว่า ที่พระอาจารย์เตือนอ่ะคือมันต้องมีไม่ประมาณจะต้องมีไฟฉายให้กับตัวเพราะว่าเราเราจะได้แบบเต็มพร้อมแล้วอันนี้ก็เลยเหมือนกับว่าเราเราเราก็คือต้องสติกับสมาธินี่ยมันคุมทําให้คือมีความรู้สึกว่ามันช่วยมากๆเลยใช่ไหมพระอาจารย์มันคุมทาให้เราแบบมันทำให้เรานิ่งอ่ะเหมือนตอนเรากลับมาบ้านเนี่ยคราวนี้ก็นิ่งอ่ะพระอาจารย์มันเหมือนความเย็นมันออกมามันยังนิ่งนิ่งนินิ่งตอนธรรมดามันก็นิ่งนิ่งยังนิ่งอยู่อ่ะพระอาจารย์ค่ะได้ดีก็ มันจะได้โปรงว่าวันใดวันหนึ่งร่างกายของเราก็จะต้องสิ้นสุดลงครับได้ไม่หมดแล้วพระอาจารย์แล้วก็เดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวพอจบประชุมก็จะในสัญชีพระอาจารย์แล้วเดี๋ยวนะอาทิตย์หน้ามารายงานแล้วเดือน<ด>หน้าก็จะไปต้นเดือนนะพระอาจารย์ไปอีกเจดวันไปเฉลิมโศกทำไปเรื่อยๆนะทำเพื่อเอามาใช้มาใช้กับชีวิตประจำวันของเราเนี่ยไม่ไม่ใหเราไปโรคไปอยากกับอะไรต่างๆ ให่รู้ว่าทุกอย่างมันเป็นของชั่วคราว <Okay. S 2> ไม่สวยงามร่างกายไม่สวยงาม <Okay. S 2> แล้วไม่มีตัวตนตัวตนนี้เราสมมุติว่าเป็นสามีเป็นลูกเป็นอะไรความจริงมันก็แค่เป็นอาการสามีสองเป็นดปนน้ำหลงไฟเดี๋ยเวลามันหยุดร่างกายหยุดท้ายใจมันก็แยกสลายไป <Okay. S 2> ลูกไม่มีสามีไม่มี มีแค่ดินมน้าลงไฟแต่เราไปติดสมมติกันว่าร่างกายนี้เป็นสามีร่างกายนี้เป็นลูกพอเขาสิ้นสุด ส, สิ้นสุดลงก็ร้องหม่ร้องไห้แต่พิจารณาอยู่เรื่อยดูเขาทีายก็ดดูสภาพของการสูญสลายของร่างกายเขาดูได้ทุกคน เดี๋ยวเราไปนอนใโนโรงอะนแะล้ว mm hmm. เดี๋ยวก็กลายเป็นเศษกระดูกกลายเป็นเศษที่เท่าเหมือน mm hmm. นี่ยเป็นของที่เราต้องอามาใช้เวลาที่เราพบปะสังคมต่ตางๆที่เราเกี่ยวข้องได้ด้วยเพื mm ่อ hmm. เราจะได้ไม่หลงไปยึดปติดไปรักไปชอบของ mm hmm. ไม่กังวลกังวลยังไงก็เดี๋ยวมันก็ต้องกลายเป็นช้าศพกลายเป็นที่เถ้าขี้ฐานไป มันจะไม่ขมวลในเรื่องของคนเดินเรื่องของร่างกายของเราแต่ก็ดูแลมันไปตามวัฒภารดูแลกันไปไม่ไม่หลงว่ามันจะทําให้มันไม่ตายเป็นไปได้ได้ไม่ใช่ก็เร็วมันก็ต้องถึงจุดสิ้นสุดนมของมันทุกคนทําได้ก็ทําดูแลได้ก็ดูแลไปดูแลไม่ได้ก็ถือว่าถึงจุดจบของมัน เข้าใจไหมเข้าใจค่ะอาจารย์ขอบพระคุณมากอ่ะสติสําคัญมากๆเลยพระอาจารย์ขอบพระคุณนะคะที่ไปปฏิบัตินี่เพื่อไปทํำการบ้านเพราะเวลามาขึ้นสนามสอบนี่เวลาออกมาเจอคนนี่มันมืนขึ้นมันเข้าสนามสอบนะถ้าไม่ซ้อมไว้ก่อนมันจะมันจะนึกไม่ออกมันจะคิดว่าเป็นลูกเป็นสามีเป็นเป็นเพื่อนเป็นพ่อเป็นแม่อะไรไปหมดนเราก็เป็นอะไรนิดหน่อยก็โหเต็มเพลินตกใจกัน เศร้าโศเสีอสใจกันแต่ถ้าไปทําการบ้านไว้ซ่อมไว้ก่อนมาดูว่ามันก็เป็นแค่ดินน้ํามลมไฟเป็นแค่อาการสามสิบสองเกิดแก่เจ็บตายนแล้วว่าเวลาเห็นใครก็ให้เห็นสูตรนี้ไปเลยอย่างดินน้ํามลมไฟเกิดแก่เจ็บตายาการสามสิบสองตัวตนไม่มีเดี๋ยวก็ทําพัทธาจากกันไม่ไม่ไปต่อ เขาไม่ไปก่อนแล้วก็ไปก่อนหรือไปพร้อมกันก็มีสามทางือก <Okay. S 1> เอามาใช้ไม่ใช่เอาไปนั่งดูหลักตาดูแตพพพพพพ่พอมาขึ้นสนาเมเวทีไม่โชคเลยไหว้าก็โชคอย่างเดียวไห้สอนว่าเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่เป็นอะไรไปโชคกับสิไม่ใช่ไม่ใช่สามีดึ่มน้ำออกไปไม่ใช่ลูก อาการ 3.2 ไม่เที่ยมมัตายมต้องเจ็บไข้ได้ป่วยองมาใช้เวลาเจอกันหเวลาไม่เจอกันก็ซ้อมไห้ก่อนก็ได้ภาพสามมิตินึกถึภาพของรูปแล้วก็ซ้อมไปก่อนนี่คือเป้าหมายให้เราจะได้ตัดความผูกพันกับ บุคคลต่กกางๆที่เรายังมีความผูกพันอยู่แต่ไม่ในหมายควาไม่มีความเย่อหยินะยังมีความเย่อยิยังมีความดูแลเป็นอะไร ม, มีหน้าที่รับผิดชอบต่อกันก็ทําไปไม่ได้ไปกังวลห่วงอะไรแบบเข้าใจ่ต่ออาจารย์โอเคนะตอค่ะพระอาจารย์ขอบพระคุณมากค่ะเชิญคุณทวิสาต่อจากสวิตเซอร์แลนด์ทวิสา อยู่ที่ใหม่แล้วนี่ยโอเคแบบที่นี่ยนกนารนมัสการค่ะพระอาจารย์ข่าวพระอาจารย์มาฝึกสติกับสมาธิที่ใหม่ค่ะพระอาจารย์อยู่คนเดียวเลยค่ะก็ตั้งใจมาอยู่คนเดียวค่ะพระอาจารย์ก็มาฝึกสติก็ดีค่ะน่าจะดีก็อยู่กับคนอื่นนะอยู่กับหลายคนก็ข้าวพระอาจารย์ข้าวที่บ้านก็ เขาก็ไม่ได้รบกวนแต่บางทีเราเป็นที่ตัวเราเองคือบางทีเราก็ยังรู้สึกลาคาญอะไรเงี้ยแต่พออยู่มาตคนเดียวมันมันมันไม่มีความกังวลอะค่ะผ่าอาจารย์ไม่ต้องไม่ต้องว่าเอ๊ะมีใครจะมาเคาะประตูมีใครจะมาถามไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอรู้สึกดีค่ะอาจารย์อยู่ไกลจากบ้านอยู่ไกลจากบ้านค่ะขับรถมาประมาณสี่สิบนาทีค่ะผ่าอาจารย์อยู่บนเขาค่ะผ่าอาจารย์่อค่ะก็เป็น เป็นหมู่บ้านเงียบๆค่ะพระอาจารย์ก็เลยมาม า, มาอยู่ที่นี่ค่ะเช่าก็อยู่แล้วเรองไหนค่ะมาเช่าเป็นสตูดิโอค่ะพระอาจารย์ อ, อเป็นมีมีอะไรครบคัวแต่ว่าก็เริ่มเริ่ ม, มอดอดอาหารค่ะพระอาจารย์เมื่อวันเที่ยงวันจันทร์ที่ผ่านมาค่ะจนถึงวันนี้ อ, อ๋อได้หลายวันแล้วนะสาวันนะการนังคารพูดสองวันครึงงคร่งแต่ว <K S 1> ่าจะค่ะ เราดีไหมรู้สึกทำให้มีสติสตางดีขึ้นไหมก็สติดีขึ้นกว่าเดิมแต่ยังยั ง, ย, งยังไม่ดีเท่าไหร่ค่ะแต่ก็แต่ก็มีภาวะแบบอา่าแบบไม่หิ ว, วค่ะพระอาจารย์แต่รู้สึกอย่างอื่นมันมาแทนคือมันมันเป็นเหมือนเราอยากเฉยเฉยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ <c oughs> แต่ท้องมันไม่หิ ว, วค่ะแต่มันรู้สึกอยากค่ะพระอาจารย์มันมันมันเคยมันเคยเคยกินมันก็อยากขึ้นมา ค่ะพระอาจารย์ก็ก็ระงับตรงนี้ตรงนี้ไปค่ะแต่ก็มีดื่มน้ําปลาน้ําไม่ได้น้ําเปล่าอย่างเดียวค่ะพระอาจารย์ก็มีผสมน้ําผึ้งน้ําผสมน้ําผึ้งมันช่วยแก้ความหนาวได้ด้วยข้าม่วงนอนได้ม่วงหนาเหานอนได้ไค่ะพระอาจารยา์ปฏิบัติไปเจริญสติให้มากสลับกับการนั่งสมาธิไป แล้วเราพิจารณาออกจากสมาธิจะพิจารณาตายรักเกีย่ยวกับทางร่างกายก็ได้หรือจะเจริญสติต่อก็ได้ถ้าราที่าสติอย่างน้อยอยู่ก็เจริญสติไปคอยพวบคุมความคิดอยตามที่ถเราที่ว่าเราอยากจะฝึกเจริญปัญญามากก็ได้พิจารณาร่างกายของทุกคนเมืาไม่เที่ยงกิดแย้เจ็บตายไม่สวยงามมีอาการต่างๆซ่อนอยู่ภายใต้ผิวหนังเนี่ย หรือเวลาบวชนองหายใจถ้าที่น้อยก็จะกลายเป็นศอกที่แนวแอ่เราเนี่ยพิจนาไม่มีตัวตนันดินทำมาจากดินน้ำลงไฟกลับเพืน่สชนดินน้ำลงไฟพระอาจารย์ได้ปร่งได้ค่ะก็เหลืออีกพุทธอหธสุขสาวที่อีกสี่วันค่ะพระอาจารย์เช้าข้อที่หนึนห่งอะ ค่ะอาทิตย์หนึ่งเลยค่ะป้าจารย์ก็เหลืออีกสี่วันออกวันอาทิตย์ค่ะป้าจาย์ค่ะก<ต>็จะพยายามเหลือวันวันที่เหลือจะพยายามทําให้ให้ได้ได้ไดีได้มากขึ้นนะคะป้าจาันพวกที่อยู่ข้างๆเขาเขาไม่มาครอบกรัวเราอือก็จะมีช่วงที่ช่วงที่เขากลับมาค่ะป้าจาย์คือ คือตรงนี้มันเป็นอพาร์ตเมนต์แล้วที่นี้มันมีอเด็กเด็กที่เป็นนักกีฬาที่เขามาซ้อมส ก, กีอะคะ่ะพระอาจารย์อพอเขากลับมาตอนเย็นเขาก็จะมีคุยกันเสียงดังบ้างพอหลังสี่ทุ่มเขาก็เงียบเราก็เราก็นอนสี่เราก็นอนสี่ทุ่มตื่นมาตอนเดึกๆแล้วพอตอนเช้าก็เสียงดังนิดหน่อยแล้วเขาก็ไปเขาก็ไปฝึกศึกฝึกกีฬากันใหม่อะคะ่ะพระอาจารย์แต่ก็โอเคไม่มีปัญหาะคะ่ะพระอาจารย์กันวันเงียบดีคะ่ะค่ะ โอเคก็ต้องพยายามเพียรพยายามไปเรื่อยๆนะความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที้นั่นคนความทุกข์ย่อยได้ด้วยความเพียรค่ะสาธุครับอาจารย์พยายามจําคํานี้ของค่ะจําคํานี้ของพ่อจันมากๆเลยครับความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นก็เลยอืมเราต้องล้มแล้วก็ลุกล้มแล้วก็ลุกใหม่คๆชั่วไปเรื่อยๆชั่วไม่ถอยลงตามลาบกขันว่า ขอาวก็จันแต่ใจเย็นๆกูโมไม่ได้สร้างภายในวันเดียวค่ะ ว, ว่าใจก็เหมือนบางครั้งก็เลยคิดว่าเออบางทีเรากว่าจะกว่าจะนิ่งกว่าจะได้แต่ละครั้งนี้พูดเราลำบากจังเลยพรญญะเจ้าก็ยังก้อหกปีนะแต่ท่านเป็นเไม่มีใครสอนถ้ามีคนสอนคงเร็วกว่านี้มาก เราจะมีใครถอยเรต้องค้นคว้าหาทางด้วยตัวเองค่ะจ้ะพเราถือว่าโชคดีทีคนพบทางแล้วมาบอกทางเราทีนจะเดินไปเท่านั้นเองไม่ต้องไปค้นหาทางให้เสียเวลาอาศัยกำลังตัวเองคำว่าจย์ต้องมีกำลังใช่ไหมคะตาหินตะโนนาเถจำไหมค่ะที่เพ่อนของตนค่ะัาจโอเคแล้วไม่มีคำถามใช่ไหม ค่ะไม่มีค่ะพระอาจารย์ฝึก <Okay. S 2> ต่อไปค่ะไปที่ท่านต่อไปคุณวิรายพรขอบพระคุณค่ะวิะรายพรอยู่ที่ไหนอยู่กรุงเทพค่ะพื้นมืองทนสายสองค่ะพระอาจารย์อยู่ ใ, ใกล้สวนแสงธรรมนะ <c oughs> ใกล้สวนแสงธรรมค่ะไปบ่อยค่ะแต่ตอนนี้สวนแสงธรรมปิดค่ะพระอาจารย์ค่ะวันนี้ม ไ, มไม่มีอะไรค่ะมากรับพระอาจารย์ค่ะกับพระอาจารย์ค่ะ เั่นคุณทัศนดาต่อจากสัตว์ดีชมบุรี ก, การนรัสกาค่ะไม่ไม่มีคําถามค่ะพระอาจารย์โอเคไปที่คุณอ้อมต่ อ, อค่ะคุณน้อมจากหม่องชมบเรีเหมือนกันนรัส ก, การค่ะคระอาจารย์ไม่ ม, นะไ ม, มีไม่มีคําถามค่ะแต่อยากจะสอบถามว่าถ้าอยากไปปิดวิเวกบนเขานี้ต้องทอํายังไงค่ะ ธรรมดาติดต่อคุณหลาเลยคุณตอนนี้คุณจุ๊บอยู่มันลองติดต่อคุณชุบก็ได้เลียวให้คุณจุบส่งส่งแชทไปให้เปิดแชทได้ยค่ะนะขอบคุณมากคนที่หมอภัฒนาบ้าก็ได้นะแต่ถ่สะดวกเนี่ยหนําไดนะ้โอเคลองดูจะไปลองดูนะจะไปลองดูซนะักสามค่ะ ทดสอบสมาธิแล้วก็ความกลัวหรือว่าสติจะสู้กับความกลัวได้นะนแล้วกลัวแล้วก็พุทโธพุทโธพุทโธเลยมันก็เลยทําให้จิตมีสติมีสงบขึ้นมาได้ถ้าไม่มีที่ไม่มีความกลัวมันก็ไม่มีอะไรมาบังคับให้พุทโธพุทโธจะพุทโธเจอความกลัวก็ต้องพุทโธพุทโธไปนึส่สวดลงไปเดี๋ยวเดียวจิตก็ให้สงบความกลัวก็หายไป พอจิดสงบแล้วความกลัวอายไปแล้วมารู้ว่าความกลัวมันเกิดจากเราเองมันไม่ได้เกิดจากสิ่งนั้นสิ่งนี้ใจแล้วสง่งส่งไปคิดเองแล้วก็กลัวขึ้นมาค่ ะ, ล, ะลองดูนะไปได้ดีดีค่ะขอบพระคุณค่ะคุณอร๋วกันดอกวันอยากกป็นเทพใช่ไหมคุณอิว๋อวาจากกระทรวงพาณิชย์ใช่ไหมใช่ค่ะจากกระทรวงพาณิชย์ค่ะพระอาจารย์ มีคำถามอะไรมที่อยากจะถามหรือเปลอ๋อในในในส่วนของข้อธรรมวันนี้อยู่ยังไม่มีค่ะพระอาจารย์งั้นก็ฟังไปก่อนแล้วกันนะค่ะส่วนเรื่องอืน่นเราจะติดต่อไปภายหลังนะค่ะพระอาจารย์ขอบพระคุณค่ะคไปที่คุณสุภาพรณ์จากกรุงเทพนายคุณสุภาพรณ์กลับนามาสการค่ะ วันนี้ไม่มีมคําถามค่ะไม่าีคำถามนะแล้วเมื่มอไรจะขึ้นเขาล่ะคือตอนนี้ไม่ว่างเลยค่ะพระ อ, อาจารย์พอดีว่าเด็กๆ เ, เขาต้องเรียนหนังสือที่บ้านนะคะอะแล้วช่วงกลางวันหนูก็ต้องประกบเด็กประกบลูกสองคนสอนหนังสื อ, อเขาอย่างเงี้ยค่ะอาจจะนั่งรอให้โรงเรียนเปิดเทอมก่อนให้ไปเที่ยวเล่นนอนใช่ค่ะค่ ะ, ะแต่ก็ก็อ๋อ ก็ใช้จังหวะนี้ค่ ะ, ะเวลาที่อยู่กับลูกแล้วเหมือนอจิตมีอารมณ์ต่างๆก็จะใช้ก็จะก็พิออจาาใช่ค่ะค่ ะ, คะสาหรับหนูนะคะคือการที่อยู่กับลูกเนี่ยมันจะเห็นอารมณ์เยอะค่ะหนูก็รู้สึกว่าเออมันมีมันก็เป็นบททดสอบที่ดีอะค่ ะ, คะก็ใช้ตรงนี้เป็นจุดทดสอบแล้วถ้าเกิดว่า เด็กเปิดเทอมอะไรแล้วมีเวลาก็จะจะพยายามไปปฏิบัติค่ะไปเติมพล<อ>ังไปเติมพลั ง, เ ต, งตเติมสติในสมาธิาปัญญาค่ะแล้วอ่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาอครั้งที่แล้พระอาจารย์บอกว่าให้ไปเจริญสติแล้วก็เพื่อที่จะเข้าสมาธิให้ได้อ่าที่ที่ผ่านมาก็ก็ทําก็พยายามพยายามทํำนะคะ่ะแล้วก็เอก็เข้าสมาธิได้หลายครั้งอยู่คะ่ะแล้วก็ ก็สังเกตว่าออารมณ์อารมณ์อารมณ์ที่มันสงบสงบมันก็กลับมาแล้วอ่ะค่ะแต่ก่อนหน้านี้ค่ะที่เคยมีไว้เยอะๆแล้วมันหายไปเราเราแทบไม่รู้สึกตัวเลยค่ะพระอาจารย์บางทีเราไปยุ่งกับกับเรื่องราวใช่ไหมแต่เราแต่แล้วเราก็ค่ะแล้วความเย็นหรือความสงบนี้มันหายไปแล้วแต่เราไม่รู้ตัวค่ะ ม า, มารู้ตัวอีกทีหนึง่งเออเราไปยึดไปจับไปยึดไปจับจนเออมันนอนไปหมันมนอนใช่ค่ะ<ม>ค่ะแล้วพอพระอาจารย์เตือนเขาที่แล้วก็เฮ้ยเราไม่มีไปแล้วสักพักหนึ่งอ่ะค่ะพอมาพอมาเจริญใหม่แล้วเข้าสมาธิใหม่ได้ความเย็นใหม่ถึงได้ไดรู้ว่าอ๋อเราหายไปไปนานแล้วอะครับก็ไปได้ก็เตืนเช่าอย่งน้องบางคนกลับก็บไม่ได้ยิ่งเคลียดใหญ่คอยเข้าได้พอมาเข้าไม่ได้นี่เครียด คือหลังๆเนี่ยเวลาหนูเข้าสมาธิส่วนหนึ่งคือเกิดจากการที่หนูฟังธรรมพัฟังฟังที่พ่ออาจารย์เทศอะคะ่ะเหมือนเสียงของพ่ออาจารย์เน่ยมันทําให้เราเข้าไปแบบว่าเข้า ง, ง่ายอ่ะฟังแล้วก็เข้าไปได้อย่างเงี้ยค่ะได้การฟังธรรมก็ทําให้ใจสงบได้เหมือนกันค่ะ <Okay. S 2> แล้วก็เออ่คราวที่แล้วที่พ่ออาจารย์ไม่ไม่ทราบคุยกับท่านไหนคะ่ะจําชื่อไม่ค่อยได้นะคะเมันก็ทําให้เราพอ พอเข้าใจได้บ้างอะค่ะคือเหมือนประมาณว่าเอมันต้องไปมันต้องไปคู่กันนะค่ะเอ่อสมถะกับวิปัสสนามันมันต้องไปเสริมเสริมกันอย่างเงี้ยอมันต้องสลับกันมัเริ่มต้นมันเริต้อาสร้างที่ละตัวสร้างสติเพื่อให้ได้สมาธิเมื่อได้สมาธิแล้วก็ไปทําวิปัสสนาหรือปัญญา เราไปทางในปัชนาปัญญาก็ต้องกลับเข้ามาทขาจิตในสมาธิให้มีกําลังสลับกันครับแต่บางทีมันไปไปไปแล้วแล้วก็ลืมแล้วก็ไม่รู้ตัวด้วยค่ะไปะฟุ้ไปเลยถ้าไปทางปัญญาโดยไม่กลับเข้าสมาธิมันก็ฟุง้งค่ะแล้วมันก็ไม่มีกําลังที่จะสู้กับทิเล่ได้ครับล้วต้องแวะต้องต้องพักจิตกลับมาแต่สมาธิค่ะ เกำลังที่สมาธิเหมือนที่ที่พักผ่อนหลับนอนเวลาเดินเดินปัญญาเหมือนเป็นที่ทำงานทํางานแล้วเหนื่อยก็ต้องกลับมาบ้านพักผ่อนหลับนอนพักผ่อนหลับนอนในกำลังแล้วก็ออกไปทํางานต่อไปหากิเลสไปฆ่ากิเลสต่างๆคืออย่างอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี้ค่ะพอพอเราเริ่มกลับมาเย็นใหม่มันก็เห็นอารมณ์บางตัวแล้วก็อ่ ก็สามารถแบบพิจารณาได้ก็รู้สึกดีค่ะ ม, มันก็มีเยอะอยู่เหมือนกันนะคะผ้าจาน <c oughs> พลเรศมันมีเยอะอยู่อย่าไปคิดว่าหดลดนะได้ค่ะมันไม่มันมีหลายตัวมากเลยค่ะเอออันนี้มันก็ทําให้เรามีอารมณ์ขุนมัวได้ตัวนี้ก็มีทําให้เราอารมณ์ขุนมัวได้พอบางทีในวินาทีนั้นนะคะเราจะเราจะเราจะยังไม่ทันนะคะผ้าจารย์พอผ่านมาสักพักหนึ่งปุ๊บหันไปดูอา้าว มันมีอารมณ์นะเราเราก็จับมาคิดพิจารณาค่ะก็ก็ได้ค่ะคือบางทีถ้าเกิดเราผ่านไปเลยเราก็ไม่รู้นะคะว่าเมื่อกี้ข้างหลังที่เราผ่านมาเรามีอารมณ์นี้ิดหน่อยๆแต่เราไม่รู้ตัวพอพอทันก็ออคิดไปคิดไปค่ะก็ดีใจคะ่ะพระอาจารย์แรกๆหนูก็มันก็งงเหมือนกันนะหนูว่าการปฏิบัติธรรมมันก็งงๆนะคะพระอาจารย์ มันต้องใช้ใช้ประสบการณ์สอนตัวเองไปเองตัวมันมีความยากเหมือนกันนะแล้วมันก็งงมาทีทําำไปเอ้มันใช่ไหมมันใช่ไหมมันเหมือนดูตัวความทุกข์เป็นตัววัดถ้ามันทุกข์แสดงว่ายังยังไม่ใช่ถ้าไม่มีทุกข์ไม่มีทุกข์กับเสียงนั้นไม่มีทุกข์กับสิยงนี้ก็แสดงว่าปล่อยได้แต่หนูรู้สึกว่าหนูมีเยอะนะคะบางทีเดินเอ้าวมีตัวนี้ถ้าพักหนึ่งอ้าวมีตัวนี้อ ดีจะได้รู้ว่าเรายังต้องทำงานต่อไปต้องหาวิธีกาจัดมันได้ด้วยนะทันทีนะมีเท่านี้ค่ะอาจารย์กขอบคุณพ่อคุณมากครับยศคุณสอนดวงสอนดวงจากสวรรณเกษนมัดการอาจารย์มีอะไรไหมมีคําถามไหมอ๋อไม่มีค่ะเขามาร่วมฟังมค่ะอาจารย์ ยังปฏิบัติอยู่นะค่ะ<อ>ยินไปที่คุณยินดีต่อจากซ่อมแคราลรนะ์ไลนหน้าสวัสดีค่ะท่านอาจารย์เข้ามากราบแล้วก็เดวิดกราบกาบท่านอาจารย์ด้วยค่ะเยือนค่ะ อ, อาจารย์นี่น้องชายก็มาสายบ่ายตามปกติเขาค่ะก็หนูก็ดีใจอะค่ะท่านอาจารย์ต้ หนูถึงบอกว่าหนูโชคดีมากค่ะครอบครัวหนูโชคดีมากค่ะที่มีท่านอาจารย์เป็นลมโผ ร, โร่ลมตายให้มาตลอดอะค่ะท่านอาจารย์ไม่<อ><น>ต้องไม่้องกังวครับตขากัาวนวลกับเรื่องของเรามากก่านะคือหนูอาจของเราให้สค่ ะ, คะก็ได้ท่านอาจารย์นะคะที่ไม่ตาตลอดนะคะท่านอาจารย์<น>ก็ได้เท่าไหนเท่านั้นนะคะก็<น>เหมือนท่านอาจารย์บอกอะค่ะว่า ก็พยายามเจริญก็ทุกวันนี้ก็ได้คําสอนจากท่านอาจารย์มาค่ะถึงได้คงอยู่ทุกวันนี้ยค่ะก็เลยไม่ทุกข์ค่ะก็เรื่องรู้ก็ที่อาจารย์สอนนะคะให้เอาใจรักแล้วก็เอาอริยสัจ ส, สี่เข้ามามค่ะน่ะเป็นเหตุรับปัญญาใจรักกับอริยสัจ ส, สี่ค่ะทุกวันนี้ใช้หลักตามที่ท่านอาจารย์เคยสอนนะคะก็ เริ่มต้นมาก็ที่อาจารย์ที่ทุกทุกมาแล้วก็เอาคำพูดของท่านอาจารย์นะคะเข้ามาปฏิบัติก็ได้ผลนะคะใช่ได้กับทุกข์ทั้งันใช่ได้กับทุกคนทุกพวกทุกสัตว์ทุกบุคคลเป็นอยาเป็นตายรักเป็นทุกท่ทั้ายันให้เขาเป็นนั่นเป็นยังยิ่งมาเจอเคสของแม่ก็เลยแบบพอแม่เสียไปก็เลย ตาสว่างเลยอะค่ะท่านอาจารย์<ม>คือตอนที่แม่อยู่ก็ยังคือจะแบบวุ่นวายกับวุ่นวายกับท่านนึงแล้วก็จะหมกมุ่นกับท่านพอเราหมดท่านไปก็เลยแบบสว่างหมดเลย<ม>ท่านอาจารย์<ม>ก็กว่าจะสว่างก็หนักเหมือนกันนะคะท่านอาจารย์<ม>กระตุ้นไปพอสมควรหนักค่ะท่านอาจารย์ก็ตอนนี้ก็สว่าง ขึ้นเยอะค่ะตอนนี้ก็นน เ, เหลือสองกองตัวเวรากองนึงสามีเรากองหนึ่งน้องชายกอง ก, ออก็เหมือนกันก็เหมือนกับแม่เหมือนกันเพิ่งตายแล้วเหมือนกันสามีเขาก็สบายสบายค่ะท่านอาจารย์เพราะว่าเขาเป็นคนที่แบบเขาเขาหนุมหนู่ก็ไม่เข้าใจอะ่ะท่นอาจารย์ หรือเขามีของเขามาหนูก็ไม่หนูก็ไม่ทราบเหมือนที่ท่านอาจารย์บอกว่าเขามีของเขามาเขาไม่ได้แบบเขาไม่ได้มาทางนี้แต่เขาเขาหนูหนูหนูไม่เข้าใจเขาเหมือนกันท่านอาจารย์ะจิตเขาจะมีสติมีสมาธิในตัวเขาอยใ น, นระดับหนึ่งําให้เขาไม่วุ่นวายไม่เกร็งไม่ทุกข์กับอะไรสามารถดําเนินชีวิตของว่าเป็นปฏิปัได้เหมือนที่ผ่านมาที่ที่ที่ที่ แต่งงานมาเขาก็หนูก็ไม่เคยทุกข์กับอะไรกับเขานะคะท่านอาจารย์แล้วท่านก็แล้วเขาก็หนูการที่เราการที่ในในแนวดีตชาติอะคะ่ะท่านอาจารย์อย่างสมมุติคนไทยใช่ไหมคะคนไทยก็ส่วนใหญ่ก็าศาสนาพุทธแล้วคนฝรั่งเนี่ยปกติเนี่ยเขาไม่ได้ม า, าศาสนาพุทธแต่เดวิดบอกว่าเขาเขาไม่มีาศาสนาแต่เพราะว่าเขาไม่เคยไปโบสถ เขาก็เลยไม่กล้าพูดว่าเขามีศาสนาเขาก็แล้วเขาก็ไม่เคยปฏิบัติทางคริสเขาก็ไม่ทราบว่าเขาก็ไม่กล้าพูดว่าเขามีเขาเขาาเค้าเามีศาสนาเขาได้แต่บอกว่าเขาเขาไม่มีศาสนาแต่คือ ค, คือเขาเขาไม่เคยเขาแบบเขาบอกว่าเขาเหมือนกับว่าเขาไม่เคยทำความทุกข์ให้ใครแล้วก็ก็อยู่ด้วยของเขาอะค่ะนุ๊ก เขาขบุญของเขาอะค่ะก็ก็เหมือนอย่างที่ที่หนูเคยบอกท่านอาจารย์ว่าเวลาไปวัดเวลาแม่ไปวัดเขาก็ไปแล้วเขาก็ไม่เคยมาขัดหนูว่าหนูอยากจะไปหนูอยากจะไปทําบุญแต่หนูก็กลัวเพราะเป็นพักร้อนเขากลัวกลัวเขาแบบกลัวเขาวายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาเขาก็ไปเขาก็ไม่เคยขัดแล้วที่ผ่านมาเขาก็ไม่เคยขัดเดี่ดงว่าเป็นบุญของเราได้คู่บุญไูม่ได้คู่กรรม นี่คือเขามีเขามีสติของเขามาเขาเขาเขาเขาเขาเขามีของเขามาหรือเปล่าคะเขาเคยไปเขามาสมัยผ่านเขาก็มีความสงบอยู่ในระดับหนึ่งทําให้เขาไม่ต้องไปสร้างความเดือดร้อนกับผู้เาอยู่กับตัวเขาเองได้มีความสงบตามสภาพที่เขาอยู่ได้ก็ดีโอเคนะ ค่ะ ข, ขอบคุณนะมากาค่ะท่านอาจารย์ขอบคุณอย่างสูงค่ะท่าอาจารย์โอเคอที่คุณกอนวรากอนวราอยู่ที่ไหนอ๋อในมัสการเจ้าค่ะท่านอาจารย์เ อ, อ่ออยู่จังหวัดแพร่เจ้าค่ะแต่เ อ, อ่อมาเป็นอาสาสมัครเป็นหมอนที่โรงพยาบาลสนามมุสลัคคำเจ้ า, าค่ะที่ไหนอยู่ที่ไหนมุสลัคคำ อ, อ๋ออยู่กรุงเทพเจ้าค่ะตอนนี้ อ, อยู่กรุงเทพเจ้าค่ะ เข้ามาฟังเจ้าค่ะท่านอาจารย์ก็ามากราบท่านอาจารย์เจ้าค่ะว oh. ันที่สิบเอ็ดไปวัดพอดีฟังจากท่านอาจารย์ว่าถ้าอยากได้สติกเกอร์เจิมรถให้ไปเอาเพราะวันที่สิบเอ็ดไปเอาก็ก็ปิดมันหมดไปัานแล้วอ๋อเ oh, จ้าค่ะที่ปากพอนดียมันเป็นของเป็นเทปอาจไม่ของเก่า oh, ตอนนี้ไม่ได้ไม่ได้ับสติกเกอร์อะไรพวกนี้อ๋อเจ้าค่ะเข้ามาฟังเจ้าค่ะท่านอาจารย์ มีคำถามอะไรนะไม่มีเจ้าค่ะงั้นก็ไปที่อาจารย์สายทิพย์ต่ออยู่คอนแกนหรือสารครามเลยกับนวัตกรรพระอาจารย์ค่ะอยู่กันแกนค่ะมีอะไรไหมวันนี้จะถามพระอาจารย์ค่ะว่า อาการก่อนจิตรวมนี่มันมีได้หลายๆแบบใช่ไหมคะอาจ า, ารย์ขึ้นอยู่กับสติออขอ ง, งเราของเรามีผีเข้าผีออมก็มีอ๋อค่ะคือปกติมันจะมีถ้าสมาธิไอ้ถ้าสติไม่ดีมันจะวูดแรงๆค่ะแล้วมีบางช่วงถ้าสติดีก็จะปเป็นสมูทมีครั้งล่าสุดนี้มาแบบใหม่ค่ะอาจารย์มันเป็นเหมือนเสียงเงินหล่นใส่ใส่ขันค่ะ แล้วจิตก็รวมค่ะแล้วก็มันก็เลยทำให้สติเราสมาธิเราเลยถอยออกมาค่ะคือมันรวมหลังตักได้ยินเสียงแป๊บหนึ่งแล้วจิตมันก็ไปคิดถึงเสียงก็เลยโอ้แค้มันอีกแล้วกำหนดรูเฉยเไปใช่ค่ะมันแบบเดี๋ยว เปลี่ยนใหม่มาเรื่อยๆให้เราเหมือนแบบเอ้าอะไรเนี่ยอะไรเงี้ยค่ะก็หลุดอีกแล้วค่ะพระอาจารย์เวลาทําไปเรื่อยๆมาถึงจุดนี้ก็ถือว่ามาไกลแล้วจิตอจิตเข้าสมาธิได้ถึงแม้จะเข้าได้เดี๋ยวเดียวก็เองดีกว่าไม่ไม่ได้เข้าเลยอืมอันนี้ก็คือเป็นจะเข้าไปอับปนาสมาธิใช่ไหมคะพระอาจารย์ช่วงนี้คงจะเป็นแบบคณิกะมากกว่าอืมอ๋อคณิกะก่อนจะไป เขามาได้อยู่ได้เดี๋ยวเดียวก็ออกมาถ้าข้าปนามันจะอยู่ได้นานสิบนาทียีสิบนาทีอืมยังยังน่าจะยังไม่เคยเข้าถึงถึงอัปปนาสิบนาทีมั้งคะอาจารย์ไม่แน่ใจหรือว่าถ้าเราอยู่ในจุดที่มันเหมือนสว่างแต่เหมือนเราเราอยู่เฉพาะร่างกายของเราแล้วสว่างรอบตัวนานๆแบบนี้ถือว่าเป็นอัปปนาไหมคะพระอาจารย์แล้วรู้สึกมีความสุขแบบที่ไม่เคยแบบนี้มาก่อนแต่ว่าเป็นนาน<อ>แล้วคะ่ะ ก็อยากไปยึดกับคบาําอ่านาาอะไรแบบนั้นมันสงบมันสบายมันสว่างมันสว่างก็ได้ไม่สว่างก็ได้ขอให้มันสงบให้มันนิ่งให้มันสบายนิวเบคาแม่นักฉังโกหลงทุกสามวันตัวนี้อืมก็คือขอให้ให้นิ่งสงบอยู่ตรงนั้นถ้าถ้าถ้าเป็นอารมณ์ที่รู้สึกสุขสบายนี่ก็คือถือว่าดีใช่ไหมคะก็ส่วนหนึ่งก็ดีแล้วแต่ถ้าได้อิเบคาได้ยิ่งดีเลย เฉยกับอารมต่างๆไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงปรากดขึ้นมาก็รู้ไปเฉยๆไมีอะไรน่าหวาดกลัวหวาดเสียวหวาดเฉยค่ะแล้วอีกวันหนึ่งนักสมาธิเรากับเหมือนตัวแข็ง <c oughs> ค่ะใครคิดว่าเราเป็นเพเกรงหรือว่าไม่ดีหรือไม่ดีครับอาจารย์คือมันก็นิ่งนะคะแต่่มันเริ่มแข็งมาจ้ะออไม่ต้องไปสนใจมันเป็นรของร่างกายบางทีก็ชาบางทีก็แข็ง ค่ะมันแข็งขึ้นมาเรื่อยๆเวลาเราภาวนาเนี่ยไม่ต้องไปสนใจใเรื่องร่างกายปล่อยวางมันให้มาคอยควบคุมใจที่คอยไปยุ่งกับร่างกายอย่าให้มันไปยุ่งนั้นมาอยู่กับอารมณ์ที่เราใช้ภาวนานค่ะแล้วก็วันนี้มีค่ะพระอาจารย์สิ่งที่สงสัยอีกนหนึ่งคืออ่าสงสัยเรื่องของอารมประชานค่ะว่า เท่าที่ฟังหรือว่าอ่านมาเนี่ยบอกว่าเราไปถึงแค่ฌานสี่ก็ดีแล้วไม่ต้องไปถึงอรูปฌานหมายถึงว่าถ้านั่งสมาธิอันนี้อันนี้ถามเป็นความรู้นะคะอาจารย์แล้วอรูปฌานมีประโยชน์อะไรบ้างนะคะอาจารย์ทำไมบางคน<อ>ถึงตึดไปมันเป็นผลจากการวิสติที่เข้มข้นมากขึ้นสามารถทำให้จิตสงบได้มากกว่ารูปฌาน สามารถสัมผัสกับความสุขที่ละเอียดกว่าได้แค่นี้นเองราจะทําให้มีพลัง อ, าอง่าที่จะมามตัดก<ม>ิเลสอันนี้ไหมคะก็ไม่มีมากไปกว่าอุเบกขาที่ได้จากลูก ป, ประชานก็สามารถที่จะมาใช้ในการหยุดกิเลส ต, ตัดหาความอยากต่างๆได้นะลูก ป, ประชานี่เป็นเรื่องของวาสนาเรื่องเรื่องของความถนัด ของของคนผู้ปฏิบัติ บ, บางคนที่เขมีพลังของสติสูงก็าสามารถเลยจากชาดสีกาไปสู่รู ป, ปรชาญได้แต่ไม่ดูควาจะเป็นที่จะต้องเอามาใช้กับการเจริญปัญญาอพวกะนั้นก็จะเป็นไปเองใช่ไหมคะอาจารย์หรือว่าถ้าถ้าถ้ามันถ้ามันมีมันมีพลัง ม, มีสติมันก็จะไปเอนได้ ถ้าไม่ไมีก็ไม่ต้องไปยายากไม่ไม่ต้องให้เสียเวลาค่ะอันอันนี้อันนี้อยากจะทราบเฉยๆว่าเอ๊ะเราทําไมต้องไปรูปฌานด้วยถ้าถ้ามันไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นอะไรเงี้ยถ้อบางคนมีสติดีเขาสามารถที่จะเข้าไปลึกกว่ารูปฌานได้เขาก็นั่งต่อแล้วก็ทำจิตให้ให้นิ่งสงบให้ให้ละเอียดกว่ารูปฌานค่ะ ถามถามเพียงเท่านี้นาาาค่ะพระอาจารย์เพราะว่าอยากดูอัปณายังยังรอดแล่อยู่เลยค่ะพระอาจารย์ไม่มีใครห้ามเอาไปท<อ>ากันดกได้กันได้แปลว่าสแสดงว่าถ้าถ้าอารุปรชาญคือเขาต้องตั้งใจอย่างเช่นอาการสารนั้นจะอะไรเงี้ยก็คือต้องตั้งใจว่าจะเพ่งตรงความว่างอากาศอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะหมายถึงว่าเขาต้องตั้งใจคือมันจะมันจะเห็นจิตร่อยอยู่ในสภาพนั้น หรือว่ามันเป็นไปเองหรือว่าต้องตั้งใจค่ะพระอาจารย์ก็เวลามันใช้มันมันใช้สตินะมันก็จะเริ่มเห็นโนจิตเวลามันสงบไปมันจะเป็นอาการอย่างที่พูดมาเนี้ยอืมอ่าไม่ได้เป็นนึกแต่มันแต่ให้มีสติอยู่มันจะเป็นไปของมันเองใช่ไหมคะแล้วมันก็จะละเอียดเป็นเหมือนเป็นอวการเป็นเหมือน แล้วเราก็อยู่กับตรงนั้น<ม>ก็จะรู้ว่าเป็นแบบอวาการไม่ใช่ไหมคะ <c oughs> อ๋อไม่ใช่ว่าฉันอยากจะดูแบบนี้นะอะไรเงี้ยไม่ใช่ใช่ไหมคะ <c oughs> ไม่ใช่แล้วไม่ใช่มานั่งนึกนึกว่านั่งตั้งใจอ ต, ตอนนั้น <c oughs> ใช้จะติด ค, <c oughs> คอยควบคุมจิตให้มันให้มันนิ่งไม่ให้มันมีการเคลื่อนไหวบบต่างๆอืมค่ะค่ะเข้าใจแล้วค่ะพรับใช่ไม่ไม่ไม่จําเป็นที่จะต้องไปถึงขั้นนั้น ขอให้ได้ได้อุเบกขาจากชานรูปฌานก็สามารถเอามาใช้ในการเจริปัญญาได้ในการต่อสู้กับติเหล็กธนาได้ค่ะโอเคนะค่ะขอบพระคุณค่ะคุณแดนญาณุยนสารน้นนนนนนนมประการค่ะวันนี้ไม่มีคำถามค่ะไม่มีโอเค คุณไปที่เป็นระวิทจากด a l l a s t e ท็ s ซหมเลยขึ้นวิทเป็นยังไงไปสองกล้องมาแล้วเหรอครับเรียบร้อยครับก็กลับบรรณ้ ก, การพออาาร่อจย์ได้ได้ยินไหมครับได้ยินชัดเจนเชินกบก็เขาเจอเขาเจอห้าจุดครับพออาจาย์ก็เขาก็จี้ออกไปอ่าก็ดีดูไว้ความรูงหน้ามันก็จะ ไ, ได้การไหมได้ถ้าปล่อยล้วมนะันอาจะมันจ ะ, จ ะ, จ, ะจะเริ่มเติบโตขึ้นมาก็ได้ กรับคับหมอหมอเขาก็โทรมาเช็คสามสี่ครั้งว่าสบายดีไหมแล้วก็เขากลัวมูฟเมนต์จะไม่มีปัญหาก็มีปัญหาแล้วก็บอกไม่มีอะไรทั้งสิ้นครับก็กลับมาคืนนั้นก็ทําได้ทุกอย่างที่ร่างกายทําครับแล้วเขาเาตัวนั้นไปตรวจ ด, ดูว่าเป็นมะเร็งหรือเปล่าใช่ไหมเขาบอกเขาเขาเขาตรวจ ด, ดูครับก็ไม่มีอะไรมากเขาบอกว่าไมีสามจุดที่ว่าอาจจะเป็นแคนเซอร์ได้ในอนาคตครับ ไปเขาก็จี้ไว้แล้วก็เขาก็บอกว่าให้กลับไปตรวจอีกภายในสามปีเขามีวิธีป้องกันไหมไม่ก็คุยกับหมอสามครั้งแล้วครับก็เขาก็ไม่มีอะไรบอกว่าจริงแต่ว่าตอนนี้มันไม่มีอะไรเแค่ว่าเขาเจอสามจุดแล้วก็ให้กลับไปเช็คอีกสามปีแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรมากายกับานี้ครับคือก็ไม่รู้ว่ามันมาได้อย่างไรครับครับมันไม่ล้วนมาได้อาจจะเป็นกรรมพันธุ์ก็ได้มัครับ อขอบ<ต> <ขอ S 1> คุณอาจารย์รแล้วก็ตอนนี้ก็ฝึกฝึกปฏิบัติธรรมแบบว่าสวดมนต์ไหว้พระทำสมาธิเสร็จแล้วว่าก่อนนอนก็มานึกนึกการปฏิบัติธรรมแบบว่าดูายรักนะครับคือนึกนึกไปที่ใมันก็มันมันก็ไปลงอยู่ที่จุดว่าไม่น่าจะมาเกิดอีกนะฮะมันก็ดูดูอะไรไปหรือว่าดูแก้ปัญหาอะไรไปมันก็ไป ไปลงยุดจุดเดียวครับทั้งมันมั่นไม่เป็นจุดอื่นเลยครับมันก็เป็นเป็นเป็นจุดที่ที่จะแก้ปัญหาได้อย่างว่าข้ามก็การไม่มาเกิดมันมันมันมันไปอย่างงั้นก็ก็อยู่ที่ว่าเราหิวหิวเพราะอะไรมันก็เกิดมาเพราะอะไรมันมันไม่ว่าจะปัญหาอะไรมันมันก็ไปลงอยู่จุดเดียวนะมันไม่ควรมาเกิดใช่พอเกิดแล้วมันก็ทระทบมันไม่มีจุดอื่นนะครับมพ่อที่เราจะแก้ไขอะไรด ไม่มีแหละก็จุดเนี่ยจุดคือความอยากสารประการเนี่ยเป็นตัวเหตุที่พาให้เรามาเกิดกันการณ์มรรตนาภวตัฒนาวิภาวัฒนาถ้าเรากําจัดซ้ำซ้ำตัวนี้ได้การเกิดก็จะไม่มีต่อไปเมื่อไม่มีการเกิดการแก่การเจ็บการตายก็จะไม่มี จะทุกปัญหาที่มีมาพระนึกไปเรื่อยๆมันก็เป็นแบบนี้ทุกทีมันไม่เคยมีอะไรอื่นที่มามันจะมาบอกเอ้เราเราหาต้นปัญหาเราเราหาปัญหาเราหาจุดเกิดปัญหาเพราะมันมันมาสุดท้ายมันก็บาดอยู่อันเดียวหมดทุกทีมันนึกไม้ว่าผมทําถูกหรือผิดเรือนั้นเนี่ยก็ก็ถูกครึ่งแต่ว่าต้องต้องทําต่อไปก็คือเราจะทําให้ไม่ไม่มาเกิดได้อย่างไรมาอันอันนั้นแหะครับที่ว่าอยากรู้ว่ายังทําไม่ได้ครับ ก็ต้องตัดกรรมกา ร, การมาตัญหาภาวตัญหาวิภาวตัญหาอยา่าไปมีความท้าความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสสองอยา่าไปอยากมีอยากเป็นอยากร่ำ อ, อยากรวยอยากมีอายุยืนยาวนานอะไรนี้ก็ไม่ได้มันจะทาให้ใจเราทุกข์มันจะทาให้เราต้องยิ่ง ป่อยวางไปได้เยอะนะครับเพราะว่าฟังจากพระ อ, อาจารย์ทุกอาทิตย์ก็ทุกอาทิตย์ถ้าวันไหนไม่ได้เข้ามาฟังก็ฟังนะ ก, ก็คือบอกว่าเอ๊ะพระอาจารย์เ็บอว่าฉีดก็ตายไม่ฉีดก็ตายมันก็เลยทำให้จิตใจแบบเพราะเราไปที่ไหนเราแค่เราวังไว้เท่านั้นเองแต่ว่าคือเราจะมีสิ่งต่างๆที่ต้องมาดูแลบางอย่างแต่ว่ามันจิตใจมันก็สบายนะครับเพราะว่า ว่าไม่ไม่คไม่มีความว่ากลัวว่าเออเราไปแล้วเราจะไปติดเชื้อหรืออะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้มันทำให้คิดว่าเอ้เราก็ฉีดยาแล้วแต่เราก็ไม่ประมาทมันก็เลยมีความใจว่าเออพระอาจารย์เคยพูดนะฉีดก็ตายไม่ฉีดก็ตายมันก็เลยสบายใจว่าเราไปที่ไหนเราดูแลตัวเองให้ดีที่สุดนั่นเองนะใช่แต่มันก็เพียงแต่ตวีเวลารายมันยืดไปห่อยในเรื่องที่เกดเรื่องท้องใ ไม่ได้ตายด้วยโคมันก็ได้จะตายด้วยมะเร็งก็ไดอยากอยู่ก็ตายได้ใช่ไหมอันนี้การทำตายนี้ไม่พ้นแต่ที่เราทาต่างๆนี้ก็เพื่อที่จะยืดเวลามันออกไปเท่านั้นเองไปหาหมอเนี่ยไปตรวจอะไรเนี้ยหมอก็เห็นมีอะไรก็ออกมาเขาก็จัดการไปก่อน ท้าไมมันจัดการมันอาจจะขายายตัวใหญ่มันอาจจะทําให้เสียชีวิต ไ, ไ, ไ, ได้เร็วขึ้นใช่ไหมได้เร็วขึ้นแค่แค่แค่ช่วงต่ อ, อยุคตอนนั้ทุกสิงทุกสิ่งที่ชุวงอย่างที่เราทํานี้ก็เพื่อยือดอายุมันไปแต่มันก็สุดท้ายมันก็ทําไปไปสิ้นสุดลงอันอันอัน้นลึกถึงแล้วครับยังยังยําทําังทำหรือพยายามทําให้ให้ได้เพราะว่าทุกทุกวันทุกอาทิตย์นี่ก็มานั่งฟังพระอาจารย์นี่เอาข้อคิดเห็นของ ผู้ปฏิบัติธรรมที่ถามข้อสําคัญสำคัญมาก็เอามาเก็บเพราว่าข้อไหนมันเหมือนเรานะเราจะแก้อย่างไงเขาแก้อย่างนี้แล้วพระอาจารย์ตอบอย่างนี้แล้วเราจะแก้ไขยังไงนะอันนี้มันเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมพยายามศึกษาอยู่ทุกทุกทุกอาิตที่พระอาจารย์เข้ามาแผ่เมตตาให้ทั่วิทั่วโลกนะครับก็ศึกษาไปเรื่อยเรื่อยเดี๋ยวมันก็จะปริขึ้นมาเองอ๋อบางคนบาคุยมาฟังธรรมน้องหลายเดือนหลายปี มันทีพไฟพูดประโยคหนึ่งเขาบอกโอ้เข้าใจแนละ้วฟังมาโรงงานไม่เข้าใจเนี่ยมันก็ต้องใช้ใช้ใช้เวลาฟังไปเรื่อยๆเนี่ยมันได้ค่อยๆประมวลประมวลอะไรเหตุประมวลผลก็ม า, มาแล้วเดี๋ยวก็จะได้ข้อเสน ป, ปโอ้ยขอบขอบพระคุณครับอาจารย์ครับได้ฟังพระอาจารย์ทุกอาทิตย์ผมก็ทุกทุกวันพุธก็ต้องการวัน ลอนั่งฟังตื่นเช้ามานั่งกาแฟเสร็จแล้วก็มานั่งรอพระอาจารย์เปิดทักทีก็ขอบคุณมากครับพระอาจารย์ที่ว่าสอนธรรมะทั่วโลกได้แล้วว่าตอนนี้จิตใจผมก็สบายขึ้นเยอะครับเพราะว่าหลังจากโควิดแล้วนี่มันไม่มีอะไรน่ากลัวกว่านี้แล้วพยายามฝึกสติมาเรื่อยๆสตินี่จะคุ้มความใจเราได้นะเวลาที่ขอบขอบขอบขอบคุณมากครับพระอาจารย์ ไปพิจ า, า, า, า, า, ารณาต่ออย่างบริเวณพิจารณากล่าวละวันสการพระอาจารย์เจ้าค่ะมีอะไรไหมวันนี้ก็ อ, อมีสงสัยนิดนึงเจ้าค่ะพระอาจารย์อาจจะเป็นเพราะว่าฟังฟังธรรมพระอาจารย์มาแล้วก็เอาเอาคําที่พระอาจารย์บอกว่าไม่ให้ไปเบียดเบียนใคร ตอนนี้ก็มาพยายามปฏิบัติตัวนี้เพิ่มเติมแล้วเป็นเพราะว่าความคิดตรงนี้หรือเปล่าคะที่พอเวลาเราเห็นคนทำผิดคือผิดแล้วมันก็ทำให้เกิดความเป็นบาปเราก็สงสารเขาว่าเอ๊ะทำไมเขาไม่รู้ว่ามันบาปและเขาเขาทำอย่างนี้ไปเนี่ยเขาจะไปเจออะไรคือมันไม่เหมือนเราสง ส, งสารเขาอยู่ในใจอะคะ่ะพระาอันนี้เป็นเพราะเป็นเพราะว่าใจมันอินไปนกับเขาหรื อ, อยังไงอะคะ่ะ อาจจะเป็นเพราะเรารู้ผลของการกระทำของเขาว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเขาแต่เขาไม่รู้ก็เลยทุกสารทยว่าทําไปโดยไม่เท่าไม่ถึงการเนี่ยแต่ก็ไม่ได้ไม่้เราไม่มีธรรมะไม่นี้เราวิเคราะห์ไปตามเหตุตามผลไม่ไม่ไม่เป็นปัญหาอะไรเป็นการศึกษาไปในตัวเราาทําแบบนี้เขาจะต้องเจออย่างนั้นถ้าเขามาทําอย่างนี้เขาจะไปเจออย่าง ้็ค่ะแต่ก็ไม่ได้ไปตามอะไรกับเขาค่ะเพียงแต่ว่าพอไปเจอเหตุนี้เรามีความสุขว่าเขาทําแบบนี้มันผิดนะมันบาสนะนอะไรอย่างเงี้ย้็ค่ะเป็นกรรมของเขาไปก็ค่ะก็พยายา ม, ม, ามตัวเองก็มาสอนตัวเองด้วย้มีกรรมมน้มองเราจะทํากรรมมันไว้ได้อันไในไวด้ดีหรือชั่วจะทํางเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นก็ค่ะเพื่อที่เราจะได้ไม่ไปไปวุ่นวายกับการกระทําต่างๆของคนอื่นก็ เขาทำดีเขาก็ได้ดีก็ทําชั่วเขาก็ได้ชั่วไม่ใช่ก็เลยเจค่ะเจค่ะเราก็เอาบทบทบทนี้มามาสอนตัวเองปฏิบัติอยู่ด้วยเจ้าค่ะพระอาจารย์เวลามีคนอื่นคุยกันแล้วว่าคนอื่นอย่างนี้ก็พยายามไม่ไม่ให้เขาไปว่าเพราะว่าเขาทําผิดอยู่แล้วเราไปว่าเขาเราก็จะบาปไปด้วยอย่างนี้อย่างนี้ถูกไหมคะพระอาจารย์คือว่าไม่ได้ไปปิดใจอะไรแตแ่ว่าเขาก็มาเรียนมาฟังเราใช่ไม แต่ถ้ามากไม่ว่าเขาไปบอกเ้าก็เปลี่ยนแปลงได้ก็ดค่ะอันนี้ก็จะเปลี่ยนแปลงเขากลับมาโกรธมาเกลียดเราอีกก็ได้นค่ะเป็นกวทีกรรมหนึ่งอย่าไปรีเวมีกรรมกับใครเลยใครก็จะทําอะไรก็ปล่อยเขาทาไปทําดีเขาก็ได้ดีเองทำเถอะเขาก็ได้ช่วยค่ไม่เชื่อกดแทงกรรมนั่นเอง ทำไมให้คนไม่เชื่อกันเห็นคนทําทําช่วแล้วได้ดีได้ดีเขาไม่เข้าใจามันไม่ใช่ดีแบบนั้นทําช่วแล้วได้ร่ารวย น, นี่มันไม่ใช่เป็นผลที่จะเกิขึ้นกับคนทําช่ววันนี้เกิดขึ้นกับคนทําชั่วว่าจิตใจจะเสือ่อมจิตใจจะต่ำจิตใจจะสร้างจิตใจจะตายเป็นเด ร, ราจฉานโดยไม่รู้สึกตัว เ, เขาไม่เห็นเนื่องจิตใจเขาไปมองด้านวัตถุ โอ้ ย, ท ำ, ยทำชั่วแล้วกบร่ด้วยทาชั่วแล้วก็ไปติดทุกข์ติดตารางนี่มันก็เลยทําให้เขาไม่กลัวบาปอะเพาไม่เห็นจิตใจมันจะไปเกิดที่ไหนก็ไม่เห็นจิตใจมันทุกขอย่างไงเราไม่เห็นใช่ไหมคนทำบาปทำชั่วนี่จิตใจมันไม่สบายลองไปทําไปลองไปขโมยเงินที่ทํางานดูหน่อยมันดูจิตใจเราสบายไหมนะคะ ต้อดูที่จิตใจแต่เข้าไม่รู้วิธีดูผลของบุญเรืองแบบเขาไม่ดูผลที่ว่ า, าจะมแลจะรวยขึ้นหรือจะจนลงจะติดคุกไม่ไม่ติดคุก น, นั่นเองมันละเอียอนค่ ะ, คะอันนี้ก็เพิ่มเติมเพิ่มเติมคําที่พระอาจารย์สอนมาแล้ปฏิบัติมีสติมีสมาธิเจ้าขาพระอาจารย์พยายามฝึกสติให้มากนะคะ โอเคงั okay, นะ้นมีอะไรไหมไม่มีแล้วเจ้าค่ะอาจารยงปากพระจางแล้วเจ้าค่ะัคุณหมอสุทัศนินปากพระธุการ น, นี้ น, ะนานงนริพการพระจาย์เจ้าค่ะเป็น ย, ยังไงมีอะไรไหมวันนี้่วันนี้หนูไม่มีคําถามเจ้าค่ะพราฉันค่ะฝากข้อความถึงคุณหมอกรณ์เวลาได้ไหมคะได้ก็ช้าแตเลยได้ากค่ะ พอดีหนูมีสติกเกอร์จำรถน่าจะเหลืออยู่หนึ่งแผ่นถ้าคุณหมออยากได้ก็มารับที่มันอยู่อยู่ใกล้กันกับคลินิกอะค่ะที่คุณหมอมาทํางานค่ะเราติดต่อกันได้นะในแชทนะคะถ้าคุาหมอเขาอยากได้คก็ค่ะอลองติดต่อกันหนึ่งวันลกันนะค่ะไม่มีไม่มีคําถามเจ้าค่ะได้คุณอะไรวัดนะคุณปิยวัน์ตั้งแต่คุณปิยวัฒน์ อยู่ที่ไหนภูเก็ตครับภูเก็ตนะมาไทยครับผมมีคําถามอะไรไหมอ๋อผมเวลาผมปฏิบัติธรรมอ่ะผมมักจะเครียดครับอาจารย์เครียดเพราะ ว, ว่ามันจิตมันมันแข่งีิเลนน์ั้นนันไม่เคยถูกควบคุมบังคับมันก็เลยมันก็เลยเครียดขึนะ้นมะครับผมก็ต้องใช้การสวดมนต์ไปก่อนก็ได้ถ้ายังนั่งไม่ได้ก็สวดมนต์ไป ครับเพื่อทายความเครียดก่อนคลายคามอะไรก่อนสวดไปสักระยะหนึ่งแล้วจะรู้สึกเบาแล้วก็เรานั่งสมาธิต่อหดูอลมหายใจครับครับผมผ ม, ผมจะปฏิบัติตามอาจารย์ค ร, ครับผมส่วนผมก็นั่งในท่าท่าสมาธิไปได้เลยถ้าทําได้นั่งขัดสมาลับตาแล้วก็สวดไปภายในใจไม่ ไ, ได้ออกเสียงก็ได้ครับเกระทั่รู้สึกว่าไม่ค่อยเครียดแล้วเราก็ เราก็ดูลมหาใจต่อนะครับผมใหมายจิตมันไม่เคยอยู่ได้เฉยว่ามันอยู่ได้เฉยมันจะรู้สึกเครียดขึ้นมาให้มันทํางานให้มันสวนมองไปก่อนครับเหมือนเราไปบังคับมานครับว่าอาจารย์อันก็อยากมันไม่เคยถูกบังคับมันแค่เลยต่อไ้าครับผมในท้ามันมีอะไรทําให้มันสวดนิดๆไปๆจบก่อนก็ได้ครับผม ต่อไปก็จะรู้สึกว่ามันผ่อนคลายมันไม่เกลียด้าเรานั่งเฉยดูลงหายใจต่อครับผมมีอะไรไหมไม่ดีครับผมขอปพรคุณอาจารย์มากครับผมถูกเพิ่มเข้ามาข้างแรกใช่ไหมเนี่ยคร้สองครับผมคัที่สองนะครับผมตอนนี้คุณมอนัฐุต่อคุณมอนัฐุลกับมสัการพระอาจารย์ครับ มีอะไรไหมก็เรียนเรียนและปฏิบัติในสารทราบมาจากที่าก็ชวงช่วงสัปดาห์ ah no <t <t นี้สบายสบายขึ้นครับเพราะว่าก่อนหน้าม да ันก็จะมีเรื่องของพยายามไปทํางานก็มีสติแต่ว่าอาจจัดงานมันหลายข้างรวมกันก็เลยทำไม่ทันเราก็เลยอาจจะหลุดไปบ้างแล้วก็มาสักต้นสัปดาห์สิบหกเมื่อก่อนเราเคยเคยตามลมหายใจแล้วมันอาจจะมีช่องว่างก็เลยมา พุทโธมืนถึงร้อยอะไรเงี้ยนี่จะพอวางปุ๊บก็จะพุทโธก็เลยรู้สึกเหมือนใจมันนิ่งขึ้นสบายขึ้นบางทีสับตาันก่อนที่แบบมันจ ะ, จะต้องมีอุเบกขาอะไรเวลาลเรื่อง<ม>ชวนจะปล่อยก็ไม่ปล่อยแต่ตอนนี้มันก็ดูง่าก็ ด, ดูดูเฉยขึ้นขึ้นดูนิ่งขึ้นนะขาดสติแล้วต้องพยายามสร้างสติให้มันกับเข้าสู่ความว่างความความเป็นการ ครับผมใช้วิธีนี้ก็เหมือนกับทําให้ทําให้มันมีความมีมีมีเวลาที่มีสติสตามอยู่บางทีในที่ทํางานที่มันยุงย่งยุ่งก็ทําให้อ่าพอบ อ, อวางปุบ๊พบพอขับมันึงมีสติ ก, ก็ดีครับมนี่อป็นเดือนี้สําคัญพยายามสติไปเรื่อยๆครับครับใช่ครับ จุดจุดเปลี่ยนทําสําคัญเพราะเมื่อก่อนก็เป๊ะทำไมันเป็นหงดหงิดอะไรง่ายแต่ว่าก็ไม่ได้แสดงออกนะครับแต่ว่าถ้าจะปัญญาได้ครพิจารณาอ่อนเป็นอนัตตาเป็นวิญญาณทำอะไรทำไมครับแต่พยายามดูว่าแต่มันก็เหมือนแก้ไม่ได้แต่ว่าเหมือนอาจจะยังกําลังของสติยังน้อยมากบางทีก็รู้ว่าเออมันมันไม่ได้อย่างใจแต่ว่าเอ๊ะมันก็จะไม่ได้แสดงออกแต่รู้สึกว่ามันใจมันไม่มันมันมันดิ้นนะแต่ว่าแต่พอมีมีอย่างนี้มากํากัดด้วยมันก็เหมือนจะ เฉยๆได้แล้วก็สบายสบายสบายไปได้ครับแต่ถ้าช่างมันแล้วก็ช่างมันคครรัับบก็ดีใช่ไหมก็สบายขึ้นครับมาเพาเมื่อก่อนก็เคยเคยทําอย่างนี้แต่ว่าเหมือนลืมไปไปอาจจะมีไปดูลมหายใจแล้วจะมีช่วงที่มันหลุดเพราะมันยุ่งๆอย่างครับใช่บางทีเป็นปฏิบัติไปแล้วมันก็ลืม ชอบกับไปบทำในรูปแบบเดิมเพื่อตามใจตัวเองครับนะะ ใ, ใช่พอใจครั บ, <จ>รบพอพอเป็นทุกก็ติดนึงด่งดาวว่าเราเครับใช่ครับใช่ครับตอนนั้นก็มันมีเลคเชอร์อนุกต์ก็จะมาอันนี้ ก, ก็จะมานุ่งคลื่นบนไหวมันก็ไม่สบายจะแต่จะทําให้มันนิ่งจะนิ่งไม่ได้แต่ว่าเอ๊ะทำไมไม่พูดทรไปหนึ่งถึงร้อยนับหนึ่งถึงร้อยแล้วก็บนแล้วก็เลยคิด่าโลกคิดไป ครับก็เป็นความสาคัญสติเยออย่างที่อาจารย์สอนครับเนี่ใช้สติด้วยใช้ปัญญาด้วยก็ได้สลับกันครับนะอย่างไรก็ได้ที่เราสามารถระงับความเครียดได้ครับนะครับนะทําทอย่างนี้ ก, ก็ก็ใจมันนิ่งน้ำก็สบายข<ต>ึ้นก็จะทั้งวันไดง่ายเมื่อ่อจะสั้งวันครับบางทีเดือนต่อไปนั้นก็ จ, จะเพลยเลืเลยใช่ครับ <laughs> แล้วความอยากมันก็อยากเข้ามาเป็นตัวนำอย่างงี้ครับมันยังไงต้องปฏิบัติยังไงครับต้องก็ต้องก็ต้องเอาเวลา ท, ที่มันีมันใจอยู่้ยกกรมินใจเราเป็นยังไงครับครับครับโอเคท่นี้แหละคุณ้อ่านี้ครับนะครับช่วงนี้ก็ยังไม่ได้ไปวัดแต่เดือนหน้าผง ม, มีไปครับไปที่วัดจะมีกาลังเยอะวันนี้ท่านีอยู่ข้างนองนก็ กำลังก็จะน้อยแต่ว่าก็าาหาวิธีมันทำให้ใจมันมาอยู่ในระดับที่มันเดินได้ได้ครับไปที่ท่านต่อไปเลยนะคุณคระพันคุณโมพัน์จากซั น, นฟา น, นอะไรที่มีนตั้งเกณฑ์การมรดสการครับอาจารยมา์มาจากกรุงเทพครับกรุงเทพนะครับมีคำถามอะไรไหมอ่า ขอสอบถามเรื่องการเรีนบัตรนะครับทุกวันนี้นี่พยายามจะฝึกสติด้วยการสวดมนต์แปรครับแต่ว่าการที่จะแบบมานั่งสมาธิเพื่อให้จิตสงบเนี่ยทําได้ยากก็จะเน้นอยู่ที่การสวดมนต์เพื่อที่จะให้มีสติอย่ทีมี้ยครับแต่บางทีก็ยังเผลอไปคิดแล้วก็บางทีก็พอเผลอแล้วพอรู้สึกตัวก็ กลับมาที่คำสวดทั้งที่จริงๆแล้วคาสวดนะครับก็เหมือนกับสวดไปเรื่อยๆแล้วไปสักพักนึงเวลาผ่านไปเพิ่งมานึกได้ว่าเราเปิดปีชิดเรื่องก็เราต้องพยายามฝึกสติก่อนที่เราจะมานั่งสวดเราสามารถฝึกสติได้ตั้งแต่เราริืมตากขึ้นมาเลยพอตื่นขึ้นมาแล้วก็สวดมนต์ไปภายในใจไปก็ได้เท่าพุทโธไปก็ได้ในขณะที่เราไปทํากิจวัตรต่างๆ อย่าปล่อให้ใจมันคิดเลยตัวเองต้องคุมตั้งแต่เราเริ่มตาขึ้นมาเลตั้งแต่เป่งขึ้นมาเลยแล้วเวลามานั่งมันจะนิ่งได้ง่ายจิตมันจะไม่ไม่หนีไป น, นึ่งนนี้แต่ถ้ามันทําเฉพาะตอนที่เรามาเริ่มนั่งสมาธิมันก็มันก็ต้องใช้เวลามากหลายานะทําให้มันนิ่งได้เคยเคยมีโอกาสไปเป็นบัตร ทาที่วัดนะครับแบบแบบว่าอยู่สัก8วัน7คืนนี้ครับแล้วก็ไม่ผู้ละไกลไม่ใช้โทรศัพท์มือถืออะไรเงี้ยครับ<ม>แล้วก็ปฏิบัติต่อเนื่องยาวนานแบบอ่าคือตื่นทีสามแล้วนอนสามทุ่มแล้วก็ปฏิบัติต่อเนื่องไปตลอดก็เหมือนกับกินน้อยนอนน้อ ย, อยปฏิบัติมากอย่างเงี้ยครับแล้วอ่าพอคืนท้ายๆเนี่ยครับจะเริ่มรู้สึกว่าสงบและจิตรวมได้ช่วงแรกๆที่จะฟุ้งมากอย่างเงี้ยครับ แต่พอออกจากวัดมาก็ไม่สามารถจะไปแบบแบบเหมือนกับที่เราอยู่ในวัดได้ครับในเซเว่นเ่าไม่เหมือนกันครับถ้านำกสับไปวัดบ่อยๆเพราะว่าถ้าอยู่ตามอยู่ตามแล้วที่เราอยู่นี้มันก็นจะมีเรื่องคอยนำจิตไปเรื่อยๆพอไปอีก่มันก็ไม่ไมีเรื่องใช่ครับเพราอพอไหมพอพออยู่วัดทุกอย่างมันจะแบบเหมือนกับ บรรยากาศมันสงบวิเวกไงครับแต่ว่าคนเราข้างนอกเราจะต้องต้องปฏิบัติงานต้องมีความรัความหน้าที่รับความรับผิด ช, ชอบอะไรต่างๆใช่ไม่เคยทให้เราคิดมากเราต้องใช้ความคิดเยอะเงครับบางทีการที่จะทําให้จิตสงบรวมเนี่ยมันทําได้ยากมากเลยครับใช่ต้องไปปีดวิเวกในในปัจจัยที่พระเจ้าทรงสอนผู้ปฏิบัติคือต้องไปปีดวิเวกเหมือนกับเราต้อง <ผม S 2> พยายามหาเวลาเพื่อจะไปปิดวิเวกอย่างนี้นเลยปีกิเวก กายวิเวทแล้วจิตจะวิเวทใช่ไหมสังเกตอยู่พอไปอยู่ที่มันวิเวทมันย่อทางให้จิตมันวิเวไทง่ายๆให้หมง่ายๆครับแต่ถ้าเรายังไม่มีโอกาสแบบนั้นก็คือเราก็ก็คือจเจริญสติไปไเรื่อยพยายามทํานนทในชีวิตประจำวันเราก็พยายามฝึกสติอยู่เรื่อยๆถ้ามีเวลานั่งมาหลายปานี่ก็<อ>ไม่ทําอะไรเลยครับ อาจารย์ครับคิดได้ยินคำว่าพิภาวตันฐานี่คือคือความอยากไม่ไม่ไม่ไม่ต้องการสิ่งนั้นสิ่งนี้อะไรบางรื่อคือเพราะตันฐานต้องการให้เหตุการณ์อย่างนั้นเกิดขึ้นไม่ต้องการเจอคนนั้นคนนี้อะไรทัางนองเนี่ยคือตรงขันข้ากับความอยากเพราะวตันฐานเนื้ออยากให้มันเป็นอย่างนั้นอยากให้มันเป็นอย่างนี้พิาวตันฐานก็คืออยากไม่ให้มันเป็นเช่นอยากไม่ให้ร่างกายมันเจ็บไข้ได้ป่วยอยากไม่ให้มันติดโควิดเนี่ย มันก็เลยทําให้เครียดกัน ถ, ถ้าเราพิจารณาด้วยปัญญาว่าจะไปห้ามมันก็ไม่ได้มันจะติดก็ต้องติดยอมรับเสียะมันก็เลยหายเครียดจะติดก็ติดก็ยุดความอยากไม้ติดได้ถ้าเราห้ามมันไม่ได้เราก็ทําได้เท่าที่เราทําได้นะหยิดยาแล้วใส่หน้ากากแล้วถ้ามันจะติดก็ก็เป็นเป็นเรื่องของของธรรมชาติไป มืนก็ทําใจยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างใช่ไห้ครับที่จะเกิดขึ้นไนดะที่กําลังเกิดขึ้นต่อใจก็จะหายเครียดล ะ, ะวิภาควาตัญหาได้ส่วนวิภาควาตัญหาคือยากได้นู่นอยากได้นี่ทําไม่ได้ก็ทำธทำาําใจว่าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรมันก็หาเคียดได้ครัลองทําำดูนะ ใช้ายรักนีท่ที่ที่จะแก้ปัญหาตามอยากต้องพิจารณาว่ามันไม่เที่ยงมัตเปนอนาตามันไม่ได้เป็นอยู่ภายใต้คําสั่งของเราค<ช>รับนีท่านนี่เลยอ่าที่จริงผมสมดบนแปลยอย่างของธรรมจักรนี้ครับแล้วก็ได้ได้ส่วนแปลก็ได้เมตตาก็ได้นึกจะส่วดภาษาพูดสวดคําแปลอย่างเดียวไม่ส่วดบางนี่ก็ได้ไ มันก็เป็นอุบาตที่จะทําให้ใจเราไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้คือไปรับสู่คาแปลครับแม้เราทั้งคาแปลแล้วงทีแปลไปแล้วก็ยังไม่เข้าใจอย่างรูปรูปปิธนาสังขารวิญญาณอะไรพวกนี้ครับแต่วันนี้ปดีมีโอกาสได้ฟังธรรมะจากเขาตอนช่วงใบสองครับที่พระอาจารย์เทศถึงเรื่องพวกนี้ครับก็เลยเริ่มเข้าใจขึ้นนะครับบางทีเราต้องฟังจากจากภาคปฏิบัติ เราใช้ภาษาเราแต่เวลาเราไปอ่านในหนังสือนี่บางทีท่านแปลเป็นภาษาราชาซับบ้างเป็นไหนบ้างาฟังเราเลยก็งงครับ่าพยายามเราเราเราเคเทศของภาพปฏิบัติเอาลงตามมาแล้วบวยน่าจะเข้าใจได้ง่ายกว่าการที่เราจะอ่านจากข้อสูดตา่างต่างครับ แต่แต่มีโอกาสได้ติดตามฟังเออ่ที่ท่านพระอาจารย์บรรยายนะครับเทศหนะครับก็ก็เข้าใจอะไรมากขึ้นนะครับฟังแล้วฟังง่ายเข้าใจง่ายขึ้นครับได้ติดตามได้ทุกวันจะเป็นการเอาของเก่ามามาสอบช่วงบ่ายสองโมงทุกวันใช่ครับแล้วก็มีคำถามว่าเข้ามาได้ในสู่ทุกเกณฑ์หรือเ่าได้ครับได้ครับโอเคนะมีอะไรใช่ไหมกับผมกับผมคุณพระอาจารย์ครับ ไปที่นบริสจาบริสจานายองกลับมาสักการพระอาจารย์เจ้าค่ะเป็นยังไงมีอะไรไหมวันนี้มีมคําถามค่ะพระอาจารย์นี่ลองเอาพุทโทมาใช้แบบในในนัานสมาธิแบบจริงจังนะคะพระอาจารย์รู้สึกว่ามันสงบได้เร็วเร็วขึ้นนะคะพระอาจารย์เหมือนสภาวะมันแน่นดีนแสดงว่าถูกเจรี่ยลองเร ค่ะวจะมันรู้สึกแตกพุโทโธในชีวิตประจำวันที่ไม่ได้นั่งสมาธิรับพุโทโธทั้งสมาธิมันตอนนั่มันมันลึกลึกลึกพุโทโธมันลึกเข้าเพเวลาเรานั่งานั่งกายไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรไยจิตกอะไรทํางานน้อยค่ะรู้สึกว่ามันรู้แล้วเราจะหยุดพุดโทโธตอนตอนท<ห>ี่มันตกตจากที่สูงลงม า, ม, ามันต้อง อมมกันสงบถ้ามันยังไม่สงบอย่าพุดโธได้พุดโธรตอบไปอาจจะพุดโธรช้าหน่อยก็ได้เร็วหน่อยก็ได้แล้วแต่ถ้าเราก็เสร็จเหนื่อยก็ลองหยุด พ, พักๆแล้วพอจิตมันจะเริ่มปุ๊แต่กับพุดโธรตอบไปก็ได้ค่ะอาจะเหมือนพุดโธรแล้วมันรู้สึกว่ามันจางจางมากๆแล้วหนูก็ไม่รู้ว่ามันจะควรจะมันนิ่งแล้วแต่ว่า ขุดมันขึ้นขุดมันพุทโทขึ้นปุกพุทโทขึ้นมาไหมถ้า ไ, ได้ถ้ามันนิ่งไม่มีความคิดก็ลองหยุดก็ได้ฉะนั้นถ mm ึง hmm. มันยังไม่นิ่งแตมที่แล้วถ้าเราหยุดพุทโทเดี๋ยวเพิ่มๆน่าจะวุ่ลงไปเองก็ได้นี้ือนกัเราพามันมาที่ปากหลุมนะเนี่ยพอเราไม่ไปทําอะไรมันเดี๋ยวมันไหลลงหลุมเข้าไปเองก็ได้ถ้าไม่ไหลก็ไม่เป็นไรขอให้เรามีสติค่อยคอยคุมจิตไม่ให้มันไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ให้มันรู้เฉยๆนะคะพระอาจารย์ อยู่กับวามว่างอยู่กับความสมบที่เราได้ในตอนนั้นแต่มันยังอาจจะไม่ได้เต็มที่ค่ะใช่มันอาจจะเพราะว่าเหมือนเราในชีวิตถ้ามันเต็มที่แล้วมันจะเบามันจะไม่ต้องควบคุมบังคับแต่เรายังรู้สึกว่ยังต้องควบคุมมังคับมันอยู่แสดงว่ามันยังไม่มันยังไม่เข้าล็อกก็ต้องมีสติคอยไปยไปคอยปุมไว้เยอะอย่าให้มันคิดปรุงแตกขึ้นมาเราพยายาม รู้สึกดีค่ะพระอาจารย์เพราะว่าในชีวิตประจําวันต้องทํางานแล้วก็เลี้ยงลูกจิตมันต้องฟันฝับอะไรหลายๆอย่างแล้วเราพูดโทรมันเร็วดีอะค่ะพระอาจารย์ใช่ช่วยระงับความคิดต่างๆได้รวดเร็วรู้สึกขอบอกคุณพระอาจารย์มากเลยครับเราต้องขอบคุณครูบาอาจารย์ <c oughs> ที่ไปศึกษามาแล้วก็เป็นเพีแต่ตัู่ประชิน ค, <c oughs> คำสอนดีๆของครูบาอาจารย์ต่างๆมาฝากครับเหมรู้สึกว่าการมีครูบาอาจารย์มันดีมากเลยค่ะอาจารย์ <c oughs> ว่าท <c oughs> ่านดูแล้วท่านผ่านมาแล้วท่า <c oughs> นท่านเหมือนกับว่าท่านท่านคัดสรรมาแล้วทําที่ควรจะรู้ทําที่สําคัญทําที่ไม่ต้องรู้ก็ไป่ต้องไปรู้ก็ได้ครับ <c oughs> ตอนแรกหนูก็ไม่ไม่ไม่ไม่ใช้มันแบบจริงจังเพราะคิดว่าเราจะถูกจะดิบกับพุดโธรหรือเปล่าแต่เหมือนคอาที่รับอาจารย์พูดมาดิบนึ่งหนูเลยแบบลองดูอะไรอย่างเงี้ยว่าลองได้ไม่เป็นไรนะอื่ถ้ายังไม่เคยลองลองทดลองแล้วก็ไม่ใช่เราคนเดียวเราบอกว่าไม่ถูกเฉล็่แล้วลองลองไปเลยสักตยานิดก่อนค่ะค่ะพี่อาจารย์ลองดูมันก็ออืเหมาะ ก, กับเหมือน คารวะที่แบบต้องฝาพันหลายอย่างนี้ค่ะอืมขอบคุณนะคะได้จัโอเคท่านนี้นะอ่าโอเคเห็ปฝนปลาวะรายต่ออยากซีราชาปรับนมัสการเจ้าค่ะอันนี้มีคําถามพอดีได้หนังสือที่คุณเมียขอให้ยืมมาอ่านนะคะพูดถึงเรื่องของการนั่งสมาธิแล้วก็การเดินจงกรมยิง่งการเดินจงกรมเจ้าค่ะ ท่านหลวงปามหาบัวท่านท่านท่านเขียนไว้ว่าไม่ให้เดินตัดตะวันอะไรอย่างนี้เจ้าค่ะอยากจะทราบว่าเพราะเหตุใดเจ้าค่ะก็ไม่มีใครทราบเพราะท่านไม่บอกลอย่าไปเดินอย่าไปเดินความตะวันให้เดินตามตะวันหรือเยื้องเยื้องได้ตอนออกชิ้งเหนือตอนออกชิ้งใต้ได้แต่ไม่ให้เดินทางทิศเหนือทิศใต้อืนี่เป็นคําคําสอนของหลวงปู่มั่น ก็ไม่มีใครกล้าไปถามว่าทำไมสมัยก่อนอรู้สึกจะไม่ค่อยอไม่ค่อยกล้าไปไปอะไรกับคุณอาจารย์ท่านสอนไงก็เชื่อน้อยเปอร์เซนไปหน่ยมันไม่ให้ทำ อ, อย่างนั้นก็ไม่ทำนะคนเพราะว่าเ ม, มื่อก่อนปฏิบัติผิดน่าจะผิดมาเพราะว่าอยากเดินก็เดินอะค่ะก็ถ้าไหนก่อนจริงเดินที่ไหนก็ได้ดีกว่าไม่ทำแต่ว่าจะให้มันผลดีนี่ต้องตามทาตามที่ท่านบอก ก็ไม่ได้ห้ามแบบว่าไม่ให้ทําเลยนี่แต่ว่าถ้าเลือกได้ก็ควรจะเลือกทางตามตะวันอืมค่ะบอ่าหลักๆน่าจะน่าจะถูกจริตกับการ น, นั่งสมาธิมากกว่าเจ้ค่ะก็ได้แล้วแต่เราทําวิธีไหนทํ า, าให้จิตเราสงบได้ก็ใช่ได้นะค่ะอ่าลูกสาวมากล่าวพระอาจารย์หนอยเจ้ค่ะเออ ม, มีคำถามไหมลูก มีเท่านี้เจ้าค่ะโอเคสาธุงั้นไปที่ท่านต่อไปคุณโกคณาคุณโกคณาอยู่ที่ไหนเอ่ยอยู่น้ำไ ด, ได้แล้วภูเก็ตหรือเปล่ะค่ะอยู่ภูเก็ตค่ะภูะเก็ตวันนี้ภูเก็ตหลายคน3คนเพิ่งมาได้เดือนหนึ่งแล้วค่ะจากกรุงเทพเอ่ามีมีคำถามครับอาจารย์ว่าคพิ่ม ด, ดังหน่อยได้ไหมใกล้หน่อค่ะ ไอาใหมเอาไหมเอาอย่างนี้ไม่ทราบว่าได้ได้ยินไหมคะได้ได้ยินแต่ค่อยไปหน่อยแต่มนเวลาพอพอได้ยินเดี๋ยวพูดดังๆก็ได้ได้ได้ค่ะอยากจะถามพระอาจารย์ว่าถ้าเราถือศีลแปดแล้วเนี่ยอยากจะขอดูข่าวหรือว่าสารคดีเกี่ยวกับศาสนาพุทธอะไรอย่างนี้ได้ไหมคะอยู่ที่ความเข้มขัดของเราว่าเราต้องการความเข้มขัดขนาดไหน มีการถือศีลแปลนี้เพื่อเพื่อให้เราตัดทุกอย่างเมื่อเราจะได้มีเวลามาปฏิบัติแต่ถ้าเรายังอยากจะแว บ, บไปหาเรื่องต่างๆมาสร้างความทุกข์สร้างให้กับใจเราก็ทําไปไม่มีใครห้าแต่ถ้าไม่ไปไปรับรู้เรื่องข่าวสารทั้งโล่ได้เดยก็ดีมันจะได้ไม่มีอะไรมาสร้างความรบ ก, กวนใจให้ลำลาและเราก็จะได้มีเวลาที่จ ะ, จะเจริญสติได้อย่างต่อเนื่อง เป้าหมายลราต้องการหยุดความคิดต่างๆในใจเราแต่ถ้าเราไปดูข่าวสารจิตมันก็ไปคิดเปลี่ยนกับข่าวสารนั้นมาเล่าดูแล้วจิตก็ยังอดที่จะไปคิดถึงมันใน่ได้นรือเขามีาการไปต่อยใช่เราะฉะนั้น ถ, ถ้าเราต้องการที่อยากจะเอาเอาผลทางปฏิบัติแล้เราต้องตัดมันทุกอย่างเลยคเอ ก, กับภาพปฏิบัติเนี่ยที่ไปอยู่วัดหลวง บตามนี้ถ้าไม่สมัยนั้นไวิทยุมาให้เข้าทีวีไม่ให้เข้าอืสมัยนั้นไม่มีโทรศัพท์มือถือถ้าสมัยนี้มีก็คงจะเข้าไม่ได้เพราะมือถืออพวกนี้ไมให้ปิดตาผูจะมุกริไกายไม่ไปรับรู้เรื่องจริงต่างๆถ้าอ่านลายก็ไม่ได้ใช่ไหมฮะอาจารย์ไม่ได้เลยนอกจากว่ามันเรายังเรายังตัดไม่ได้ว่าตเราอาจจะแต่ถ้ามันเป็นเรื่องที่ คือมันเราต้องถ้าว่าเราต้องตัดถ้าเราอยากจะไปทาง น, นี้ mm hmm. แล้วก็ไม่ได้เป็นการตัดแบบเท้าอแล้วก็ช่วงที่เราถือศีลตัดนั่นเองวันน้ถือศีลแตะวันั้นเราต้องตัดมันไปห ล, ลุดไปลูกเสียงเข็มันไม่นับรูโลกภายนอกว่าจะดึงใจให้เข้าข้างในสมาธินี่คือการดึงใจให้เข้าข้างในาการดึงนั้นก็ไม่มีอะไรเหนี่ยวร่าจิตใจให้อยู่ข้างนอก ในสิ่งที่เดยวนั้นจิตใจไม่เข้าข้างไหนก็คือรูปเสียงกินรสต่างๆที่เราสัมผัสทางตาหูจม<ะ>ูกลิ้นกายนี่เราถึงให้ซื้อสิ่งแผลเนี่ยเพืจะได้บ้องกันปิดปิดปิดปิดการไม่ให้ใจไปไปเกาะไปติดกับรูปเสียงกินรสต่างๆ<ะ>แต่ถ้า<ม>จาํ า, าจเป็นถ้าจําเป็นยินอยากต้องดูก็ไม่มีใครห้ามเพราะการการปฏิบัติการทางศาสนนี่มันเป็น เป็นเป็นเป็นสิทธิ์ของเราแต่เราจะปฏิบัติเข้มข้นหรืไม่เข้มข้นนีไ่ไอยู่ที่ตัวเราวันทีอยากจะทราบะค่ะพระอาจารย์ว่าวันวันเนี้ยมีคนติดโควิดกี่คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันทําอะไรให้เกิดขึ้นเร็วๆเป่าอาจารย์แล้วก็ทํานั้นอะก็ก็มีความรู้สึกแบบออกขึ้นอีกแล้วลงอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยขึ้นก็เครียดเดีย <c oughs> ลงมาดีใจเดี๋ยว <c oughs> เดียวเดี๋ยวบามงวันที่กลับมาขึ้นใหม่ก็เครียดเดียวถ้ายังไม่รู้มันไม่ดีกว่า ดีกว่าค่ะใช่ค่ะทีนี้บางครั้งเนี่ย เ, เกิดคือตั้งใจว่าอาทิตย์หนึ่งเนี่ยอยากจะถือสินแปดอาทิตย์ละสองหนสองวันนะคะตั้งสมมติว่าตั้งใจว่าจะทําวันอาทิตย์แล้วก็วันพุธปรากฏว่าจะต้องมีอะไรขึ้นมาที่จะต้องจําเป็นว่าจะต้องออกนอกบ้านหรือว่าทําอะไรก็ตามเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นแบบเพอวันที่วันอาทิตย์เกิดมีอย่างนี้ขึ้นมาก็ ก็ถือศีลแปดไม่ได้แล้ว ก, ก็เลื่อนไปเรื่อยๆเลยอย่างนี้ค่ะจน ก, กระทั่งถึงวันพุธก็ทำวันพุธต่อก็บางครั้งก็มีความรู้สึกแบบไม่ค่อยสบายใจที่เราไปงดอะไรอย่างนี้ค่ะเราก็ต้องเลือกรระหว่างศีลกับเรื่อ ง, องต่างๆว่ า, าจะเอาวันไหน อ, อยากไปรัาพี่เสียดายน้องเราเอาัวได้ตัวเอค่ะอ่ะ ทีนี้บางครั้งออกไปตลาดเนี่ยค่ะซื้อสินแปดอยู่อะ่ะแล้วได้ยินเสียงเพลงแล้วเราก็เผลอหำไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเผลองซึ่งก็มีครับพอพ อ, พอรู้ตัวก็รีบพุทโธพุทโธพุทโธอะไรยอย่างเงี้ย <c oughs> แล้มันก็เข้ามาอีกอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์อย่างเงี้ยก็ลองวางแผนเลยวันที่เราถือสินแปดนี้ก็อย่าออกไปนอกบ้านเลยไม่ได้ค่ะวางแผนไว้ก่อน อยากจะซือของอะไรก็ซื้อมาล่วงหน้าก่อนเลยสั่งให้เขาส่งสเอกมาส่งมาได้ค่ะคือการจะรักษาสีนนี่มันต้องมีการวางแผนด้วยต้องปิดปิดกั้นในปัญหาต่างๆที่จะเข้ามาทําลายการรักษาสีนของเราให้ได้ค่ะมีความรู้สึกว่าอาทิตย์ละสองวันไม่ค่อยพอเท่าไหร่นะคะเพราะว่าจิตใจยังลวนเลยยังไม่ค่อยมีสติเท่าไหร่คะะ่ะก็ดีแสดงว่าเห็นคุณค่าของของการรักษาสีนแฝ เห็นมากๆเลยค่ะพระอาจารย์แต่มีความรู้สึกเหมือนกับว่าเราเราจะต้องจําเป็นจะต้องทํานูน่ทนทํานี่ไม่ต้องมีอะไรทําอยู่ตลอดเวลาซึ่งมาขวางทางเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องเลือกนะเราต้องเลือกวันไหสําคัญกว่ากันขาด้บ้างขาดแค่แค่วันสองวันไม่เป็นไรหรอกเดี๋ย ว, วพอเวลาไหนไม่ไม่ไมไมมรักษาสิดตาก็มาทําำที่ทําย้อนหลังก็ได้ค่ะวันนั้นอ่าน อ, อ, อีกคํหนึ่งค่ะอาจารย์วันนั้นฟังอาจารย์พูดมีใครถามเกี่ยวกับเรื่องการวางเฉยกับุเบกข า, าของโยมเนี่ยทางเนี่ยค่ที่เคยถามพอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องสวนที่บ้านคนสวนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็คือมันเป็นหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอาจารย์บอกว่าอย่าไปสนใจเราเปลี่ยนเขาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ ให้ความเมตตากับเขาก็ทําทุกอย่างให้ให้ความเมตตาบางทีก็เอาซื้อซื้อข้าวกลางวันไปให้เขามั่งซื้อผลไม้มั่งอะไรมั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าถ้าเขาทักเขาจะทักก็ต่อเมื่อมีคนอื่นอยู่ด้วยเขาก็จะทักดีแต่ว่าพออยู่กันแบบผ่านหน้ากันสองคนเขาก็จะเชิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเสร็จแล้วพอตอนหลังเนี่ยเขาก็ทําอะไรซึ่งแบบ คือเราพูดอ้าปากไปเงี้ยเขาจะไม่ชอบเงี้ยค่ะแล้วเขาก็เอาไปประจานในเฟ e บุ๊กอะไรเงี้ยค่ะอั น, นี้ไอ้เราก็เลยแบบก็มีความรู้สึกแบบเออผู้หญิงคนนี้ก็น่าสงสารจริงๆแต่เราไม่อยากจะคุยอะไรกับเขาแล้วอะค่ะก็เลยตอนนี้ก็เลยแบบเหมือนก็หมกอยู่แต่ในบ้านแต่ไม่ใช่ว่า คือพอเห็นเขาแล้วเราก็ไม่อยากจะเห็นเขาหาอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์แบบมีความแบบว่าเราไม่อยากจะคุยกับเขาไม่อยากจะเสวนาไม่อยากจะอ้าปากอะไรเลยเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวเขาจะเข้าใจผิดคือเขาสเตียร์ลไทป์เราไปซะแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบเขา mark าหน้าเราไปแล้วว่าเขาไม่ชอบเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเราก็สงสารเขานะคนแบบนี้ใช่ไหมคะแต่หมายคาะว่าเราไม่อยากจะยุ่งอะไรกับเขาแล้วอย่างเงี้ยเรียกว่าวางเฉย ใช่ไหมคะใช่แล้วนนี้ยังเป็นความความอยากความอยากไม่เจอเขานี้ก็ยังเป็น mm hmm. กิเลสมันเลยทำให้เครียดเวลาไปเจอเขาต้านรัาางเฉยได้ก็ถ้าเราไม่มีความจำเป็นจะต้องไปเจอเขาเราก็ไม่เจอเขาแต่ถ้ามีความจำเป็นจะไปเจอเราก็เจอได้ mm hmm. เจอก็ได้ไม่เจอก็ได้ถึงจะเรียกว่าวางเฉยจริงถ้า ถ้าว่าต้องไม่เจอเขาพอเจอเขาต้องเทียดขึ้นมานี่ก็แสดงว่าไม่ได้วางเฉยนะเป็นความรู้สึกที่แบบไม่อยากเจอเขาอะค่ะใช่อันนี้มันเป็นติเลทอย่างหนึ่งวิภาวะตัณหาอัน่นึ่งไม่อยากจะเจอสิ่งแตกต่างที่เราไม่ชอบค่ะต้องฝึกจิตให้เฉยเฉยเจออะไรก็ได้เจอสิ่งที่เราชอบก็ได้สิ่งที่เราไม่ชอบก็ได้แต่ใจเราเฉยเฉยกับทั้งสองอย่าง เจอสิ่งที่เราไม่สิ่งเจอสิ่งที่เราชาวก็ไม่ยินไม่ก็ไม่ได้ยินดีเจอสิ่งที่เราไม่ชอบก็ไม่ได้ยินได้ต่งางๆแบเฉยๆสัจจว่ารู้ไป<ฆ>อันนี้ต้องฝึกสมาธิมันจิตมัน ถ, ถึงจะได้อุเบกบบบบขาแท้ไม่ต้องบังคับมันพอ<ฆ>จิตสงบแล้วมันจะเป็นอุเบกขามันจะเฉยๆกับเหตุกานต่างๆกับบุคคลต่างๆเขาจะทำอะไรก็เรื่องของเขาไป เ, เ, ไไเจอท้าวพราณาเจอท้าวพราค่ะอลองฝึกไปเรื่อยๆค่ะฝึกสมาธิฝึกนั่งสมาธิถือศีลแปดแล้วแล้วก็ฝึกสตินั่งสมาธิการถือศีลแปดนี้เพื่อให้เรามาทําสมาธิกันมาปฏิบัตินะไม่ใช่ถือศีลแปดอย่างเดียวมันก็ไม่ค่อยได้ประโยชน์เท่าไหรนะ่ค่ะขันใจนะค่ะค่ะมีท่านที้เหนวันนี้ กราบขอพระคุณมากค่ะพระอาจารย์เด็นไปที่ท่านต่อไปคุณออนุมาเจ้าบัวจากคุณอนุธานนี่เป็นไงเปนคำถามหไหมวันนี้ไม่ได้ยินเสียงเลยดังๆเอยเสียงไม่เข้าไมาเลยแสดงว่าไม่ได้เปิดไมเลยออะไรก้งอย่าง อาจจะต้องออกไปแล้วกลับเข้ามาใหม่นะเวลาเข้ามาต้องกด use computer audio งานเนี้ยขอข้ามไปที่ปุษภาตาต่อะนะปุษภาตาจากเดลัสเท็กซ s กลับนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่าานะแล้วค่ะสามีว่างตาได้แล้วเจ้าค่ะ นะคะวันนี้ลูกมีคำถามอยากจะข อ, อพระอาจารย์ช่วยแนะนำะเจ้าค่ะคือตอนนี้คนข้างตัวลูกมีอาการของแผลนิกแ t ตแทกนะคะถี่ขึ้นคือเมื่อก่อนเนี่ยปีหนึ่งอาจจะเป็นครั้งสองครั้งแต่ว่ามาช่วงนี้เป็น เป็นอาทิตย์หนึ่งก็คือเกือบทุกคืนนะเจ้าค่ะทีนี้เนี่ยถ้าลูกจะแนะเขาให้เขาฝึกสติแล้วก็ใช้ปัญญาในการมองว่าก็เหมือนกับดินฟ้าอากาศซึ่งเราไปห้ามความรู้สึกห้ามอารมณ์ไม่ได้มาแล้วเดี๋ยวก็ไปอย่างเงี้ยเจ้ า, าค่ะจะเป็นการแนะนําที่ถูกเจ้าค่ะก็อยู่ที่ว่าเขาจยินดีที่จะฟังเราหรือเปล่า น, นะคะแล้ ว, วก็เราก็ต้อง เราก็ต้องมามีประสบการณ์ว่าใชา้วิธีนี้มันได้ผลหรือล่าลูกมีลูกมีประสบการณ์ทางด้านนี้เ<ม>จ้าค่ะคื อ, <ม> ค, อคือทางด้านของความรู้สึกของเรื่องของอารมณ์อ่ะเจ้าค่ะว่าลูกเคยมีความรู้สึกมันมันมันดิ่งลึกไปสุดๆดแล้วของความทุกข์อ่ะเจ้าค่ะ<ม>แล้วด้วยการที่ลูกได้ฟังฟังและปฏิบัติที่พระอาจารย์สอนก็คือสิ่งที่ทําให้เรารักษาได้อย่างถาวรก็คือการใช้สติ แล้วก็การใช้ปัญญาเข้ามาช่วยในการเห็นไปรักษณ์ะเจ้าค่ะว่าก็เหมือนกับดินฟ้าอากาศอะเจ้าค่ะอยู่เป็นอนัตตาไปแล้วก็ควบคุมไม่ได้เจ้าค่ะต้องให้ดีมันไปต้องยอมรับนไปเจ้าค่ะคือจะไม่คือจะไม่ให้มาก็ไม่ได้เพราะเราควบคุมไม่ได้แต่ก็ความรู้สึกนี้มาเนี่ยเราจะมีวิธีในการอยู่กับมันได้ก็คือก็คืออยู่ด้วยสติแล้วก็ต้องเข้าใจว่า เขามาเขามาแล้วเดี๋ยวก็ไปก็เหมือนกับดินฟ้าอากาศที่พระอาจารย์สอนประจําว่าเวลาพายุจะเข้าก็เข้าเดี๋ยวมันก็ไปอ่ะเจ้าค่ะถูกต้องเลถ้าสามารถบอกเขาได้ใก็ลองทําดูนะใช่ไหมเจ้าค่ะหากลูกเข็นแล้วลูกสงสารนะเจ้าค่ะเพราะว่าลูกเคยผ่านตรงจุดนี้มาแล้วมันทุกข์จนใจมันแทบจะระเบิดอะเจ้าค่ะลูกก็เลยแบบแต่ลูกบอกเขานะเจ้าค่ะว่าถ้าเขาพร้อมที่จะ ที่จะขอคือคือถ้าเราถ้าเขพร้อมให้เราแนะนําก็ก็ยินดีแต่ถ้าเราถ้าเขาไม่พร้อมลูกก็ไม่กล้าไปบอกเขาอะเจ้าค่ะใช่ถ้าสมมติว่าถ้าเขาพร้อมแล้วก็มาลองปฏิบัติดูถ้ายังทําใจไม่ได้ก็บอกให้เขาท่องพุทโธพุทโธแสดงว่าใจมันยังไม่ยอมหนึ่งยังไม่ยอมรับความจริงเจ้าค่ะเจ้าค่ะ ค่ะวันนี้ลูกก็มีคําถามอ๋อขออีกหนึ่งคำถามได้ไหมเจ้าคะคือเป็นคําถามที่บทสนทนากับคุณพ่อแล้วคุณพ่ออยากทราบนะเจ้าคะว่าคําว่าอย่างคลาดขนเราคือสัญญาแล้วค่ะจพ่อถามว่าคําว่าสัญญาเนี่ยจําได้ไหมายรู้ทีนี้จําได้เนี่ยพอเข้าใจแต่คําว่าหมายรู้นี่หมายความว่ายังไงเจ้าคะเรื่องดูสิ่งต่างๆที่เราสัมผัสทำตามจะหมืกเดินการว่าเป็นอะไรไงไม่ว่านี่เป็นคนไม่ว่านี่เป็นหญิงไม่ว่านี่เป็นชายไม่ว่า เป็นการหมายรู้เจ้าค่ะกอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบขนบนบขอบขอบขอบอบขอบขอบขอบขอบขอบขอ้ขอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบมอยขอบขอบขอาขอบขอบขอบขอบยอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบปอบขอ่ขอบขอบข้บขอบขอบขอบขอนขอบขอบมอบขอบขนบขอบขอบขาบขอบขนบขอบขอบขอบขอบเอบนอบ้ชบขอบขอบขอบออบขอออบขอบขอบขอออ แลีมันก็เอาไปฝังในใจตป็นสัญญาเป็นความจำต่อไปตอนต้อนเข้าหมายรู้ก่หมายรู้ก่อนแยกแยกก่อนว่าเป็นอะไรพอรู้แล้วเข้ามาจำไว้เขาต่อไปก็จะได้รู้ว่าเป็นอะไรอ๋อว้าพิสูจ์ำได้หมยรู้นะคะคือ คุณพ่อกับลูกเนี่ยไม่เคยคุยกันเกินค่ะแต่มาตอนเนี้ยเราคุยกันเป็นสองชั่วโมงสามชั่วโมงคุยเรื่องธรรมะเจ้าค่ะทางวิดีโอคอนเฟอร์นไม่ใช่ปะไม่ค่ะทางทางโทรศัพท์ไลน์อะค่ะแต่เราไม่ได้ดูหน้ากันเน่ค่ะเมื่อก่อนเราไม่ค่อยคลิกกันอะเจ้าค่ะก็คือเราจะอยู่กันแค่แบบหนึ่งนาทีก็ถือว่าเก่งแล้วเจ้าค่ะที่คุยกันแต่ตอนเนี้ยเมื่อคืนคุยกันเกือบสองชั่วโมงเจ้าค่ะลูกบอกโอ้โหฮิตเลตคอร์ดเลยตอนนี้มีเรื่องมีธรรมะเรื่องที่น่าสนใจ เจ้าเจ้าข่าวมาสนใจร่วมกันเพราะทุกอย่างเป็นก่าวขอบพระคุณพระอาจารย์เจ้าข่าวเพราะคาสอนของพระอาจารย์ทำให้ลูกได้ได้แบบว่าตอนนั้นก็ได้ช่วยแนะพี่สาวแล้วตอนนี้ก็ได้จะมาช่วยแนะสามีให้เขาจบพ้นพ้นความรู้สึกที่มันระทุกระทรมตอนเนี้ยเจ้าข่าวเพราะลูกเคยเห็นมาแล้วลูกเข้าใจแล้วเพระเจ้าเจ้ า, าค่ะเพราะพระอาจารย์จริงๆยังไขอบคุณพระพุทพระธารมพระสงฆ์เราเป็นเพียงแต่เป็นเพียงแต่เอา เอาคำสอนดีๆของ พ, พระพุทธธรรม่าส่งมามาฝากค่ะข่าวขอบพระคุณเจ้าข่าอย่างสุดซึ้งที่สุดเลยเจ้าขา่าโอเคนะเระ<า>ปรฏิบัติต่อไปนะเค่ะเห็นแล้วเจ้าขา่าวมีความสุขเ่ค่ะที่ท่านต่อไปคุณจีบจากแมเวลาคุณจิ๊บวันนี้เข้ามาก่อนคุณชลินทรนคุณริินทอ น, อ ต, นตัมรมัสการค่พะ พระอาจารย์ได้ยินยมไหมคะได้ยินชัดเจยมอยู่ที่ทํางา น, นไนนม่ดีไม่อยากคุย อ, อยู่ที่ทํางานเจ้าค่ะนั่งนั่งนั่งทํางานอยู่แล้วฟังพระอาจารย์กับท่านอื่นไปด้วยเจ้าค่ะกับกับเป็นพอดียมรมมีคำถามค่ะพระอาจารย์คือถ้าสมมติเรานั่งนั่งสมาธิแล้วพุโทโธพุโทโธอย่างที่อาจารย์บอกท่านก่อนหน้านี้ค่ะว่า มันเหมือนกับพอพุทโธมันหายมันก็จะเหมือนตกห้วงอวกาศไปอันนี้คือมันคือขั้นที่เราเป็นสมาธิแล้วใช่ไหมคะถ้ามันตกแล้วมันนิ่เฉยๆไม่ต้องทําอะไรก็เป็นสมาธิแล้วเป็นแบบเหมือนเหมือนเราอยู่แบบว่างๆตรงกลางอะไรก็ไม่รู้สบายสบายไม่จิดปรุงแต่งไม่อะไรอยู่เฉยๆได้ไม่วุ่นวายไม่เดือแต่พออยู่พออยู่ไปสักพักมันก็จะมีอะไรเข้ามาอีกรอาที่พระเจ้าแบบเราอย่างที่ว ก็ต้องพูทโธใหม่แล้วมันพอมันมันพอพูทโธแล้วมันก็จะเข้าไปห่วงเหมือนมันเป็นไซเคิลใช่ไหมคะแบบเออมันก็จะกลับเข้าไปใหม่แต่การกลับเข้าไปมันอาจจะไม่เหมือนกันทุกครั้งก็ได้มันอาจจะไม่ต้องตกจากที่สูงมาก็ได้จะนม่งไปเลยก็ได้แต่เราไม่ควรจะจินตนาการให้มันไปอยู่ในสภาวะตกจากที่สูงแบบนั้นอีกเลยต้องต้องเพียงแต่พุทโธอย่างเดียวจินตนาการพุทโธคําเดียวแสดงว่ามันจะเกิดขึ้นเองภาวะทางเองถ้าเราไปกําหนดามันจะไม่เกิด ใช่ค่ะยมก็ว่ายมเคยเป็นอย่างงาั้นหลายครั้งแล้วพยมคิดให้มันเป็นอีกคราวนี้มันไม่เป็นเลยค่ะยมก็เลยแสดงว่าเร<ช>ามไม่มีสมาธิหรือเปล่าใช่ทําผิดเราไ ป, ไปไปไปคิดแทนมันไม่ได้เราพยาบางใช้พุทโธให้มันเข้าไปในจุดที่มันจะตอกตกลงไปค่ะ ค่ะแต่การนั่งสมาธิการปฏิบัติเนี่ยมันไม่เหมือนการปั่นจักรยานหรือการว่ายน้ําใช่ไหมคะพระอาจารย์ว่าแบบพอเรามีทักษะได้นั้นเราก็จะเป็นไปเลยแบบเป็นเองมันเหมือนกับไม่ลืมแต่พอนั่งสมาธิถ้าเราไม่ฝึกบ่อยๆมันก็จะหายกลับไปสติเราก็จะไม่มีใช่ไหมต้องฝึกบ่อยๆแล้วมันก็จ ะ, นนะมันก็จะชํานาญแล้วมันก็จะทําได้งา่ายแล้วมันรู้ว่าต้องทําไปเรื่อยๆต้องกาต้องรักษา ก็เหมือนกันเหมอนกับปั่จักรยานถ้าเราเลิกปั่นไปสักพักกต่อมาปั่นใหม่มันก็รู้สึกยากอ๋อมันก็ถูกเหมือนกันนะคะถ้าเราปั่น <สา S 1> ถู ก, ถกมัก็ง่ายค่ะค่ะพระอาจารย์ค่ะแล้วถ้าอย่างพระอาจารย์บอกว่าเวลานี่เรื่องมากระทบให้เรายอมหยุดเย็นใช่ไหมค ะ, ะแล้วถ้าสมมุติว่าบางครั้งเรายอมยอมยอมยอมด้วยความที่เราไม่อยากมีปัญหาแต่บางครั้งพอเรายอมไปแล้วเขาก็ เขาก็เหมือนกับอ่ะมันก็ประเด็นใหม่ขึ้นมานเรื่อยๆที่จะแบบทำให้เราจะก็ก็หลงหล็กได้ก็เหล็ก <üst> อย่าไปอย่า ไ, ไปถ้ามันหลีกไม่ได้เราหลีกไม่ได้แต่เราต้องตัดสินใจว่าถ้าเราไม่พูดไปมันก็จะเป็นไม่ผลดีกับไม่เป็นผลดีกับเราในอนาคตแต่ถ้ า, ถาเรายอมไปก็ต้องดูว่าเราพูดได้หรือเปล่าว่าเขา เ, เขารับสินที่เราพูดได้หรือเปล่า คือเร า, เราควร<ด>จะพูดก่อนที่เราจะยอมใช่ไหมคะสมมุติถ้าเราพูดไปแล้วแล้วเขามือ ม, มัดมือชกเราเราอยู่ในสภาวะที่มันต้องจํายอมมันก็คือต้องยอมคือ ถ, <ช>ถ้าไม่พูดได้ก็ดีแต่ถ้าจะเป็นจะต้องพูดต่อพูดแต่ก็ต้องระวังเพราพูดแล้วถ้าเกิดพุ่งมาล้มไม่อยู่เนีย่ก็กลายเป็นวิวาชันขึ้นมาใช่ค่ะใช่ค่ะสาธุค่ะแล้วอีกคําถาม น, นะคะพระอาจารย์ถ้าสมมติว่าเวลาเรามีเรื่องร้อนใจหรือทุกข์ใจ แล้วเราไปเล่าให้เพื่อนเราฟังซึ่งเป็นเพื่อนสนิทเราแล้วเขาก็รู้สึกร้อนใจหรือว่าแบบเป็นห่วงเราอย่างนี้ถือว่าเราบาปไหมคะว่าเอาอย่างเล่าให้คุณแม่คุณพ่อฟังเงี้ยว่าเราอ่าเหมือนเรามีทุกข์นี่คือทัานอยากรู้แล้วพอเราไม่เล่าท่านก็ไม่สบายใจพอเราเล่าท่านก็ไม่สบายใจคือแบบนี้ถือว่าเราบาปไหมคะเราไม่บาปหรอกมันเป็นกิเลสของเขาที่เอามาไม่สบายใจกับเรา แต่เราเราเราไม่ควรจะไปเล่าไหมคะหรือว่าแบบออไม่ควรจะพูดก็ก็ต้องดูว่าถ้าเล่าเข า, าเล่าสามารถที่จะมาช่วยแก้ปัญหาที่เรามีได้ก็เล่าไปแ้าเล่าไปแล้วไม่ไม่ไม่สามารถที่จะทําให้มันดีขึ้นก็เฉยเฉยไปเลยค่ะแต่ถ้าเราเล่าแล้ ว, ลวเขาเตือนสติเราให้เราคิดเป็นในออทางแก้ปัญหาได้เราก็าควรเล่า ไ, <ป S 2> ได้อ่อสวัาดีคจะมีประสบการณ์มาก่อนแล้วว่าจะบอกวิธีที่ มี่แก้ปัญหาให้เราได้ได้ค่ะค่ะวันนี้โยมมีคำถามเท่านี้ค่ะพระอาจารย์ <Okay. S 2> ขอบขอบขอบคุณมากๆค่ะวันนี้ขอโมทนาสาธุกับทุกท่านพระอาจารย์รักษาสาุขภาพนะคะกลับไปทํางานต่อนี่ก็จะ<ร>ฟั ง, งฟังฟังไป ต, ตอนนี้ก <10. S 1> ี่โมงตอนน <6. S 1> ี้สิบโมงครึ่งตอนเช้าค่ะค่ะโยมก็ฟังไปเรื่อยเื่อยจนกว่านายจะพูดยยมก็เอาหูฟังออกค่ะค่ะกล่าวนามการเจ้าค่ะลาไป ค่ะใช่คนละพิเศษ ต, ต่อคนละพิเศษอยู่ที่ไหนใบไม้ทีเนี่ยโอเคใบนะเ้าใจเลยนน ก, การน้มนมาสการพระอาจ า, ารออย์ครับพระอาจารย์ที่ททสกดอกคอครับพระอาจารย์ ม, มีอะไรไหมมีคำถามอะไรไหมวันนี้อ๋อก็ฝึกภาวนาตามที่พระอาจารย์แนะนําอยู่ครับแต่ว่าฝึกไปแล้วเนี่ยก็ก็ดีขึ้นอยู่แต่ว่า กันเกาะยึดของจิตเนี่ยยังสูงอยู่เพราะว่าเวลาเราภาวนาไปเนี่ยจะจะรู้ได้ว่าจิตมันยังยึงยดติดนึกอยู่เลยได้เราต้องต้องต้องใช้ปัญญามันถึงตัดได้ท่า น, นี้ถ้ายังยังไม่ถึงจุดนั้นก็ให้รู้เฉยๆก็แล้วแต่ว่าเราจะต้องตัดมันวันใดวันหนึง่งอันนี้เราฝึกสติทําจิตให้สงบให้ได้ก่อ น, นทําจิตให้สงบแล้วต่อไปเราก็ใช้ปัญญาพิจารณา สิ่งที่เราไปยึดไปติดว่าเป็นตายแล้วไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราต้อง ต, ต้องต้อ ง, ต, องต้องมีสมาธิถึงจะตัดได้ถ้ายังไม่มีสมาธิมันไม่มีกาลังมันรุ่ยอยู่แต่แมันยังตัดไม่ได้ครับคือตัวสติเนี่ยมันยังไม่เพียงพอที่จะเป็นปัญญาให้เห็นตัวที่เกาะยึดนะคะรับอาจารย์ไม่หรอกตัวสตินี่เป็นตัวที่จะทําให้จิตเราเป็นสมาธิ เป็ทําทำให้จิตเราหยุดได้หยุดกิเลสได้อพอเรามีกำลังแล้วเราก็ไปใช้ปัญญาสอนจิตให้ไปหยุดกิเลสหยุดความยึดติดได้ครับผ ม, อมตอนที่เราพยายามฝึกสติให้ได้สมาธิขออนะุะครัะครับรบคุณพระอาจารย์แค่นี้ครับขอบ ค, คุณคุณบีซีจ๋าใชคุณบีซอยู่ที่ไหน มาักการครับพระอาจารย์ผมอยู่เซียโต้ครับเอ่อเคยเข้ามาเลยนะเคยเคยเข้ามาแล้วครับก็พยายามตามดาูตามดู youtube ของพระอาจารย์นะครับแล้วก็ปฏิบัติภาวนาอะไรครับก็คือจะสอบถามเรื่องเกี่ยวกับภาวนาที่ผมทํามาล่าสุดนะครับก็รู้สึกว่านั่งได้นานขึ้นนะครับปกตินั่งได้ประมาณแค่สี่สิบห้านาทีครับแล้วก็คราวที่แล้วเนีน่นั่งได้ประมาณชั่วโมง ก, กว่าครับแต่ว่ามีภาวะที่ผมก็สงสัยไม่แน่ใจก็อยากถามอาจารย์ว่า ตอนแรกผมก็ดูจากลมหายใจนะครับตามดูลมหายใจมันจะเข้าออกยาวเข้า <_ d> um> ออกจมูกออกทางปากแล้วก็หายไปทั่วท้องนะครับแล้วก็ภาวนาพุทธโธครับเข้าออกพุทธโธอะไรเงี้ยครับแล้วพอจุดหนึ่งมันก็จะแบบรู้สึกว่ามันจะแบบสั้นลงอาจจะมันสั้นลงนะครับแล้วก็ผมในการปวดคอปวดบา้าอย่างเงี้ยครับตอนแรกก็ปวดคอปวดบ้าตอนนั่งสมาธิผมก็ปล่อยไปไม่ได้ไปสนใจอะไระครับจนถึงจุดจหนึ่งรู้สึกว่าลมหายใจมันสั้นลงสั้นลงนะครับแล้วก็ มีภาวะที่แบบว่าไม่ดู้คิดไปเองครับมันเหมืไฟแลบในตามันมืดมๆนะครับเราก็รู้สึกว่าเหมือนกับลมหายใจมันหายไปอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วผมก็รู้สึกว่ายังแต่รู้สึกลมหายใจอยู่ท้องขยับนะครับเข้าออกเข้าออกอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยปล่อยไปไม่นั่งอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วพพักพอแบบถอนออกจากสมาธิอะครับถอนออกมาเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนลมหายใจมันกลับมาครับมันมันรวมกับที่ท้องว่ามันเข้ามันมันรวมกันนะครับแล้วเลยออกมาก็รู้สึกว่า ออกมาแล้วเราดูในการเอ้ยนั่งได้นานคราวนี้จะรู้สึกดีครับก็เลยิสุดว่าอันนี้คือควรจะเริ่มเจริญภาวนาเจริญปัญญาหรือ ย, ยังหรือว่าควรจะแก้ขในในไขหรือทำยังไงครับก็ความจริงมันยังไม่สงบเต็มที่นะครับสงเต็มที่มันต้องนิ่งเฉยสักแต่ว่าเรา่ถ<ะ>้เน้นเฉยเฉยได้นานในอุเบกขาใจไม่รีอารมณ์กับสินน่งต แต่ควจริงการจะเจริญปัญญาเนี่ยสามารถทําได้ในขณะที่เราไม่ได้นั่งสมาธิตอนนี้กุณก็เจริญปัญญาได้มองร่างกายของใครก็มองว่ามันต้องตายนี่ก็เป็นการเจริญปัญญาทานไม่เที่ยงต้องเจ็บไข้ได้ป่วยนี่สามารถเจริญได้ตลอดเวลายกเว้นเวลาที่เรานั่งสมาธิเท่าเอพียงแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าเจริญแล้วปล่อยได้หรือเปล่าตัดได้หรือเปล่า ถ้ายังไม่มีสมาธิมันยังยังยังตัดไม่ได้มันยังยังไม่ยอมรับความตายเป็นต้นมันยังยังกลัวความตายแต่ถ้ามันมีสมาธิเจ็ดพันโอเบขาแล้วพอพ อ, พอดูว่าร่างกายช่วงวันหนึ่งมันต้องตายมันก็จะเฉยมันก็ไม่ไม่ไม่ทุกกับความตายได้มันก็ลองดูว่าเรามีความเฉยมีโอเบขามากน้อยเพียงไร แต่ไม่มีข้อห้ามที่จะพิจารณาปัญญาพิจารณาได้แต่ถ้ายังไม่มีสมาธิสู้จะเจริญสติต่อดีกว่าเดีย๋ยวคอยควบคุมจิตพุโทโธต่อไปเรืออ่องจาเท้าบดูว่าร่างกายกำลังทำอะไรอยู่อย่าให้ร่างกาอย่าให้จิตไปคิดเรื่องราวต่างๆคิดให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นแล้วก็จะได้กลับเข้าไปนั่สมาธิอีกรอบหนึ่งเพื่อให้มันจิตสงบเข้าไปให้มันนิ่งมากกว่านี้ อย่างนี้ก็เหมือนควมว่าเราเจริญสมาถากับปัญญาแยกกั น, นกใช่ไหรับคือสมถาก็ต่ากันคนละระดับคนระดับกันด้วยต้องผ่านระดับสมาธิก่อนเราต้องได้สมาธิที่ที่นั่นคือจิตของเราแข็งแกร่งเป็นเหมือนก้อนอินนิไ่ไม่หวั่นไหวกับอารมณ์ต่างๆแล้วเราถึงค่อยไปเจริญปัญญาต่อ เพราะว่าเหมือนกับผมไปอ่านมาเอนกัว่าเจริญสมถะให้ได้ประมาณชั้นสามหรือชั้นสี่ถึงจะเริ่มมาเจริญปัญญาครับก็เลยแบบว่าเข้าใจว่าควรจะพยายามนั่งสมาธิให้นิ่งอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ก็ไม่ได้บอกเวลาว่าจะต้องอยู่ในชั้นสามชั้นสี่นานเท่าไหร่อาจึงต้องอยู่ในชั้นสี่ได้แ น, น, น่นอนเป็นเป็นชั่วโ ม, โมงอย่างเงี้ยแออกม า, าค่อยๆไปเจริญปัญญาได้ครับบ<น>างนคนไม<ะ>่เข้าใจี่าพอเข้าชั้นสี่ปั๊บก็เริ่มพิจารณาทันทีันไม่ได้นะเหมือน มืนยังกินข้าวได้คำเดียวก็ให้ไปทํางานแล้วเพราะฉะนั้นเราให้กินข้าให้อิ่งให้เราไปพักผ่อนแบบนอนให้แต่ที่มีกําลังลต้องเ่ะขึ้นมาที่นี้ก็ค่อยเอาไปทํางานครับแล้วอย่างเวลานั่งสมาธิแบบนั่งเจริญสมาธินี่ยเราคือความยาวของแต่ละครั้งไม่จําเป็นว่าต้องได้ประมาณกี่นาทีกี่ชั่วโมงหรือว่าก็ตามกําลังของสติของเราว่าได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นครับ แล้วมีคำถามอีกหนึ่งคือเรื่องการเดินจงกรมเนี่ยครับซึ่งปกติผมก็จะพยายามมาใช้ในชีวิตประจำํำวันแต่ผมไม่รู้สึกว่าการเดินจงกรมคือมันควรจะรู้สึกยังไงครับผมใช้รู้สึกแบบดูตอนเดินเท้าเวลาเดินไปซื้อกับข้าหรือว่าเดินก็พยายาเดินให้รู้สึกว่าเดินย่าเท้าซ้ายยําเท้าขวาแต่ผมไม่แน่ใจว่านั่นคือการเดินจงกรมหรือเปล่าเนี่ยใช่คือการควบคุมไม่ให้ใจเราไปคิดเรื่องราวต่างๆด้วยการให้ดูเท้าดูการก้าวเท้าของเราครับ ผมเลยไม่แน่ใจว่าทําถูกหรือเปล่าเพราะว่าเหมือนกับผมไม่รู้สึกว่ามันได้อะไรเหมือนนั่งสมาธิจะรู้สึกตัวเองสองบแต่วเวลาเวลเดินนี่รู้สึกว่าเรามีหน้าที่ที่เดินไปซื้อกับข้าวแล้วเราก็แค่ระหว่างทางเดินไปลกไปสกอร์ซิลลี่ก็แบบเดินย่าซ้ายย่าขวาย่าซ้ายย่าขวาต้องไม่คิดงไงมันจะได้ตรงที่เราหยุดความคิดได้ครับถ้าปล่อยให้มันคิดก็ก็จะไม่ได้อะไรเดแล้วก็ต้องไม่ให้มันคิดคให้มันอยู่กับเท้าซ้ายขวาซ้ายขวาไปแบบนี้ได้แล้วได้สติ ได้ควบคุมความคิดพอเวลามานั่งสมาธิมันก็จะไม่คิดแล้วมันก็จะสงบได้เร็วแล้วมันจะมีตัวอะไรบ่งบอกไหมคราว่าเราเดินจะกลมถูกต้องนะครับคือหรือว่ารู้ว่าคิดจะไม่คิดเนี่ยอาครับครับจิตอยู่ในปัจจุบันหรือไปอดีตแปอนาคตถ้าไปอดีตแปอนาคตก็แสดงว่ายังคิดอยู่เพราะเรอยู่ในปัจจุบันถ้ามันรู้เฉยรฉยว่าตอนนี้กําลังเดินกาลังก้าวเท้าซ้ายก้าวเท้าขวาอยู่ ให้รู้เท่นาน้เองอืออย่างนก็คือแบบเป็นชุดสั้นๆก็ยังโอเคใช่ไหมหรือว่าเป็นช่วได้ทำได้ท่าตลอดทั้งวันเลยเวลาที่ไม่ได้นั่งสมาธิมีเวลาอากาศที่ยังหยุดความคิดได้ก็หยุดเลยอื<า>อดับน้าน้ำหน้าแปลง <ๆ S 2> ควันก็ก็ทําไปแล้วก็ไม่ให้มันคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ถ้ามัอยู่กับการดับน้ําน้ำหน้าแปลงควันไปครับ อย่างนี้ถว่าเป็นการทาคณิกาสมาธิป่ะคหรือไม่ใช่ก็เป็นก็เป็นการทําสมาธิแบบแบบที่ยังเค ล, ลื่อนไหวอยู่อ๋อแต่ถ้าเาการให้จิตนิ่งสงบจริงๆต้องน่างกายต้องอยู่มันนิ่งๆนั่งเฉยๆแื้อยืนเฉยๆมันก็จะเข้าสู่สมาธิได้ครับใช่ครับเดี๋ยวจะไปปฏิบัติต่อครับขอบคุณมากครับพระอาจารย์ครับอาจารย์โอคุณม<ะ>าลีต่อเลยคนมาเล่จากกรุณเทพ อนนี้อยูท้ใช่ไหมบามงโท็อปเหรอไเยอะบางโมท็อปค่ะหลวงพ่อดีวันนี้เข้ามาช้านิดนึงค่ะคุยติดงานอะไรอยู่อะค่ะหลวงพ่อหลวงพ่อครับเออไม่กี่ช่วงนึงนั่งรถอยู่เนี่ยค่ะแล้วอยู่ๆใจมันก็นึกขึ้นมาว่าจิตเราอ่ะมันเหมือนเราเห็นเรานั่งรถเนี่ยเราเห็นวิวข้างทางเห็นเห็นอะไรหลาย ๆ, ๆสิ่งหลาอย่างแต่ว่า ใจอะ่ะมันคิดว่าจิตเราอะ่ะต้องเหมือนเหมือนกับตัวเราที่อยู่ในรถเนี่ยไม่ต้องกระโดดลงไปแวะตรงนั้นแวะตรงนี้ก็คือให้เราอยู่กับตรงนี้ถือว่าให้เรามีสติอยู่กับสมมติว่าอยู่กับเ อ, อ่อคําปริกรรมพุออโทโธอยูใ่ใช่ไหมคะหลวงพ่ อ, อก็คื อ, <ถ>อเราต้องการให้ไปถึงจุดหมายปลายทางเราก็ต้องต้องอยู่กับคําบริกรรมอยู่กับการภาวนาะ อย่าไปคิดเรื่องนั้นอย่าไปสนใจกับเรื่องที่ปรากฏขึ้นมานขณะที่เราพอดนะค่ะแล้วแล้วเสร็จแล้วมันใจมันก็นึกว่าจิตแต่มันต้องเหมือนกับคนที่นั่งอยู่ในรถโดยที่ว่านั่งดูแต่สิ่งที่เราเห็นเฉยเฉยนั่งจนกว่าเราจะไปถึงจุดมุ่งหมายแล้วเราถึงจะออกมาถึงจะลงให้ดู<ต>สิ่งเดียวให้ดูพุโทโธแล้วให้ดูลงไหลใจอย่าไปดูยย<ะ>อย่างไงค่ะแล้วแล้พอหนู หนูนึกได้แบบเนี้ยแล้วพอมาเมื่อวานหนูหนูมานั่งสมาธิค่ะหลวงพอ่อนั่งตอนสิบเอ็ดโมงแล้วก็พอวันนึกนึกแบบเนี้ยค่ะว่าไม่ให้ออกไปข้างนอกให้ใจมันคิดออกไปข้างนอกนั่งรวดเดียวจนถึงประมาณเป็นชั่วโมงเป็นเที่ยงเที่ยงวันเนี่ยค่ะมันก็นั่งนั่งแล้วก็แบบรู้สึกแบบมันเงียบมันนิ่งมันสงบไปเลยค่ะหลวงพอ่อแล้วแล้วเสร็จแล้วก็ออกมา และทีนี้คําถามของหนูคือว่าการที่เราอยู่กับสมาอยู่กับสมาธิหรือว่าอยู่กับคําบริกรรมอย่างเงี้ยค่ะถ้าช่วงที่เรามีทุกข์แล้วเราเราไม่อยากไปคิดอะไรเราจะนัแต่พุโทโธพุโทโธอย่างเงี้ยมันจะกลายเป็นว่าเราหลบปัญหาหรือว่าเราหนีปัญหาหรือเปล่าคะหลวงพ่อคือถ้านําไม่รู้จากวิธีแก้ก็หลบไปก่อนดีกว่าแล้วแล้วเราค่อยมาใช้ปัญญาสอนใจแก้มันต่อไป พิจารณาว่ามันเป็นไตรลักถ้าตอนนั้นพิจารณาไม่ได้ก็ใช้สติหยุดจิตหยุดความทุกข์ไว้ชั่วคราวกแล้วค่อยมาใช้ปัญญาพิจารณาว่าความทุกข์เราเกิดจากความอยากของเราอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอไม่ได้เป็นใจเราก็เลยทุกข์ขึ้นมาแต่เราห้ามสิ่งที่เราสั่งสิ่งที่เราอยากไม่ได้ว่าให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันเป็นอนัตตาพอเราเห็นด้วย ความจริงว่ามันเป็นอนัตตาหรือเป็นอนิจจ์ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องยอมรับสภาพไปค่ะพ่อเพรานั้นใช้ปัญญาถ้ายัางใช้ไม่ได้ก็ใช้สติ อ, อหลบหลบความทุกข์ไปชั่วคราวก่อนดีกว่าปล่อยให้มันสร้างความทุกให้กับใจเราว่าเราก็แก้ปัญหาไม่ได้อู้่ดีค่ะพ่อ แล้วอีกคําถามหนึงค่ะแล้วคําว่าคําว่านิพานเที่ยงนี่หมายถึงยังไงคะก็เป็นความสุขที่ถาวรเนี่ยสมาธินี่ยังเป็นความสุขชั่วคราวอยู่นิพานคือเที่ยงแท้แน่นอนความสุขของนิพานคือเป็นความสุขที่ถาวรความความสุขที่ถาวรตรงนี้คือหมายถึงว่าใจเราต้องไม่มี คือใจเราต้องมองเห็นว่ามันเป็นไปรักแล้วก็ต้องไม่มีเขาเรียก อ, อะไรนะคะหลผมพ่อกิเลสอะไรอยู่ในใจเไม่มีกิเลสตองเทออยู่ในใจแล้วเห็นอะไรก็เฉยๆไม่รักไม่ชังไม่อยากไม่โกลัไม่หลงถึงถึงจะมีเรื่องแบบว่าทุกข์ก็เฉยๆไปเรื่องขนาดไหนก็เฉยไม่เดือดร้อนเหมือนเหมือน <ๆ S 2> กับหลุดหน้ามุนใบบัวต่างคนต่างอยู่กันไปเรื่องกระปานมันอยู่ของมันไม่เอ า, าเข้ามาในใจให้หนัดอกนักใจ ค่ะหลวงพ่อเข้าใจแล้วค่ะหลวงพ่อไม่ามาแบกไม่เหมือนตอนนี้มีเรื่องอะไรนะักก็เข้ามาแบกในใจทําให้หนักอกหนักใจไม่ได้นอนไม่หลับพอพอมีเรื่องมากระทบใจก็คิ ด, ค, ดคิดว่าถึงถึงคิดไปเครียดไปมันก็แก้อะไรไม่ได้ก็คือหลบหลบมาแล้วก็มาใช้คําคําพุโทโธพุโทโธอย่างน้อยคือ ใจเราก็สงบใจเราก็ไม่ต้องไปแสดงออกด้วยกริยาวาจาที่เราจะไปต่อต้านหรือลุกขึ้นไปไปใช้คำพูดอะไรที่มันแรงแรงอะไรอย่างนี้ใช่ถูกต้องเันถูกต้องมันมันก็กลายเป็นว่าใจอ่ะมันยอมรับได้อยู่กับทุกตรงนั้นไปใช่คือปล่อยวางได้เ้าจะพูดอะไรก็จะทำอะไรก็ปล่อยเขาพูดไปทาไปล้วไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเขาจะด่าเราก็ปล่อยเ็าด่าไปข้าวอ พอใจแล้วค่ะวันนี้หนูมีคําถามแค่เนี้ยค่ะหลวงพ่อขอบพระคุณปฏิบัติไปนะค่ะปฏิบัติตลอดค่ะหลวงพ่ออถ้าเจอแบบมันนิ่งๆอ่า ง, งนี้ของหลวงพอ่อเมื่อวานนี้แบบอยากจะปฏิบัติทั้งวันเลยอยากจะอยากอย า, อยาปฏิบัติต้องทำธรรมใช่ไหม้องทำบ่วงนะ ค่ะหลวงพ่อคือพอมันได้แบบนิ่งหนึ่งโดยที่เราไม่หลับเราไม่โยกคอนยคะหลวงพ่อมันเงียบ ก, กายเราก็หยุดไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างีคสุมากใช่เราไม่อยากออกมาจากตรงนั้นค่ะหลวงพ่อแต่ว่ามีภาระต้องมาทำแลวพอเสร็จตอนข้ามก็ปฏิบัติใหม่นึกนึกแบบนี้ตลอดค่ะหลวงพ่อว่าเราไม่ควรจะออกไปข้างนอกนะให้ให้เราเหมือนเป็นคนดู กับสิ่งที่มันเข้ามาที่ที่เราเห็นที่เราได้ยินเหมือนกับคนที่อยู่บนที่สูงแล้วมองลงมาเห็นคนเขาเดินมาเดินไปอะไรเงี้ยค่ะก็ดูเหมือนคนดูหนังเนี่ยไม่ต้องไปกระโดดเข้าไปในจอนั่นกับเขาเลยใช่หนูก็นึกถึงคําที่หลวงพ่อสอนว่าจะเป็นคนดูหรือจะเป็นคนเล่นละครอะไรประมาณเนี้ยใช่ไหมคะพ<ๆ>อมาคิดได้อย่างเงี้ยก็รู้สึกดีอยากปฏิบัติอยากจริงๆอยากจะปฏิบัติทั้งวันแต่ว่ามันก็ มีติดภาระบ้างอะไรเงี้ยค่ะหลวงพ่อหนูก็เลยคือถ้ามีเวลาหนูจะวิ่งขึ้นไปนั่งเงียบๆปฏิบัติอะไรเงี้ยค่ะหลวงพ่อมารู้สึกดีมากมายเลยค่ะหลวงพ่อได้นี่ยค่ะหลวงพ่อเตยมตัวไว้ก่อนต่อไปพอไม่มีไม่มีภาระอะไรผูกพันแล้วก็จะได้ไปอยู่ ป, ปฏิบัติได้อย่างเต็มที่เป็นธารม่ ว, วนตอนนี้ยังขับรถอยู่ข้างล่าง ต, ต่อไปอพอมี พอมีตัวซื้อขึ้นทางด่วนได้ก็ขึ้นทางด่วนไปเลยทีนี้เขาไม่ต้องมีไฟเขียวไฟแดงมีอะไรมาคอยขวาง ม, มาหนูหนูอยากจะไปไปที่วัดที่หนูไปปฏิบัติมาอีกเนี่ยช่วงยี่สิบสามยิบสี่ที่มันเป็นวันหยุดอะไรของทางการนะคะที่เนี้ยเดี๋ยวหนูจะลองดูว่าเขาบอกว่าคนที่เป็นโควิดแล้วอะ่ะ พอรลากลับไปบ้านต่างจังหวัดเขาจะไม่ให้ออกไปเพ่นผ่านที่ไหนหนูจะลองถามเพราะว่าสามารถไปได้หรือยังหนูหนูอยากจะไปที่วัดอีกอะค่ะหลวงพ่อได้ลองติดต่อสอบถามดูถ้าไปได้ก็ไปค่ะหลวงพ่อค่ะวันนี้ก่อนนะค่ะรบกวนหลวงพ่อแค่นี้ก่อนนะคะขอบพระคุณพ่อสาธุพ่คนที่ติดองต่อเลยคนที่ติดต่ออที่ไหน พูดได้เลยเชนได้เสียงไหมมาครับหผงพ่อครับเ อ, อได้ยินแล้วเชนพูดได้เลยคือที่ไหนผมได้ยินเสียงไหมได้ยได้ยิ น, ยนอยู่ที่ไหนควัอดีเน็ตไม่ค่อยเสถียรครับผอพ่อสวัสดีจากจังหวัดตากครับเออมีคําถามไหมจังหวัดตากครับมีคําถามอะไรไหม อยู่จังหวัดตากอําเภอบ้านตากครับมีครับหลวงพ่อครับวันนี้มีมีทุกทางใจครับที่อยากจะขอคําชี้แนะอ่จากหลวงพ่อเนาะนะครับว่าผมจะทําตัวยังไงดีช่วงนี้ครับคือช่วงเนี้ยผมมีทุกทางใจกับคุณแม่ครับผมฮัลโหลครับหลวงพ่อครับด้วยพระ้ได้ยินอยู่เออคือตอนเนี้ยคือ สิ่งที่เป็นอยู่ทุกวันเนี่ยก็คือทุกทางใจระหว่างผมกับคุณแม่ครับผมก็ครูจอที่ว่าไปรับคุณแม่ที่พัทยาที่ว่าไปใส่บาตรหลงพ่อนะครับก็คุณแม่ไม่สบายครับผมก็แนะนำคุณแม่ว่าเมื่อวันที่จะไปต่างประเทศครับเดี๋ยวเป็นโรคภัยไข้เจ็บกลับมาเดี๋ยวมันจะหนักก็คุณแม่เป็นคนที่มีทิจีมานะเยอะครับไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของลูกหลานญาติพี่น้องก็ไปครับและสุดท้ายก็ได้โรคภัยกลับมานะคร ผมก็ยามไปพูดให้ฟังอะไรไปบอกไปกล่าวท่านจะไม่รับฟังครับถ้าเป็นคนที่จิตมานหนักเยอะเมื่อเช้าผมก็ไปบอกไปกล่าวแต่ทุกครั้งที่พูดที่กล่าวอ่ะท่านจะเสียใจนะักร้องไห้ตลอดเลยผมอยากจะถามหลวงพ่อว่าการที่ผมไปแนะนําในสิ่งที่ถูกต้องให้กับคุณแม่ครับคุณแม่เดินทางที่จิตเนี่ยแล้วคุณแม่ร้องไห้เสียใจเนี่ยผมจะมีกรรมมีเวรติดตัวใช่หไหมครับหลวงพ่อครับ เราเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำต่อผู้เป็นผู้ที่เป็นพ่อแม่เราเราไม่ควรไปสั่งไปสอนพ่อแม่นอกจากเขาถามขอความปรึกษาเราถึงค่อพูดได้เราล้ําเส้นเขาจะไม่ถ้าเป็นซุปเอรก็เขาเรียกอะไรอัพไซด์เหรออัไซด์ทุกครั้งแต่ผมก็ไปเตือนในทางที่นั่นแหละแต่มันจะไปทำให้เขาลาคลาย ถือว่าเป็นบาปเป็นกรรมติดตัวเราไหมครับหลวงพ่อครับมันก็จะเป็นนิสัยติดตัวเราไปต่อไปเราไปอยู่กับพ่อแม่คนไหนก็จะทําอย่างนี้ต่อเนี่เราต้องรู้จักรู้จักแยกแยะว่าใครเราควรพูดได้ใครเราควรไม่พูดผู้ผู้ที่ก็เป็นผู้ใหญ่กับเราเนี่เราไม่ควรไปสั่งไปสอนเขานอกจากว่าเขาข อ, อาคำปรึกษาแล้วก็เราก็บอกก็ได้ไม่ใช่ไหมครับ ไม่คอยบอ ก, ก, บอกนู่นบอกนี่เขาเก็ลำคาญเขามีชีวิตของเขาเขาอยากจะทําอะไรเขาเขาก็อยากจะทําตามเรื่องของเขานั่นก็เราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปนะไปไปไปบอกไปสอนไปบอกนอกจากเขาถามเราแล้วเขบอกได้เ <Okay. S 1> พราะเขาถือว่าเขาเรียกเรามาเนี่ยเขารู้มากกว่าเราเนี่ค่ะ เาอยาไปสอนเขาว่าเรารู้มากกว่แม่ถ้าอย่งอยงางนั้นก็ควรที่จะไม่ไม่ควรไปไปอ่าพูดเก่าในทํานองแนวสอนอีกแล้วใช่ไหมครับหลวงพ่อครับใชถ่ถูกต้องต้องจากเ้าเขาทำปรึกษาเราพูดได้ตอนนี้ผมทุกใจทุกครั้งที่พูดทุกท่านก็จะเสียใจกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาครับเมื่อเสียใจกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาปุกท่านก็จะร้องไห้ผมก็จะทุกทางใจว่าทําให้พ่อแม่น้ําตาตก ก็จะทำให้ตัวเองเป็นเป็นบาปเป็นกรรมติดตัวเราไปวันข้างหน้าครับก็ตอนนี้ก็เลยว่าทุกใจตรงนี้มากครับหลวงพ่อก็เลยจะปอบบาชี่แนะหลวงพ่อเนี่ยแหละครับเออไม่อยากไปพูดต่อไปนี่พูดกันธรรมดาทักทายกันน่าสบายดีเลยแม่อยากใายผมทําอะไรอย่างนี้ดีป่ะทาแม่ครับทําตัวให้เป็นคนรับใช้อย่าไปทำตัวเป็นเจ้านายแม่อาจารยนะครับผมครับพระอาจารย์ครับครับต่อไปผมจะทํา ตัวใหม่ครับอาจารย์ครับเัี๋ยวเราให้เป็นเด็กหน้าเขาเป็นผู้ใหญ่นะครับครับวันนี้ผมมีคําถามไปนพนเท่านี้ครับอาจารย์ครับขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับสาธุมีการลี่ขอบคุณวันต้โลกคุณวันตโลก อ, อยู่ที่ไหนกรุงเทพใช่ไหมอยู่กรุงเทพครับอาจารย์มีอะไรไหม คือผมฝันร้ายเมื่อสักครู่นี้ครับพึ่งตื่นนอนอยากทราบว่าฝันร้ายจะเป็นความจริงไหมครับไม่ไม่แน่เร่ต้องคอยดูเพราะบางทีมันอาจจะนั่นก็ได้อาจจะไม่แม่นก็ได้เราต้องสังเกตดูถ้าอย่างนั้นผมจะต้นทํำยังไงครับก็ทําใจจะอะไรจะเกิดก็เกิดถ้ามันจะเกิดเราก็ห้ามมันไม่ได้แล้วผมจะต้นทําบุญใส่บาตรวันพรุ่งนี้ดีไหมครับมันไม่เกี่ยวกันอะมันทําได้แต่มันไม่ได้จะทําให้ ไปเปลี่ยนแปลงอะไรเกี่ยวกับเรื่องที่มันจะเกิดถ้ามันจะเกิดอเดี๋ยวผมผมไม่มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงได้ใช่นไหมครับคือบางอย่างมันก็เปลี่ยนได้บางอย่างมันก็เปลี่ยนไม่ได้ก็ต้องดูเหตุการณ์ว่ามันเปลี่ยนได้หรือเปล่าเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนเปลี่ยนไม่ได้ก็ต้องยอมรับไปไม่จะมีอินตรายเกิดขึ้นตามฝันวายไหมครับก็ต้องรอดูไปอืมมันอกิดได้จะม่ได้ มันก็ดีมันทําให้เราเรามัระวังขึ้นถ้าเรารู้ว่าเราที่ว่าเราถ้าเห็นล่างมันหวอมันเราจะจมน้าตายเราก็อย่าไปอยู่ใกล้น้ำก็แล้วกันอ๋อครับจำว่าต้องระวังใช่ไหมครับต้องระวังหลีเรื่องไอ้ที่ที่มันจะทําให้เราตายถ้าถ้าไปฝันล่ายว่าไปเกิดมีอุบัติเหตุทางรถยนต์ก็อย่าไปนั่งรถให้ฝันร้ายว่ามีโจรเข้าบ้านนะครับเอก็ก็พยายาม หาวิธีป้องกันสิเปลี่ยนหน้า ต, ตาไป<ม>ใส่อะไรให้มันครับจะพยายามครับ<ม>ก็ต้องระวังไว้หน่อยใช่ไหมครับตอนนี้แต่ไม่อากจะไม่เกิดก็ได้นะเพราะเรายังไม่เราไม่รู้ว่าความฝันว่าเราแม่นหรือไม่นั่นเนี่ยแต่ถ้าฝันทุกครั้งต้อเป็นอย่างที่เราฝันนั่ก็แสดงว่าแม่นเราก็จะได้เราก็จะได้หาวิธีป้องกันได้ก็ครั้งนี้แม่นนลยครับอาจารย์ก็รอดูไปก่อน ยังไม่เกิดไม่ใช่เลอยังไม่เกิดครับถ้าเราดูไปพาะอาจารย์ช่วยให้พรดไว้นะครับอันีขอให้เข้าคาดกปลอดภัยถ้าเป็นไปได้สาธุครับอาจารย์ขอบคุณครับมีแค่นี้ครับอาจารย์โอเคงั้ขอไปที่ท่านต่อไปคุณทรินทร์จากแมคเวลาน u s เอสเทำงานอยู่เหรอ กำลังทองานคพระอาจารย์กับวัฒนการพระอาจารย์เจ้าค่ายนะยมอยู่ที่บ้านค่ะตอนนี้เขาก็พยายามอยากจะให้ยมกลับยมก็ไม่ไปสักทีว่าอาจารย์ค่ะพระอาจารย์อยู่บ้านทำงานสบายกว่าเขาไล่เราไปเราไม่อยากไปค่ะเพราะอาจารย์คะคือว่าก่อนหน้าเนี้ค่ะตอนคือยมนั่งสมาธิยมก็สงบดีอะคะ่ะแล้วเริ่มตั้งแต่ช่วงที่ประเทศนี้เขาเริ่มเปิด เปิดรีโอเป็นอีกรอบหนึงอะค่ะโยมก็จะมีเรื่องวุ่นวายเรื่องงานเรื่องคนนั้นคนนี้เข้ามาทําให้การปฏิบัติของโยมคือก็ยังนั่งสมาธิเหมือนเดิมแต่เหมือนกับมันมันผลมันน้อยลงค่ะพระอาจารย์บางทีไม่ไดีไม่เท่าเดิมค่ะพระอาจารย์คราวนี้เมื่อประมาณอาทิตย์แล้วโยมก็เลยบอกว่าไม่ได้ละถ้าอย่างนั้นโยมต้องปฏิบัติยาวขึ้นหรือว่าต้องหาวิธี ในการล่อลวงกิเลสให้เราทำให้ได้อะคะ่ะโยมก็เลยนั่งสมาธิแบบที่ท่องพุทโธหนึ่งพุทโธสองพุทโธสามไปเรื่อยๆะคะ่ะให้จิตมันจับหยุดตรงคำว่าพุทโธก็ท่องไปถึงเจ็ดร้อยกว่าะคะ่ะพระอาจารย์จนกระทั่งมัน ม, มันค่อยๆมันมันคิดไม่ออกเริ่มคิดไม่ออกแล้วก็เริ่มวูบลงไปะคะ่ะคราวนี้ ค่ะพระอาจารย์แล้วหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาโยมก็รู้สึกว่าโยมนิ่งมากอะคะ่ะพระอาจารย์อนิ่งจนม<น>าได้สจิขึ้นมาค่ะพระอาจารย์โดยที่ปกติแล้วเนี่ยในระหว่างวันโยมก็จะเป็นคนที่กําหนดอิริยาบดย่อยซ้ายขวาซ้ายข ว, า, า, ยขวาเวลาเดินโดยที่ไม่ต้องใช้คําว่าพุโทโธแล้วอ่ะค่ะคือบางทีมัมนก็กําหนดของมันเองเราก็รู้ตัวของเราเองว่าเราจะต้องซ้ายขวาแล้วก็จิตก็กําหนดอยู่ที่ ความรู้สึกที่ปลายเท้าอะค่ะคราวนี้เนี่ยเวลาที่โยมต้องไปพบปากกับผู้คนคนคนเดียวที่จะมีผลต่ออารมณ์ของโยมได้ก็คือลูกเวลาที่เขาไม่พอใจอะไรอย่างนี้เวลาที่เขาเหมือนกับว่าไม่ได้ดังใจแล้วเขาก็เริ่มเริ่มจะมาหาเรื่องกับโยมโยมก็นิ่งนิ่งมากจนรู้สึกว่ามันนิ่งไปอะค่ ะ, ะอาจารย์นิ่งแบบที่ไม่เอาอารมณ์ของเขา แล้วมันก็ดูแต่อารมณ์ที่ขึ้นมาในจิตของตัวเองขึ้นมาว่าอ๋อนี่โยมไม่พอใจเขาตรงนี้ตรงนี้คือภาวะปัญหาตรงนี้คือวิปวัตปัญหาแล้วพอเห็นตรงนั้นเราก็เริ่มมองว่าแล้วเราไม่พอใจอะไรเราไม่พอใจตรงไหนเราไม่พอใจทาไมพอพิจารณาไปมันก็หยุดไม่พอใจมันก็ไม่มีอารมณ์ตรงนั้นเกิดขึ้นแต่มันทาให้โยม นิ่งอะค่ะพระอาจารย์โดยที่เวลาคุยกับเพื่อนบางทีเขาก็จะบอกว่าเออเรานิ่งไปไม่ไม่ใช่ว่านิ่งอย่างนั้นแต่หมายว่าให้ระวังว่าเดี๋ยวลูกจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เป็นเพราะว่าเราไม่เอ่อคือเราไม่ไปดุด่าเขาหรือว่าเราไม่ไปว่าว่าเขาควรจะทําตัวเช่นนั้นเช่นนี้การทําอย่างเนี้ยมันทำํำยมรู้สึกว่ายม ยมก็เลยเริ่มเริ่มว่าการปฏิบัติของเราเนี่ยเรายังอยากปฏิบัติต่อให้ไปเรื่อยๆโดยที่เราก็ดูอารมณ์ของตัวเองเกิดกิเลสขึ้นเราก็ดับเราก็ดับเป็นอย่างนี้ก็เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆค่ะพระอาจารย์ในเวนลาประจําวั น, นยังคงอยากปฏิบัติอยู่แต่ถา้าแต่ผลที่เกิดเนี่ยมันทําให้คนรอบข้างของเราอา๋อเอคนรอบข้างมันโย ม, รมจริงจริงดิเน ่เราก็ต้องใช้ดูดูการละเทศะดูเหตุผลว่าเราควรจะพูดไม่พูดเขาไม่พูดก็เฉยไปเขาจะที่ว่าเราแปลกเพราะว่าเมื่อก่อนเราเป็นคนพูดมากแต่ตอนหลังนี้เราไม่พูดก็ไม่เสียหายตรงไหนการไม่พูดเนี่ยมันดีกว่าการพูดใช่ไหมพูดแล้วดีไปดีพูดไม่เข้าหูเขาเพราะก่อนเราเกลียดเราขึ้นไหมค่ะพระอาจารย์เพราะยมเชื่อว่าการพูดอะไรออกไปโดยที่ไม่สร้างผลประโยชน์ให้ใครก็ตาม ไม่ว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงยมก็จะไม่พูดแล้วยมก็ค่ะยมก็ไม่พูดแล้วแม้กระทั่งเรื่องลูกตัวเองเออที่เขาไม่พอใจว่าเขาจะไปเที่ยวตรงนั้นตรงนี้หรือเขาอยากแต่งตัวอย่างนั้นอย่างนี้แล้วโยมไม่เห็นด้วยยมก็คิดว่าเขาไม่ได้ไปทําให้ใครเดือดร้อนแต่มันอาจจะไม่ถูกใจเรายมก็เตือนแล้วยมก็หยุดแล้วก็ปล่อยถ้าเขาจะยังคงทํำยมก็ต้องปล่อยแต่เหมือนมันทำทำเ่องนี้ แต่มันมีขีดเพราะมันยังเขาไม่รู้เรื่องอะไรคนอื่นน่ะเป็นตัวตัวหลงง้อแล้วพอสองคนฉลาดเขาไม่รู้จักหยุดเนี่ยเรารู้จักเรารู้จักหยุดเรารู้จักยอมหยุดเย็นเข้าใจไหมยอมหยุดเย็นยอมหยุดเย็นไม่เป็นในขณะที่โยมยังคงมุ่งมั่นอยากจะปฏิบัติต่อกลางค่ำกลางคืนโยมก็ลุกขึ้นมาปฏิบัติมันทําให้เราการมองของเรานี่มันไม่ได้มอง แค่เฉพาะในสมาธิแล้วมันมองในชีวิตประจํำวันมันมองสิ่งที่พูดออกมาจับ จ, จิตใจความคิดหรือไม่ว่าจะเป็นความคิดตัวเองความคิดคนอื่นมันจับความรู้สึกหมดุดหิดอุ้นงานอะไรนี้ได้ได้เร็วขึ้นนะคะพระอาจารย์ใช่การไปก็ไม่ใช่ดูแต่เฉพาะตัวเราดูคนอื่นด้วยดูจิตเราดูจิตเขาจิตในจิตนอกค่ะแล้วยมควรจะปฏิบัติยังไง อย่างนี้แหละป่อยวางป่อยวางถ้าปล่อยได้ก็ปล่อยถ้าจําเป็นจะต้องพูดกับพูดถ้าพูดแล้วไม่ไกิประโยชน์ก็อย่าพูดค่ะค่ะก็ทํำอย่างไปรดีนะถ้าเกิดพูดแล้วเกิดความเสียหายก็อย่าพูดดีกว่าค่ะแล้วเราก็รับฟังความคิดเห็นของคนอื่นแล้วเราก็แค่รู้ว่าพูดแค่นั้นก็พอใช่ค่ะแล้วก็ฟังเขาแล้วก็ดูว่าเขาพูดแล้วมีเหตุมีผลหรือเปล่า ไม่มีเหตุผลทำไมต้องไปเป็นไม่ต้อง ไ, ไ, ไ, ไปสนใจแต่ก็ไม่ทำไปทถีงอ่ะครับปล่อยเขาพูดไปให้ก็สบายใจทํางงบ้ า, <อ>ปางประเด็นเออเอ อ, เ อ, อขอบคุณค่ะเ<ห>ข้าพระอาจารย์แล้วบางทีเรารู้สึกว่าคําพูดของเราเนี่ยมันมันตรงเกินไปกว่าคนที่รับฟังเขาจะเขาจะจะต้องหาหาพูดวิธีดีประมาทหน่อยเดี๋ยไม่พูดตรงเลยบางที เจ้าพูดแบบวัวไม่ช้ำน้ำเราก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่ไ้ค่ะแเ้าก็บอกว่าโอ้ยทําไมพูดตรงขนาดนี้เราก็บอกเราก็บอกเขาว่าเราไม่ได้พูดด้วยอารมณ์ไม่มีอารมณ์เลยจริงๆค่ะพระอาจารย์ไม่มีอารมณ์แต่เรารู้สึกว่านี่คือความจริงที่คุณต้องยอมรับนะเขารับไม่ได้แต่เขารับไม่ได้ไอ้ก็รู้สึกว่าเอตัวเองผิดไปหรือเปล่าหรือว่าการปฏิบัติวิธีการพูดแล้วก็ยังรับความจริงไม่ได้ ค่ะพระอาจารย์บางคนที่รับความตายไม่ได้พอเราไปบอกว่าอย่ามากแค่แค่ตายนี่รับก็เขาก็ไม่พอใจแล้วจริงค่ะพระอาจารย์ค่ะก็ถ้างั้นโยมก็ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรใช่ไหมคะพระอาจารย์ก็ถ้าไม่ทําไม่พูดได้ก็ทําไมพูดได้ก็ไม่ลองพูดถ้าพูดได้ก็พูดพูดให้มันนิ่มนวลพูดให้แม่ให้มันเกิดรักษาศีลีงค่ะพระอาจารย์ไม่หมู่า ใช่แต่มันก็ไปพูดกัะด้านรั้วสาสินก็ไม่ต้องพูดกัะด้างค่ะค่ะ <c oughs> พระอาจารย์ทำดคูความจริงนะไปทําให้เขาไม่สบายใจก็อย่าไปพูดค่ะค่ะค่ะอย่างนั้นก็โยมก็จะปฏิบัติตามค่ะพระอาจารย์วันนี้ก็มีเท่านี้ค่ะพระอาจารย์คือต้องรู้จักกา ร, รานะละเทสานะรู้จกแต่<า>คือปฏิบัติแล้วเราไม่อยากไปยุ่งกับใครอะค่ะพระอาจารย์ไม่อยากไม่อยากไปก็อย่าไปยุ่งแต่ถ้าต้องยุ่งก็ต้องทําใจก็ต้องยุ่ง แต้าไม่ต้องยืนได้ก็ดีถ้าถ้าต้องยูนก็พยายามทาใจให้ให้เย็นให้เฉยค่ะพระอาจารย์ค่ะจะนําไปปฏิบัตินะครับถ้าจะต้องยืนกับใครก็ใช้สูตรสามย่อยอมหยุดเย็นใครก็จะว่านายยอมไม่ต้องไปเทงนะครัได้ค่ะพระอาจารย์ขอบคุณค่ะคเสาธุค่ะเชิญคุณพระธาพรต่อ บัสดอะไรงไงอยู่สเปนคนจีนวันนี้มีเพื่อนมาทําบุญก็บอกว่ามาจากคนจีนอยู่พัทยากลับมาสกายเจา้าค่ะห<ม>ลวงพ่อกลับมาสกายเจ้าค่ะ<ม>ไปแอบไปปีกวิเวกเจ้าค่ะเ<ม> <laughs> จา้าค่ะหลวงพ่อแล้วก็อ๋อรู้สึกไม่ค่อยอ่าเหม่ เหมือนน้องคนเมื่อกี้เลยอะเจ้าค่ะเพราะว่าพอโควิดแล้วเนี้ยคนเรารู้สึกแบบวุ่นวายเนี้ยค่ะที่บ้านเดี๋ยวเพื่อนสามีมาเดี๋ยวญาติสามีมาอะไรเงี้ยเจ้าค่ะแล้วทาให้เป็นคําถามเดียวกับน้องคนเมื่อกี้เลยเจ้าค่ะหลวงพ่อมันทําให้รู้สึกแบบใจเราแบบมันอยากเจ้าค่ะมันอยากปฏิบัติได้มากกว่า น, นี้อะไรเงี้ยเจ้าค่ะมันทําให้เหมือนแบบอ่าแบบ เร้เปิดเราเปิดสามีสามีไล่บอกไปอยู่ในสวนแล้วก็แบบไม่ได้โกรธนะโอ๊ยดีใจจังเลยไล่จุกไปอยู่ในสวนเจ้า mm hmm. ค่ะแล้วก็ก็ก็พยายามดูใจตัวเองแต่ว่าความอยากเนี่ยมันเหมือนแบบว่ามันทําให้ลูกแบบเหมือนใจมันมันอยากอ่ะฉันอยากไปปีกวิเวกมันเหมือนแบบตอนที่โควิดแล้วทุกคนไม่ได้ติดต่อกันอะไรเงี้ยมันทําให้เรารู้สึก เราวิเวกได้อับเจะ้าคาา่ะพัชฌานหลวงพ่อได้ยินไหมเจ้าค่ะได้ยินได้ยินได้เจ้าค่ะเจ้าค่ะ<ม>แล้วก็พออย่างตอนเนี้ยมันทําให้ลูกแบบแล้วต้องปรับใจเข้ากับชั่วความจริงเมื่อก่อนเราวิเวกได้แต่ตอนนี้ตอนน้องมีล่ะมีแขกมีคนมาก็ต้องทําใจรับแขกรับคน<ะ>บ้างเจ้าค่ะหลวงพ่อแล้วมันเหมือนแบบเหมือนลูกแบบไม่อยากเราไม่อยากจะแบบติดต่อไม่อยากจะ คุยไม่อยากจะ ừ ừ ừ จะคุย <ừ ừ S 2> ไม่อยากจะ ừ ừ อัดรกับใครแล้วทั้งนั้นแม้แต่บางทีสามีเจ้าค่ บ, บางทีไม่อยากจะฟังเรื่องโปรเจกต์อะไรของคุณฉันไม่อยากจะฟังบางที ừ ừ พออก็จะยินเขาจอดรถลูกก็จะวิ่งเข้าห้องผเพื่อเขาจะได้ไม่ต้องมาพูดกับลูกจะาค่ะหลวงพ่อก็ต้องปรับตัวเองว่าเรายังต้องอยู่ร่วมกันแล้วก็ต้องเจ้า่าเอาเราจะตัดใจเราอย่างเดียวไม่ได้ เจ้าค่ะลูกก็ ก, ก็ก็มีความรู้สึกแล้วก็ก็พออันนี้บอกก็ก็บอกเขาตรงๆ อ, อ่ะแล้วก็ก็ขอเสียพอระเบิดบอกเขาแล้วก็แบบขอเ so ีว่าแบบคือปกติพอเข้าเป็นาแล้วลูกจะต้องแบบติกูเกเราต้องปฏิบัติกันมากกว่านี้แล้วพอตอนเนี้มันเหมือนเอ๊ะ e ทำไมเรามันไม่ใช่อ่ะแล้วมันเหมือนใจมันจะระเบิดมันเหมือนใจละจะระเบิดเพราะว่าเราอยากเจะ ปีกวิเวกมันเป็นความรู้สึกที่เราแบบเราไม่สามารถที่จะบอกเขาได้อะเจ้าค่ ะ, ะพอ า, าจารย์ว่า mm hmm. เอ้นี่มันเข้าเป็นสาแล้วปกติลูกจะต้องแบบมันมันเยอะกว่านี้อมันไม่ใช่น้อยไม่ใช่แบบนี้เรารู้สึกว่ามันเราปฏิบัติน้อยไปนะเอ้หรือความอะไรมันทําให้ลูกแบบแล้วลูกวันนั้นระเบิดเข้ามาแบบเนี่ยทั้งแมวท้องไรคือเราเตื่นมาแล้วเราอยากจะปฏิบัติก่อนไม่ใช่แบบ มาเจอแมวมาเจออะไรอย่างเงี้ยเจ้ค่ะก็ระเบิดไปแล้วแต่เราก็ก็มีสติออ ก, กมาแล้วก็ไปโซลอรี่เขาแล้วก็เขาก็เข้าใจเขาก็เข้าใจวโอเคเข า, า okay. เขา้เขาใจเขาบอกอโอเคไอโนอะไรเงี้ยแล้วยกแล้วลูกก็บอกว่าก็ก็พยายามบอกเขาว่าโอเคเขาก็บอกโอเคโอเคเขาเข้าใจไม่เป็นไรแล้วแต่ว่าใจอะมันรู้สึกว่าเอเราอยาก เ, เราอยากมากกว่ น, นี้เจ้าค่ะหลวงพ่อ มั น, มนอยาก เ, าเกินความพอดีก็เป็นทุกข์ต้องทให้มันอยากในขอบเขตที่เราทำได้เจ้าค่ะเจ้าค่ะหลวงพ่อแล้ก็ความอยากเราให้น้อยลงยเจ้าค่ะแล้ว ก, อวก็อย่างนี้พอโควิดมันสงบละอ ย, อย่างเพราะว่าคนอังกฤษเขาก็จะนิยมมามาทาอที ที่บีซ่าบ้านเราอยู่แล้วนะะแล้วบางทีช่วงนี้สามีเขาก็ไม่ได้บินไปลอนดอนไม่ได้บินเขาก็จะให้โปรเจกต์มเชร์ที่อังกฤษที่ลอนดอนบินมานี่ที่ฝรั่งเศสบินมาเพื่อมาประชุมเขาแล้วลูกก็ต้องไปทานเข้าด้วยอะไรอย่างเงี้ยว่ามันต้อทำหน้าที่ไปต้องทาหน้าที่ไปต้องปรับปกัปกตัวเราเอง เจ้าค่ะหลวงพ่อแล้วมันไม่อยากเราไม่อยากจะลุกมาแต่งหน้าทําผมไม่อยากจะแบบไม่อยากแล้วเนี้ยบางทีแต่เขาเออลูกก็ออก็ดีใจมานิดนึงที่ที่วันนั้นมันเป็นวันพุธใช่ไหมเจ้าคะ่ะแล้ว เจ็ค แ, แมนเนจเจอร์ที่ลอนดอนมาแล้วเขาตอกไม่ได้นะวันนี้ไม่ได้วันนี้เป็นวันเมดิเตชันของเจสซี่มินเขาวันนี้ไปดินเจสซี่มินก็ไปดินเนอด้วยไม่ได้ลูกก็แบบได้ยินได้ยินได้ยินเขาพูดโทรศัพท์กับเพื่อนเขาเข้ามาแล้วก็อ๋อเราได้วันพระเพิ่มอีกหนึ่งวันสาธุเจ้าหลวงพ่อเจ้ค่ะแล้วก็เจ้าค่ะเราก็ต้องต้องรักษาความพอดีไว้นะมากเกไปก็ไม่ดีน้อยเกินไปก็ไม่ดี เราพาหลวงพ<ด>่เรายังมีหน้าที่ที่เราทำภารกิจอย่างนอยแล้วตอนนี้มันทําให้ใจลูกมันใจมันเหมือนแบบว่าอืใจเหมือนไม่ไม่ใจมันเหมือนไม่ใสะเจ้าข้าหลวงพ่อปกติเรารู้สึกว่าใจเราใส่แต่ว่าเอ๊ะทาไมเนี่ยช่วงนเนี้ยเนี่ยช่วงที่เรามีแขกมีอะไรเนี่ยมันทําให้ใจเราที่มันใสใสะใจมันแบบ ขุ่ขึ้นมาเพราะความไม่อยากเจอคน น, ค น, <ช>นั่นคนนี้ไงใช่จ้าค่ะหลวงพ่อแล้วก็ใช้ปัญญาปรับว่ามันมันต้องปรับให้เข้ากับเหตุการณว่าตอนนี้เรามันต้องเจอคนเราจะไม่เราจะหนีไม่ได้ค่ า, าต้องเจอถ้าเราปรับใจยอมแล้วไม่ต้องเจอมันก็จะไม่มันก็จะไม่ขุ่นใช่ทุเจ้าค่ะหลวงพ่อขอบพระคุณจ้าค่ะตอนนี้เพื่อนๆก็พักมาว่าคุณกี่คุณกี่หายไปไหนคะ ลูกกำลังลูกเข้เาพรนษาค่ะขอขออนุญาตค่ะเข้เาพรนษาไม่ได้โกรธไม่ได้อะไรใครนะนะคะแบบขออนุญาตเข้าพรรษาค่ะอเจ้าค่ะหลวงพ่อตอนนี่ยลูกก็รู้สึกแบบแล้วก็อ่อเมือ่อแล้วก็ลูกก็มีอุบัติเหตุมีอุบัติเหตุตกเขาแต่ว่ารู้สึกนาทีที่ลูกเนี่ยมันรับมันก็รู้สึกว่าอ๋อเนี่ย ความตายเนี่ยมันอยู่กับเราตลอดเวลาเหมือนที่ ส, สามมาสามพิจเจ้าให้เรานึกถึงความตายอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมเจ้าค่ะหลวงพ่อแล้วนาทีณะที่ล uh ูกแบบสื่อสไลด์ไปอ่ะเราร้องไอ้มันหนึ่งนาทีแล้วมันก็พุทธโทมในที่นั้นอ่ะลูกแบบมันพุทโธอยู่ข้างในแล้วลูกรู้สึกว่ามันมันมันมันแยกกายแบบจิ้งก็ใกล้ใกล้เลยแบบว่าเราก็ใจมันมันนิ่งอยู่กับพุทธอ่ะจน จนสามีกับอพี่สาวเขาก็าไปนี่เราก็แบบแต่ใจอ่ะกลับไปห่วงพี่สาวเขาว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพอเขาแปดสิบแล้วเดี๋ยวเขาจะใจนี่เราไม่เป็นไรเราคนเดียวเจ้จาค่ะเราก็เลยแล้วก็ขึ้นมาแล้วบอเฮ้ยเรามีความรู้สึกนาทีนั้นะมันเหมือนสโลโมชั่นนะเจา้าค่ะหลวงพ่อลูกรู้สึกว่าใจกับกายอ่ะมันแย่ ก, กันอะ่ะหลวงถูกต้องไหมเจา้าค่ะหลวงพ่อใใจเป็นทูต ด, ดูกาย ดูการเคลื่อนไหวดูเหตุการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นกับร่างกายใช่เจ้าค่ะหลวงพ่อรูปแบบเหมือนมองเห็นนะเหมือนลูกมองเห็นเหมือนเป็นภาพสโลว์โมชั่นด้วยภาพที่แบบใจเราเร็วใจเรามีสติเร็วแล้วก็เลยเห็นภาพมันช้าเจ้าค่ะหลวงพ่อมันเห็นว่ามันเหมือนบอกว่าเหมือนเรายืนดูเฉยๆว่ามันกิ้งอ่ะมันกิ้งลงไปอ่ะเจ้าค่ะเราเห็นแล้วคือใจมัน พูดโท้พูดท้พูดโ ท, ดโทอยู่แบบเหมือนรูปแบบมองอยู่อ่ะเจ้าค่ะนาทีนั้นแล้วแบบแล้วก็พอเสร็จทุกเช้แล้วนาทีนั้นน่ะเกิดรูปแบบลงไปแล้วในเ ห, หวหรือหัวฟาดแล้วแบบอ่าสิ้นชีวิตไปอ่ะนาทีนั้นน่ะลูกก็คือไม่ไ ม, ไม่ไม่ลงไม่ลงข้างล่างใช่ไหมเจ้าค่ะหลวงพ่อถ้ามีถ้ามีสติไม่ถึงประจานเจ้าค่ะเจ้าค่ะ ปล่อยปล่อยร่างกายไปเลยมันจะไปก็ไปห้ดูเเฉ้ดูเฉเฉเจ้าค่ะจ้าค่ะหลวงพ่อกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะหลวงพ่อเจค่ะอ้าวลิกรบแล้วนีก่อนนะน้องเดียวสบายดีปิดเทมแล้ใช่ไมไ่จะเปิดเทมนะ้ปิดเทมแล้วครับปิดปีสุดท้ายแล้วทีนี้ปีสุดท้ายแล้วครับโอเคตั้งใจเรียนนะครับ อ่าถามสุนต า, าเรื่องหนึ่งครับ อ, าายอย่างว่าสมมติเราเพิ่งเปิดเทอมใช่ไหมครับแล้วเหมือนเราก็ยังไม่ชินกับการที่ต้องกลับเข้ามาโรงเรียนอะไรเงี้ยแล้วเหมือนเราเวลานั่งฟังครูพูดนั่เหมือนเราหลุดสมาธิหลุดไปเหมือนไม่ไม่โฟกัสกับเขาไม่ค่อยได้เอ่าม<อ><อ>ใช้<อ>ใช้พูดโธเดินกลับมาทำพูดโทพูดโทนพูดโทนไป ฝึกนัฝึกสติหนึ่งจิตให้อยู่กับกับเสียงที่ครูพูดนึงให้กลับมาฟังฟังเสียงครูพูดอย่าปล่อยอหนคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ครับลองใช้พุโทโธเท่าพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปแล้วแล้วน่าจะกลับมาฟังได้ครับโอเคครับขอบคุณครับคุณตขอ บ, บคุณเจ้าค่ะหลวงพ่อครันนขอถนะูกสุขภาพร่างกายแข็งแรงเจ้าค่ะ อที่คุณปุยต่อเลยคุณพุยจากล็กซมเบอนี่อยู่โอนกันคุณปุยฟวานซีค่ะสวัสดีค่ะพระอาจารย์อ่าเป็นยังไงมีอะไรไหมวันนี้วันนี้ก็มีนิดหน่อยค่ะพอดีว่าเอ่อปุยก็นั่งวิปัสสนาอย่างที่พระอาจารย์สอนนะคะได้ยินไหมคะได้ยินเลย เออพอดีว่าผู้นั่งวิปัสนานั่งนั่งสมาธิอย่างที่พระอาจารย์สอนและ mm hmm. คือเรารู้สึกว่าเออตัวเบาๆใจมันสบายแล้วแบบมันนิ่งๆและเวลาเวลาที่แบบว่าเออคือเรามาทํางานเนี่ยมันต้องมีคนมีเรื่องนู่นเรื่องนี่เรือนี้เรื่องน้นสิ่งที่ทํางานเนีเราจะรู้สึกเฉยพอเรายิ่งเฉยเรายิ่งนิ่งแล้วเรารู้สึกว่าเออเดี๋ยว สักพักนึงเดี๋ยวเขาก็มาขอโทษเราและดีแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าเราเราเข้าใจคําว่าช่างมันแล้ว อ, ะ อ, อ่ะก็รักษาให้มันเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆค่ะและพยายามก็ในระหว่างวันก็พยายามสวดมนต์บ้างสวดเอ่อบทเจดกพัดบ้างสวดพุดโชวพูดโชว์พูดโชไปเพราะว่ายอมได้เอที่ไอตัวนับ อ, ะ อ, อ่ะเออได้ทําไปเจั้นสติไปไเร<อ>ื่อยๆ ค่ะแล้วมันมันมีรู้สึกว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพอดีว่ายมจะหมุนตัวทีนี้รู้สึกกระดูกอะ่ะด้านหลังเนี่ยมันหมุนอะ่ะมันความรู้สึกของเราว่าตัวเราหมุนอะ่ะหมุนรอบเลยแล้วแบบลองเห็นเหมือนกับโคลุมคลุมคลุกระดูกคลุกระดูกเลยค่ะแต่เราเออโอเคไม่เชื่อหรอกเพราะว่าเอ่อตามันอาจจะคิดมากไปตามันอาจจะไม่ดีหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้เอ่อ คือไม่พยายามจะติดอยู่ตรงจุดนั้นเพราะไม่อยากจะให้ตัวเราคิดว่าเฟเจอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เฉยเฉยไปก็มันจะเห็นอะไรก็รู้ว่ามันเห็นอะไรไม่ต้องไปปฏิเสธมันค่ะฮะมันจะเห็ น, ห น, นรู้อะไรก็ให้มันเห็นให้มันรู้ตามความเป็นจริงไปค่ะยมก็เอ่อเวลาเดี๋ยวนี้ยมนั่งแบบว่านั้งแต่ฟังพ่อจารย์มาเนี่ยสี่อาทิตย์แล้วนะ โยมก็นั่งได้มากกว่าหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงกว่าคือพยายามทําให้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทั้งเช้าที่เย็ยนเลยมากขึ้นมากขึ้นแต่โยมมีคําถามหนึ่งจะถามค่ะว่าคือตื่นขึ้นมาปุ๊บโยมจะตื่นจีสามเนี่ยจะนั่งสมาธิได้เลยไ้ยคะหรือว่าจะต้องสวดมนต์ก่อนไม่ต้องสวดอะไรก็ได้ถ้านั่งได้ก็นั่งเลยใช่ปกโดยโยมจะเอ า, อางี้ปกติโยมจะต้องใส่บาตรก่อนแล้วก็มานั่งามาสวดมนต์แล้วก็มานั่งสมาธิ ออไม่จำเป็นนทำได้ตลอดเดี๋ยวยงสนุกนมื่อไหร่ทำเอยสนุกเมื่อไหร่ทำได้เลยดีครับยมจะมาขอบพระคุณคระอาจารย์มากเลยเป็นที่พึ่งทางใจที่ดีที่สุดเลยแล้วรู้สึกสดชื่นด้วยและพระอาจารย์สบายดีไหมคะสบายดีอ๋อค่ะขอให้พระขอให้พระอาจารย์สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะค่ะ ค่ะขอพรด้วยค่ะหลุงนะพระอาจารย์ให้สวยไม่สางบ้านมึงรวยนะขอบพระคุณนะขอรวยๆด้วยนะขอให้ถูกหวยจังหวะนะสาดูสาดูค่ะขอบคุณค่ะโอเคขอไปที่ท่านตอบไปเคยเวิลาสินี่แต่วันนี้ชายุี่ปุ่มาเยอะนะนี่ก็มาจากเยอรมันหายหน้าไปหรายทีนะ กลับนมัสการค่ะท่านปาาระธานอาทิตย์ที่แล้วยมก็เข้าค่ะพอดีวันนี้ได้ได้กลับมาทันค่ะเลยรีบเข้ามาก่อนค่ะค่ะยมอมีเรื่องคล้ายๆกับคุณพัฒนาพรก่อนหน้านี้ค่ะคืออาทิตย์นี้ยมไม่ได้มีลางบอกเหตอะไรเลยนะคะไม่ได้ฝันแม่อะไรแต่ว่าประสบอุบัติเหตุคือพึ่งต่อยในปากค่ะท่านปาาระธานอ๋อ <laughs> ค่ะพอต่อยปุ๊บเหมือนกับพอเหมือนมีครู้สึกว่าน้ำกรดมันรากนะคะเพราะมันเป็น นั่นใช่ไหมคะจิตมารวมเลยค่ะท่านอาจารย์ตรงกลางตรงนี้เลยค่ะจิตมารวมแล้วก็กลายเป็นว่าเพื่อนคนที่ปฐมพยาบาลอะอ<ๆ>เขาตกใจเพราะทำอะไรไม่ถูกกลายเป็นตัวโยมอะ่ะต้องบอกเขาว่าเขาต้องทําอย่างนั้นทําอย่างนี้เพื่อปฐมพยาบาลตัวโยมอค่ะเสร็จอ่าก็ไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรซับซ้อนแต่อจิตแล้วก็ไม่เดือดร้นนอนยังนอนตายก็ตายไปค่ะมันก็บวมมันก็เจ็บของมันไปอย่างเนี้ยคะ่ะแต่โยมก็ไม่ได้ เป็นอะไรมากมายค่ะท่านอาจารย์ยมมีคําถามซึ่งมาเกี่ยวกับการพึ่งต่อยนะคะยมสังเกตมาหลายทีแล้วคะ่ะแต่แต่เราให้แน่ใจก่อนแล้วค่อยถามพระอาจารย์ค่ะที่กับเรียนท่านอาจารย์ไปว่าจิตมันรวมลงอยู่ตรงบริเวณหน้าอกนะคะแล้วมันหนักแน่นเหมือนหินเหมือนเขาทั้งลูกเลยเนยคะ่ะแล้วสองสามอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วคะ่ะไม่มันไม่ได้รวมตรงนี้อย่างเดียวมันมีอาการหมุนติ้วติ ว, ตว ด้วยอะคะ่ะตอนกลางคืนด้วยเป็นอย่างนั้นนะคะท่านอาจารย์มันหมเหมือนลูกขาเลยอะคะ่ะหมุนอยู่ตรงนี้อะคะ่ะอยมยังถูกทางหรือเปล่าคะท่านพอาจารย์หรือว่ายมยังต้องทํำยังไงคะอถ้ามันยังหมุนอยู่แสดงว่ามันยังไม่สงบก็พยายามใช้สติคุมมันไว้มมันมันนให้ให้สติ ด, ดูมันเฉยๆก็ได้มันจะหมุนก็ปล่อยมันหมุนไปไม่ต้องไปทําอะไร ค่ะมันเป็นสามอาทิตย์ได้แล้วค่ะท่านพระอาจารย์หมุนตรงตรงไม่ตรงนี้ก็ตรงตรงปลายจมูกค่ะหมุนตลอดเมื่อก่อนมันจะค่อยๆรวมเข้ามาแบบ เ, เราใช้อะไรถูกใจให้ไห้หรือเปล่ามีลายผูกใจใล้ไหมคะกําหนดรู้เฉยเลยค่ะเมื่อก่อน อ, อ, าอาจจะต้องใช้พุทโธอาจจะต้องดูลมหายใจแต่พอหลับตาปุ๊บมันก็จะมองไปที่แสงสว่างเลยค่ะมองไปที่เหมือนแสงจันทร์นะคะอล้วมันมันก็จะเข้าไปอยู่ในนั้นเลยค่ะเหมือนถูกดูดเข้าไปค่ะ ลราพอระหว่างวันยมก็แค่กําหนดรู้ที่ปลายจมูกหรือไม่ก็ตรงแบบตรงหน้า อ, อกนะคะแล้วก็รู้ตรงนั้นอยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ยคะ่ะก็ลองกำมากาหนดรู้ที่ลมได้ก็ลองนึกมาอยู่ที่ลมเดี๋ยายที่ห<ะ>มุนไปหมายมันหมุนไปเราก็มาดูลมหมุนไปค่ะอ่ะค่ะจะลองดูเขาว่ามันจะหายไปไหมเดี๋ยวมันมันไม่สงบเต้องใช้สติดูลมอาวนาภานสติ อล้วเี๋ยวมันก็จะหายไปมันมันก็จะเน่นสมองค่ะอาจจะขาดสติไปในช่วงช่วงหลังๆก็ได้ค่ะเพราะว่ากําหนดกําหนดรู้อย่างเดียวเนี่ยค่ะใช่รู้เฉยๆแต่มันไม่ได้ไปควบคุมจิตมันก็จิตมันก็ยังแข็งเล็ดได้ค่ะแปลกใจค่ะแสดงว่าสติอ่อนไปใช่ไหมคะท่านบาอาจารย์ชูจบด้ามค่ะตรองกลับมาที่ลมื่อที่พูทโธนะค่ะ ค่ะหมดคำถามค่ะโเคค่ะกอบคุณค่ะยังดีใจที่ยังปฏิบัติอยู่นะไม่เลิกนะไม่ค่ะเวลาทําน้อยลงค่ะเพราะว่าต้องกลับไปทํางานแต่ว่าก็พยายามไม่ทุกกับมันนะคะก็กําหนดสติรู้ระวังวันค่ะโอเคกลับมาหลังเลิกงานแล้วค่อยทําอย่างเนี้ยค่ะทํางานเครื่องมันน่อน๋อนี่เย็นได้ไหมคะเย็นแล้วค่ะทางนี้เย็นแล้วค่ะวันนี้วันนี้ก็พยายามจัดสรรนะคะพยาามมีคำถามก็พยายามจะจัดคิงให้ได้ค่ะ โอเคค่ะขอบคุณไไค่ ะ, คะท่านต่อไปคุณนฤทธิ์จากนฤทธิ์จากกรุงเทพงาอนมันติการมเขาหลวงพอ่อขอสอบผ่านเรื่องหนึง่งรับฟังเทพของหลวงตาหลวงตาบอกสมบัติของเรานี้มีอย่างเดียวนั่นคือใจนั่นเองใจนั้นเป็นสมบัติของเราก็เลยอันนี้คือใจนี่คือสิ่งที่ไปเกิดข้ามภพข้ามชาติชะพบน้อยพบใหญ่นี่คือใจอ น, นี้ใช่ไหยครับหลวงพอ่อ ใชใช่ที่กําลังพูดอยู่นี่ก็คือใจผู้ที่กําลังพูดอยู่นี่ก็คือใจโดยใช้ใช้ร่างกายเป็นสื่อนะเป็นเครื่องมือแต่ผู้ที่กําลังสื่อสารอยู่นี่ก็คือใจผ่าทางร่างกายเออแล้วที่เขาแล้ที่บอกว่าสุดท้ายใจนี้ก็ไม่ใช่ของเราต้องทิ้งใจไปมันคือใจไหนครับหลวงพ่อก็ตัวนี้นะ ตอนนี้เรายังยยังังงว่ามันเป็นเราอยู่แต่ความจริงมันเป็นเพงแต่เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งเป็นผู้รู้เท่านั้นเองแต่ไม่ต้องกังว ล, ลให้มันถึงจุดนั้นก่อนแล้วค่อยมาว่าตอนนี้ปล่อยวางร่างกายให้ไดก้ก็คือใจนี้ก็เราก็สั่งทำสามอย่างที่หลวงพ่อชอบหลวงพ่อสอนบ่อยๆคือละละบาปทั้งปวงทํากุศลให้ถึงพร้อมชำระจิตใจให้ผ่องใสเออนั่นทำด้านนี้ไปก่อน อครับก็ทําอย่างนี้ก็เพื่อเราเราก็มาพิจารณากายอย่างเช่นผมฟังเทศของหลวงตาผมก็ฟังเทศของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกวันก็ฟังแต่ละทีมันก็ลงที่ใจมันก็มีความสุขมากทุกครั้งในการฟังธรรมแต่ละครั้งมันก็เป็นดีครับพอทำแล้วจิตก็สงบ ความสงบรี่เกิดจากการฟังธรรมก็เป็นความสุขอย่างยิ่งครับมันรู้สึกว่านึกถึงว่าคอนเสิร์ตราคาเป็นหมื่นเป็นแสนคนยังไปดูกันได้แต่ฟังธรรมนี่ฟังฟรีๆไม่เสียตังค์สักอ ย, ย่างมีคุณค่ามากกว่าเยอะมากเลยครับหลวงพ่ออวิชางเขาไม่รู้ความจริงอันนี้ทำคนฉลาดที่นี่อย่าเห็นคามจริงเห็นเห็นคุณค่าของธรรมาะครับ เมื่อเมื่อเรามีความสุขใจนี้เราก็อยากรักษามันไว้อยากได้ความสุขที่มันมากขึ้นไปแต่มันที่บอกว่าอยากนี้มันไม่ได้อยากโดยกิเลสอยากนะครับหลวงพ่อมันอยากแบบมันรู้ว่าเป็นสิ่งที่ดีกับตัวเองแล้วก็อยากจะสั่งมันเรียกว่าอะไรอ่ะสะสมบุญบําเพ็ญบุญอะไรอย่างนี้ครับหลวงพ่อใช่ไหมถูกไหเรียกว่าฉันทาความยินดีครับทำยินดีนะครับ ก็เดี๋ยววันอาทิตย์นี้ผมก็ไปปีกวิเว้ครับก็วันฝากคุณลาไปทําบุญกับหลวงพ่อแล้วครับผมอ่าได้นนะค่ะเธอเวทนาครับก็บุญจิตนี้ก็ให้มองเวทนาแบบเวลานั่งสมาธิไปก็ลมหายใจแต่พอมีเวทนามาเราก็แบบให้แบบอิกนอนไปเลยหรือว่ายังไงครับหลวงพ่อเอ่าไม่ไม่ต้องอยู่เฉยแล้วปล่อยให้เวทนามันเกิดแล้วมันดับของมันเองไม่ต้องเป็นกระยุ่งของมัน ครับจิตมันจะไปยุ่งมาใช้พุทโธพุทโธหนึ่งมันไว้อย่าไปอยากให้มันหาอย่าไปอยากขยับน่างกายครับก็มันเราต้องกำหนดว่าปล่อยไหมครับหรือว่ามันจะปล่อยอัตโนมัติหลงเพราะถ้าเราฝึกปติก็มันทำสั่งมันได้กันดีสั่งมันปล่อยมันปล่อยได้กันดีถ้นไม่ปล่อยก็แค่พุทโธบังคับให้มันปล่อยทำพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปถ้าเดียมันก็ปล่อย โอเคครับวันนี้กล่าวพระคุณหลวงพ่อแค่นี้ครับโ <Okay, S 1> <ๆ S 2> อเคสาธุคุณวารีพรตอบว่าวารีพรใช่ไหมวาีพรอยู่ที่ไหนเสียงไม่เข้าเลยคือ ว, วารีพรไม่ทั น, นเอ่อค่อยไปหน่อยเข้ามาพูดใกล้ๆหน่อยได้ไหมเออได้ยินแล้วได้ค่ะคือหน่มหนูมีคําถามมาค่ะ ้คือหนูนั่งปฏิบัติไปใช่ไหมคะคราวนี้หนูภาวนายุบหนอพองน้อยอยู่แล้วใช่ไหมคะก็คือกำหนดตามวิทนาที่เกิดขึ้นแต่คราวนี้ขาเนี่ยมาชาไปแล้วก็ปล่อยให้มันชาไปแต่คราวนี้รู้สึกว่าซี่ข้างขวาค่ะมันหายเห mm hmm. มือนเหมือนช่วงอกถึงช่วงแขนนะคะ่ะขาเนี่ยหายไปแต่คราวนี้หนูก็กำหนดไม่ถูกก็ดู พอดูปุ๊บขอนี้ลืมยุบหนอพองหนอค่ะคขอนี้ก็เวทนาเกิดขึ้นครขอนี้หนูก็มีความรู้สึกว่าหายก็คือหายคือหมายถึงว่าหนูกําลังไปดูตรงที่ร่างกายหนูหายอะค่ะหายก็หายขอนี้ปุ๊บเวทนามันปวดปวดที่หลังปวดจนหนูแพ้แพ้ปวดก็เลยก็หน<ำ>ูมาพูดโทนกลับมาพูดโทนกลับมาพูดโทนทำพูดโทพูดโทไป ถ้าไม่มีอะไรกาะก็ใช้พุทโธเกาะพุทโธไปค่ะก็ค่ะมันก็ปล่อยให้ทุกอย่างมันเป็นไปมันจะปวดก็ปล่อยนั้นปวดไปแล้วไม่ต้องไปยุ่งกับมันให้เราก็ติดอยู่กับพุทโธพุทโธไปเดี๋ยวจิตสงบแล้วมันก็จะไม่รับคารค่ะก็คือแบบหนูก็กําหนดออกเลยก็รู้สึกว่าแพ้ตัวเองทีแพ้แพ้กิเลส ท่ากิเสไม่ใช่ท่าตัวใช่ค่ะแท้ว่าทําไมทนไม่ได้งัวแต่ไปดูว่ามันหายไปไหนพอเราไม่ใช้เครื่องมือถ้าเราไม่พุโทโธพุโทโธเราก็เราก็จะสู้มันได้อยมันได้ค่ะเห็นเรากลับมาพุโทโธนะพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปค่ะตอนนี้ก็พอฟังหลวงพ่อก็พอหลังจากแล้วนะสมาธิก็พยายามพิจารณาว่าร่างกายไม่ใช่ของเราอค่ะ ก็ไปมีิตินานไปเรื่อยเป็นเหมือ น, นตุ๊กตาตัวหนึ่งเป็นน้าลงไฟเจ้าค่ะแล้วก็พอมีอะไรมากระทบเพราะว่าหนูอยู่ที่ทํางานใช่ไหมคะแล้วก็ถือสิ่งแปลกด้วยมันความอดทนอุดกันเยอะมากเลยเจ้าค่ะก็พิจารณาเหมือนกันว่ามันนนั้นมีเหตุการณ์คือเขาด่าเราซึ่งๆหน้าแต่เราพิจารณาว่ามันไม่ใช่ของเรามันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตรงเราแต่ว่า เป็นได้แต่ว่าไม่ได้ตลอดนะคะก็พิจารณาว่าเราไปห้ามก็ไม่ได้ก็เป็นเหมือนลมพัดนี่เสียงลมลมพัดเสียงปากก็เป็นลมเนี่ยหวานพัดไปห้ามก็ไม่ได้ค่ะแตใจก็ไม่โกรธนะคะแต่ว่าบางทีงกย็ยังหวนไว้อยู่ยังหวนไว้อยูใช่ค่ะเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นบางครั้งที่หนูถ้าหนูขาดสติคืออารมณ์โกรธเข้ามาแต่ก็ รู้ได้ทันนะคะแต่ก็ยังมีความที่อยากที่จะแบบไม่โกรธเลยก็ใช้พุทโธช่วยไปได้พุทโธพุทโธพุทโธไปค่ะมีอถ้าใช้ปัญญาได้ก็ดีว่าเห้ามเขาไม่ได้ค่ะเขาจะพูดอะไรก็บ่อยเขาพูดไปเขาจะด่าก็ปล่อยด่าไปค่ะค่ะก็พยายามพิจารณาที่ฟังมา พยายามพิจารณาตลอดแล้วร่างกายนิงเงช่อของเราเผือวันหนึ่งปัญญาจะเกิดขึ้นจริงจริงเนาะเอ่อทำทการบ้านไว้ก่อนพอเจอข้อสอบจะได้ทำได้ค่ะเจ้าค่ะชไหเจาค่ะตอนนี้นยู่ที่ไหน น, นั่งี่เรียนถามอยู่ที่กรุงเทพเจ้าค่ะกรุงเทพโอเคที่มุ่เกตต่อมุเกตเชุ่เกตอยู่ที่ไหน กับนักาึพระอาจารย์ค่ะอยู่ที่กรุงเทพค่ะมีคำถามอะไรไหมค่ะก็อมีมีคําถามค่ะอาจารย์คือโดยได้วยปัจจุบันที่งานที่ทําอยู่มันทําให้แบบไม่ไม่ค่อยมีเวลาได้ปฏิบัติเลยและไม่แน่ใจว่าพอมีวิธีไหนที่ที่จะแบบเหมาะสมกับช่วงช่วงเวลาแบบนี้บ้างเพราะว่างานงานของหนูแบบแทบจะเช้าชนกนางคือเช้าจนกลางคืนด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วแบดนดิสแท็กในช่วงช่วงเวลาทํางานตลอดเวลาจากแบบหลักหลายๆเพื่อร่วมงานก็เลยแบบหาเวลาปฏิบัติไม่ค่อยได้เลยก็เอาวันเอาวันหยุดใช่วันนี้เราไม่ได้ทำงานอย่าไปเที่ยวเอาเวลาไปเที่ยวมามาปฏิบัติอย่งน yes um> ี้เราก็จะไม่มีเวลาปฏิบัติใช่คือคือต้องแบบต้องเรียนกลับเลยครับว่าแบบทำงานแท่แบบเจ็ดวันต่อสัปดาห์เลยวันมันก็จะมีวันหยุดบ้า มันจะไปทําตลอดได้คือ <c oughs> ถ้าไม่หยุดเลยค่ะช่วงนี้ <c oughs> ถ้าไม่หยุดก็ทําลยก่อนแล้วไม่ต้องมีวันหยุดเนี่ยพอ ม, มีวันหยุดก็ไปปฏิบัติทำอย่าไปทไําอย่างอื่นค่ะพอพอมีวันหยุดก็หมดพลังนะคะไม่ไหวอยากนอนก็เลยเอ๊ะพอมีวิธีไหนบ้างหน้าที่เกิดเราไม่ได้นั่งสมาธิหรือไม่ได้เดินจงกรมเราจะแบบปฏิบัติยังไงได้ระหว่างทางที่เป็นสถานการณ์อย่างนี้ก่อน ก็พูดโทรไปเวลาเราทํางานกับพูดโธไปเวลาที่เราไม่ต้องคิดไม่ต้องคุยกับใครกับพูดโทพูดโทไปโอเคค่ะข้อถามอีกคาถามหนึ่งค่ะว่าอาจรมีบางช่วงที่ได้ได้มีโอกาสนั่งสมาธิพอนั่งไปเรื่อยๆแล้วแบบจะรู้สึกแบบข้างในร่างกายมันเย็นจนมันหนาวมากเลยค่ะทั้งทั้งที่แบบอากาศบางทีแบบปิดแอร์ปิดพัดลมไปเลยอย่างเงี้ยแต่ก็ยังรู้สึกหนาวอยู่ข้างในยอย่างเงี้ยเลยไม่แน่ใจว่ามันเกิดจากอะไรค่ะ ไม่เป็นไรกร่วมเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวมันก็หายไปนั้นได้เที่ยงบางที่เวลาจิตสงบมันก็จะรู้สึกเย mm. <Okay. S 1> ็นโอเคเวลาจิตวุ่นวายก็จะรู้สึกร้อนอืม mm. แต่เดี๋ยวมันก็จะหายไปใช่ไมว่าหนาวจนเกินเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่เป็นไรไม่มีปัญหาอะไรอ๋อโอเคได้ค่ะไม่ไม่มีคํำถามนะคะขอบคุณโอเค พวกปรยยบ้างไหมอลิสบายยคเปิเปิดวดีโอไมเปิดกล้องไหมคุณเกศยูเอเซ่เข้ามาก่อนนะเชนคุณเกศนัศการนค่ะเอ่อเดี๋ยวรอเดี๋ยวะยเดี๋ยวให้คุณเกศพูดก่อนข้าคำามัการเ้ค่ะคุณเข้ามาครั้งแรกเจ้าค่ะคำถามจ้ค่ะ อ๋ออยู่แคลิฟอร์เนียเ <California, S 1> จ้าค่ะตอนนี้มาอยู่ที่วัดเดจ้า ค, ค่ะมาอยู่วัดเมตตาที่ซานดิเอโกเจ้าค่ะซานเจฟเฟร์ใช่เจ้าค่ะมาตอนอยู่ฟันชาเจ้าค่ะอ๋อดีมีอะไรอยากจะถามเจ้าค่ะคํะะๆๆถ า, ถ า, ถ, าถามตอนภาวนาเจ้าค่ะคือระยะหลังนี้คือภาวนาเอพอมันเริ่มสงบเหมือนแล้วค่ะแล้วก็มันช่วยขับเสือ่อมเพราะแยกๆเหมือนเราถอยถอยถอยเข้ามาดูอย่างเงี้ยเจ้าค่ะถ้าบางครั้งเนี่ยแค่ ถ้าเห็นการกระเพื่อมข้างในอถ้ามันเด่นๆ เ, เนี่ยมันก็จะเห็นทานบางทีก็เหมือนกับว่าพอเราพอจับรตรงนั้นมันก็จะคลายลงไปอย่างนี้จ้าแต่ว่าบางครั้งเนี่ยพอพยายามทําความรู้สึกรู้ตัวอย่างนี้ค่ะอยู่กับอยู่กับลักษณะาการรู้ข้างใ น, ข, งในข้างในกายข้างในตัวอย่างนี้จ้ามันจะแบบมีมันก็จะมีความคิดมีอะไรขึ้นมาเยอะเงนี้ยค่ะแล้วก็เลยไม่ทราบว่า อย่างเงี้ยก็คือไม่ต้องสนใจแล้วแต่ก็คือมันจะขึ้นมาเยอะมากเลยค่ะอาจารย์มันจะมีอะไรไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะว่าก็ไม่ต้องสนใจใช่ค่ะควรจะดูลมแลวควรจะพูดโทนดีกว่าอย่าไปสนใจถ้าไปยิ่งดูัก็ยิ่งมันก็ยิ่งเป็นอย่างนี้มันเยอะใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช้ใง่ใช่ใช่ใช่ใ่ใช่ใช่ช่ใง่ใช่ใ่ใช่ใช่ใ่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่าช่ใช่ใช่ใ่ มันก็มีพังคาลายลงอะไรเงี้ยค่ ะ, คะก็ก็มีบ้างเงี้ยค่ะแล้วก็พยายามทําพยายามสอนจิตให้มันทําให้มากขึ้นเงี้ยค่ะแล้วก็ช่วงนี้พยายามทำให้ละเอียดขึ้นเหมือนกับทำทีละจุดทีละเล็กทเล็กเงี้ยค่ะก็ก็สังเกตว่าคือถ้าว่าไอเห็นแบบถ้าทําลายไปเลยแบบว่าเผาหรืออะไรก็แล้วแต่งเงี้ยโอเคมันมันทำได้แต่ว่าสังเกตว่าพอเ ร, ริ่มทําเป็นจุดเล้ยย่อยเล็กๆทีละจุดทีละจุดเงี้ยค่ะสังเกตว่ามีความยึดติดอยู่เพราะว่ า, วามันแบบอ ย, อ, อย่างเช่นหนูลองอย่างที่ครั้งล่าสุดลองทําก็แบบ มุดถอนฟันทีลซี่อย่างเงี้ยจ้าลองลองทำอย่างเงี้ยก็สังเกตว่าเออมันมันยื้อมากเลยค่ะแต่ก็พยายามทำอย่างนี้อยู่ก็บางครั้งก็ไม่แน่ใจว่าที่ทำอย่างเงี้ยมันมันถูกหรือเปล่าเพราะจะว่าไปมันก็เหมือนแบบ่เหมอเราบ้าหรือเปล่าคือเราคือก็ทำลายไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยจะ้ะไม่ทราถูกต้องหรอก็พิจารณาเพื่อให้รู้ว่าอนาคตมันอาจจะต้อง ควาน่าจะต้องหลุดมันอะไรอย่างไงี้ยเราใจเราก็ต้องไม่ไปเสียดายไม่ไปเสียใจกับมันมั น, มนมเป็นธรรมดาของร่างกายที่มันจะต้องสูญเสียไปทีละนิดเท่าน้อยผมก็จะหงอกผมก็จะร่วมอะไรทำนองนี้นพิจารณาไปพิจารณาความเสื่อมของร่างกายได้ใช่ไหมค่ ะ, คะแล้วนิดนี้ใช่ไค่ะพอพผพิจารณาเนี่ยถ้าเวลาพิจารณาไปจนแบบสมา ร, ร์ทถ้าพิจารณานแบบ มันทลายลงอย่างเงี้ยนะท้าค่ะแล้วก็สังเกตตัวเองว่ามันก็จะเหมือนกับมันจะนิ่งลงไปอะค่ะบางครั้งมันก็จะเหมือนกับเรานิ่งอยู่ข้างในบอกว่าไม่ได้หลับแต่อาการเหมือนคลายคลายหลับแต่เราไม่ได้หลับอะท้าค่ะแล้วมันก็สงบอย่างนั้นก็ระยะนานอยู่เหมือ น, น, นกั น, นะะไงเจ้าค่ะสามารถจะเกิดขึ้นหลังจากพิจารณากายเจ้าค่ะได้ก็เป็นเป็นปัญญาอบรมสมาธิไปอืมใช่เจ้าค่ะ แต่เป็นจะพิจารณาเวลาอื่นด้วยเวลาที่เราเจอคนนั้นคนที่ก็ต้องพิจารณาด้างกายของคนอื่นกับด้านกายของเราค่ะพยายามทํำเจ้าค่ะพยายามเตือนสติให้ทำนะคะพยายามเราจะได้ไม่ไปยึดติดร่างกายของคนอื่นใช่ใช่ได้ค่ะครั้งก็คำถามมีเท่านี้เจ้าค่ะ S <S <Okay. S 1> ขอบคุณมากะคะ่ะอาจารย์ที่วันก็ให้อยู่จะพรรษาได้เจ็คนตอนนี้จริงๆยังไม่ได้เปิดเป็นทางการแต่พิธียมเคยมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะก็เลยบอกว่าท่านก็พอจะรู้จักก็แต่ตอนนี้มีเป็นที่อยู่ประจำเรสดเดียนนี่ก็เกิดประมาณเจ็ดแปดคนนะจ๊ะค่ะที่เป็นโยมอยู่แล้วก็มี่ไปมาตอนนี้ก็สักประมาณสิบสาสิบสี่คนนะจ๊ะค่ะแล้วก็มีสามคนสองเดือนคลารู้สึกว่าจะสิบสามนะคะถ้าถ้าถ้าจะในพิเจ็าวักว่าที่เรีว่าเป็นชาว เป็นชาวไทยมีแค่รูปเดียวเจ้าค่ะที่เหลือเป็นต่างประเทศเป็นผสมหมดเลยค่ะมีบราซิลโนเวย์เนเธอร์แลนด์อเมริกาอะไรตเงนี้ค่ะหลายหลายชาติเจ้าค่ะก็บวชที่วัดของอาจารย์เจฟเลยหรือว่าตอนนี้ยังไม่มีอุปสมบทเจ้าค่ะก็เวลาถ้าบวชต้องไปใช้ขอที่วัดภูริทัศน์เลยค่ะที่หนึ่งค่ะแต่พระผู้นี้เป็นพระที่อาจารย์เจฟบวชใช่นหะใช่ใช่เจ้าค่ะอ๋อพอดีนะค่ะ เนาะค่ะก็ปฏิบัตไปั่นบ่นไม่บวยก็ไม่สาคัญสคัญที่ปฏิบัติและไม่ปฏิบัตินะเค่ะได้เจ้าค่ะขอบคุณมากครัอาจารย์าชการเจ้าค่ะ้าค่ะครอบครัวใบยกเชิญใบยผู้ป้ามสักกราสัร์เม่อวานเมื่อวานนี้เขาใส่บาทรให้นั้นนั่นต้องใส ถ้าจไม่ันที่ทำการบ้านเสร็จไล้ยังก็เหลืออีกงานหนึ่งค่ะเป็นงานที่ครูเพิ่งตามวันนี้ค่ะก็ยังไม่ได้ทำค่ะที่ทาไม่เสร็จไมีคำถามก็คือตอนนี้ที่โรงเรียนเปิดให้ แปลว่ารับสมัครลงทะเบียนให้เปฉีดวัคซีนค่ะมีสองตัวให้เลือกก็คือซิโนฟาร์มกับไฟเซอร์ค่ะก็ะเลยอยากรู้ว่าควรจะไปฉีดดีไหมคะฉีดอันไหนก็ได้เขาให้ฉีดได้ก็ฉีดนันไปเหมือนกัน้องกันได้้องกัรโลกได้เหมือนกันซิโนฟาร์มจะได้ฉีดวันที่ยี่สิบนี้ค่ะค่ะแต่ว่าถ้าเป็นไฟเซอร์นี่ต้องรอไปก่อนอ่าก็ฉีดก่อนไม่ดีกว่า จะได้ไดไมีถูกป้องกันไว้ก่อนกิการติที่มาจะได้ไดแต่ว่าทางซิโนโฟาร์เนี่ยอทางราชวิทยาลัยจุฬาพร น, นะคะได้ยื่นเรื่องไปที่อยอยแต่ว่าทางอยอยยังไม่ได้มีการอนุมัติออกมาเหมือนกับเป็นการอเซ็นยินยอมกับทางผู้ปกครองเองอย่างเนี้ยค่ะก็เลยหนูก็แอบกลัวนิดนึงค่ะกลัวแบบว่ามีอาการเยอะกว่าพ่อกับแม่อะไรอย่งนี้ย น้น<ะ>ยาพวกนี้ไม่มีพิษไม่ภัยแล้วน้อยมากพิษภัย <Okay. S 2> เกิดจากการไม่ฉีดที่มากกว่าไม่ต้องไปกลัวหรอกฉีดไปเลยอันไหก็ได้อันไ ห, นไนไหนมาก่อนก็เอามันก่อนบางคนจะจมน้ําตายมีอะไรมาเกอนได้ก็รีบเกาะไว้ก่อนจะเรียกว่าวายาเอาเอาอย่างนั้นเอาอย่างนี้มีอะไรมาเกานได้ช่วยช่วยประคองชีวิตเราได้ก็เอามันไปก่อน เรียกว่าทำมาจัดสรรเนี่ยอะไรมาก่อนก็เอาไปเหนื้อยนะไปเลือกมากเดี๋ยวเดี๋ยวไปเรื่องมากเดี๋ยวมันจะไม่ทันการนะไปรอเดี๋ยวรอไฟเซอรแต่โควิดมากก่อนจะทําไงลองได้ค่ะยอดผูก็มีคําถามครับคำถามว่าถ้าชีดสิบแปดแล้วฉีดโมลิธาตะวันได้ไหมครับ ซื้สิน8แล้วทานเม็ตารหวานได้ปะรู้เสึว่าเขาอนุญาตนะเพราะถือว่าเป็นยาหรือเป็นอะไรก็ได้แต่เราไม่เคยเร้คยราไม่เคยฉัลเลยเราไม่รู้เราตอบไม่ได้ก็กล้โกโก้ได้ไหมคะได้โกโก้น้ําตาลอะไรพวกนี้ได้ยกเว้นนมไบโลอะไรพวกนี้ไม่ได้ไบโลมันติดที่ไม่ได้ห <c oughs> ือว่าเป็นอาหาร แต่เครื่องดื่มต่างๆได้อยู่น้ำผลำไม้อะไรได้น้ำช า, าก า, าแฟได้น้ําตาลน้ำผึ้งน้ำ อ, อ้อยอได้ทานลายได้ไหมคะอันนี้เขาก็แล้วแต่แปลความหมายว่าเป็นยาหรือเปล่าถ้าเป็นยาก็ได้ถ้าเป็นอาหารก็ไม่ได้ <c oughs> เนาเรากินก็รักษาโรคภัยไข้เจ็บหรือเปล่าถ้าไม่ไม่มีโรคภัยกข้เจ็ บ, าา ก, จ บ, าา ก, บกินก็เป็นอาหารนี่ก็ไม่ได้กินกินเพราะหิวค่ะนั่นแหละโรคหิวไม่ได้ <แ S 1> หอกโริวค่ะไป <c oughs> <c oughs> อย่าไปกินเลยเดี๋ยวาไปกินเลยทานทานมาเมื่อวานนี้ไม่ให้ไม่ให้ทานอะไรเลยคะ่ะให้ดื่มแต่น้ําแดงเห็นท้องยังก็ แล้วเราเอาความอทนดีก่ามฝึกความอดทนอย่างอดทนอดทนนะหลับจากเ่ื่อคืนไปถึงเช้าแล้วเม่รงไม่มีแรงเลยเ่อเดี๋ยวมันก็กลับมาเองเดี๋ยวถึงเวลาได้กินอาหารแล้วมันแรงมันก็กลับมาครับมาูเห็นไหมไม่เป็นไรไม่ตายหรอกอดทนดู โอเคนีตอนนี้เด็กแล้วต้องคถาเด้๋ยวจะต้องตอบคาถามนคือถ้าหนูไปฉีดว่าีนนกลัวเขอมเจ็บอ่ะต้องทำยังไงคะกัวอะไรนะกลัวเข็มกลัวเข็มต้องท่โธพุทธโทเวลาไปฉีดไม่ต้องท่องพุทธโทพุทธโทไม่ต้องไปรอไม่ต้องไปสนใจ แล้วมันจะเหมือนถูกวดกับท่านั้นโอเคมันแลกนิดเดียวมันไม่เจ็บโอเคหครับเข้าใจคะเข้าใจนะสาาขอบคุณคัโอเคนะพการครับนอนับฝันดีนะนอนับฝันดีเด็กนอ็แขอให้พ่ะจาสุดยอดให้มีอายุยืนยาว เลยร้อยยี่สิบปีครับจา้จาจ้าออขอบคุณค่ะกล่าวนานการค่ะเห้ยรู้สึกทุกคนได้ถามคำถามหมดแนละ้วงั้นก็ขอไปที่เฟรนด์รุ่กลังกันนะนะตอนนี้เฟรนรูปมีกีข้อค่ะคืนนี้มีทั้งหมดเจ็ดข้อค่ ะ, ะเชิญได้เลยคำถามแรกค่ะคําถามแรกจากคุณอูนะคะ อยากเรียนถามพระอาจารย์ค่ะว่าคนที่ฆ่าข่มขืนผู้อื่นเราควรให้อภัยหรือเราควรอยากให้เขารับโทษประหารชีวิตเจ้าคากกะการของพวกคุณค่ะ อ, อ๋อมันจะทํำไงกับเขาก็ได้แต่โกเทงกรรมมันทําอยู่แล้วสำหรับเราเราไม่มีหน้าที่ที่จะไปทําทําร้ายเขาเราก็ทําทํามันไม่เกี่ยวกับเราเราไม่จะต้องไปให้อภัยหรือไม่ให้อภัยมันไม่มันไม่มไมเกี่ยว มันจะให้อภัยก็คือคนที่เขาเสียหายเดือดร้อนแต่ถ้าเราไม่ได้เป็นคนที่เสียหายเดือดร้อนให้อาภัยหรือไม่ให้อภัยมันก็ไม่มีผลใดอย่างใดคํำถามต่อไปจะคุณประสิทธิ์ค่ะขอกราบเรียนถามพระอาจารย์ครับนั่งสมาธิมีเสียงดังที่หูจะแก้อย่างไรครับมีเสียงวิทวิทรักษาไม่หายแล้วก็หูอื้อตอนนั่งก็จะได้ยินเสียงที่หูค่ะขอพระอาจารย์ช่วยเมตตาแนะนําครับ พรถ้าเป็นช่วงที่เรานั่งอย่างเดียวก็ไม่ต้องไปสนใจแลวเวก็ปล่อยให้มันดังไปล้วก็ดูลงไปพูดโทไปแต่ถ้ามันเป็นตลาดเวลาหลังจากเวลานั่งมันไม่นั่ ง, ม, งมันก็เป็นก็เราไปหาหมอให้หมอเขรักษาคห้คำถามต่อไปจะคุณนะ่าไม่ได้สํารวมตาหูจมูกกลิ่นแล้วมองออกไปแพ่งบุกคนอื่น เห็นความไม่รู้จิตก็ปรุงแต่งเกิดขึ้นเห็นสภาวะจิตคิดไม่ดีเพราะมีความหลงผิดแต่ตัวรู้มีสตินิ่งหนูเลยมานั่งไตรตรองให้มีความคิดเห็นถูกต้องแบบนี้ถูกต้องไหมคะก็อยู่ที่ว่าเราต้องการอะไรถ้าเราต้องการฝึกสติแล้ว็ต้องไม่คิดไม่แต่ใจเอาอะไรทั้งสิ้นว้าเราต้องการหยุดความคิดเพื่อนังสมาธิให้จิตสงบแต่ถ้าเราต้องการปัญญาเราก็ต้องพิจารณาไป ว่าสิ่งต่างๆที่เรารับรู้นี้เป็นไตรลักษณ์ไม่เทียมเกิดแล้วดับถ้าไปยึดระติดอย่ญาให้มันไม่ดับก็จะทุกข์เป็นต้นให้พิจารณาแบบนี้ได้เ้าต้องการปัญญาการถามต่อไปจะคุณพรพันธ์ค่ะกลับนมรสการพระอาจารย์เจ้าค่ะเพราะเหตุใดเวลาทํางานที่ต้องใช้สมองจะปวดหัวแต่ถ้าทํางานปัดกวาดเช็ดถูหรือว่าฟังเทศจะผ่อนคลายสบายสบาย อย่างนี้เรียกว่าติดสงบหรือไม่เจ้าคะควรแก้ไขยอย่างไรเจ้าคะเมื่อติดสงบแล้วบางทงานมป็นุัใจความคิดซับซ้อนมากกว่าการปาดถูอะไรซึ่งไม่ต้องใช้ความคิดมากมันก็เลยอาจจะไม่เกิดอาการป่วยขึ้นมาคำถามต่อไปจะคุณแพ็กกี้นอนค่ะ ขอโอกาสเรียนถามท่านพระอาจารย์เจ้าค่ะพี่ชายไปดูดวงกับพระพระบอกว่าพี่ชายจะโกงแม่แล้วต่อมาตัวเองก็หาเหตุมาโกงแม่จริงๆตามคำทำนายต่อมาแม่รู้แม่ทุกใจมากจนกระทั่งเสียชีวิตมีสองคำถามเจ้าค่ะคำถามที่หนึ่งหากเขาคิดว่าการโกงนี้เป็นกรรมเก่าที่ในอดีตชาติจึงมาโกงเพื่อชดใช้กรรมกรรมจะปดไปไหมเจ้าคะมไ ม, ไ ม, ไม่ไม่เกี่ยวกับอดีตชาติหรอก เราทำกรรมอะไรตอนนี้มันก็เป็ น, ปนลลรรแล้วก็อำเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นไปจะไปอ้างเหตุผลว่าเป็นกรรมกกับอะไรมาแก้กันันไม่ได้คําคำถามที่สองค่ะการโกงแม่ทำให้แม่ต้องทุกข์ใจตลอดมาทางธรรมถือว่าเนรคุณหากเป็นการชำระนี่กรรมแล้วจะลงโทษจะต้องโทษลงอบายภูมิหรือไม่เจ้าคะกลับขอบพระคุณพระอาจารย์เจ้าคะ่ะโกงแม่ก็ถือว่ า, ารับทรเนี่ยรัพย์มันก็ แล้วแต่ว่ามันมันมันรักทรัพย์ใ้ยสาเหตุอะไรมันก็จะไปที่อาบายแห่งใดแห่งหนึ่งีแห่งไม่เป็นเนราัจานก็เป็นเปรตไม่เป็นเปตก็เป็นอสศรกายเข้ามันก็เข้าไปในโลค่ะคำถามต่อไปจากคุณภูวัฒนาค่ะกลับน้ัสการค่ะขออนุญาตขอคำแนะนำจากพระอาจารย์ค่ะ พ่อเพิ่งเสียไม่ถึงเดือนค่ะทั้งที่ฟังธรรมมากจากพระอาจารย์แต่พอถึงเวลาที่สูญเสียมันทรมานมากค่ะเสียใจที่ไม่ได้พาพ่อไปกราบฟังเทศเลยค่ะเราจะต้องทาอย่างไรดีคะเมื่อผ่านไปแล้วพ่อเสียแล้วก็ไม่สามารถที่จะทำให้พ่อฟื้นกลับคืนมาได้ก็ต้องยอมรับความเป็จริงว่าร่างกายของทุกคนเช่นของพ่อเราก็ต้อง เข้าสู่ความตายวันใดวันหนึ่งถึงเวลาก็ต้องปล่อยไปตามความเป็นจริงเป็นอนิจจัถ้าไม่อยากให้เขาตายก็จะทุกข์ขันจะเกิดความทุกข์ถ้ายอมรับความจริงว่าเขาต้องตายก็กกใจก็จะไมุ่กคำถามต่อไปจะคุณอนุสรค่ะขอโอกาสครับปุทุชนควรน้อมนำปฏิบัติปาณาติบาตเช่นไรถูกต้องถึงจะถูกต้องในพุทธศาสนา ไม่ฆ่าก็ไม่ฆ่าสัตว์ทุกชนิดเนี่ยไม่ว่าจะเล็กจะใหญ่คำถามไม่ฆ่าทับงหมคำถามตอบไกลจากคุณไกลไกลพีชค่ะคาถามมีสองคำถามนะคะคำถามที่หนึ่งการเดินจงกรมวัตถุประสงค์จริงๆเพื่ออะไรครับควรเดินและนั่งเท่าเทกันไหมครับเห็นบางคนเดินจงกรมอย่างเดียวไม่นั่งเลยอยากทราบครับ คือโดยหลักก็คือต้องการเจริญสติตังต้งแตทุกสติถ้าสติยังไม่มากพอก็อาจจะไม่อยากจะนั่งเพราะนั่งแล้วมันก็ไม่สงบก็เลยใช้การเจริญใช้การเจริญสติด้วยการเดินจงกรมไปก่อนพอเดินจกรมไปมีสติใจก็ว่างเย็นๆถึงไ ม, ไม่ไม่สงบมากแต่ก็ยังดีนะ ต, ต่อไปก็จะนั่งได้ ต้องเข้าใจว่าการเดินโยกมมนี้เพื่อฝึกสติเพื่อให้เรามานั่งสมาธิได้เพราะการที่จะจิตจะเข้าสมาธิได้นิ่จิตต้องนั่งเฉยๆคำถามที่สองค่ะเคยฟังมาจากคนที่เคยบอกว่าท่านพอรีท่านบริกรรมแบบนับพุทโธหนึ่งสองสามผมมาลองทำดูจิตก็รวมเร็วดีอันนี้ถือว่าไปทำให้จิตเขาทำงานหรือไปยุ่งกับจิตไหมครับ ไม่หรอกก็เป็นวิธีที่จะยักยัง้งาวามคิดที่ทำให้จิตไม่สงบนั่นเองคำถามต่อไปจากคุณเจแจ๊กค่ะขอกราบเรียนถามครับจากสิ่งที่ถูกรู้จนไปเจอตัวรู้แล้วตัวรู้นี้บางครั้งมันเหลือแต่รู้คำว่าตัวคว่า ต, วตัวตนมันหายอยู่กับรู้ไปสักพักมันจะเกิดสำ น, นึกของความเข้าใจแวบเข้ามาเองตรงนี้คือปัญญาาณยานอย่างรู้ในภาวะตรงหน้าใช่ไหมครับ ผมเดินสภาวะมาได้ถูกต้องหรือยังครับก็ยังไม่ไม่รู้ว่าเป็นความอย่างรู้วิจิงรหรือไม่ต้องเอามาใช้กับเหตุการณ์จริ ง, งมาดูร่างกายเราดูว่ามีตัวตนหรือเปล่าดูล่างกายของคนเห็นว่ามีตัวตนหรือเปล่าถ้ายังไปเห็นว่าเป็นตัวตนอยู่ก็ยังไม่ได้เป็นการอย่างทราบที่ถูกต้องถ้าเป็นการอย่างทราบที่ถูกต้องก็จะต้องเห็นว่าไม่มีตัวตนในทุกสิ่งทุกทุกคนทุกร่างกาย คำถามสุดท้ายค่ะจากคุณทรงสุดาค่ะขอรบกวนเรียนถามเจ้าค่ะขาเข้าเฟือกเรานอนสดมนลาบาปไหมเจ้าคะไม่บาปนรอกนอนสดในท่าไหนก็ได้ยืนเดิน น, นั่งนอนสดไดท้ทุกท่าหมดแล้วค่ะหมดแล้วนะโอเคใกล้จะหมดเวลาพอดีก็ก็ขอคิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านทั้งหลายจงนำเอา สิ่งที่ท่านได้ยินในวันนี้ไปพิพจิตพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิด